วันเวลาผ่านไปเดือนเมษายนที่ร้อนแห้งแล้งก็ผ่านไปผู้คนที่สามารถไปตากอากาศได้ต่างพากันทยอยกลับสู่กรุงเทพในต้นเดือนพฤษภาคมฝนเริ่มลงประปรายชีวิตของคนในเมืองไทยดำเนินไปอย่างปกติ ขณะนั้นพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับอย่างพระราชวังไกลกังวลหัวหินและเดือนมิถุนายนก็คืบคลานเข้ามาโดยไม่ได้มีร่องรอยบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าแต่อย่างใดเลยในตอนปลายเดือนพฤษภาคมปีนั้นเองจาอัานมาหาพรอยในวันหนึ่งแล้วก็บอกว่า คุณแม่ครับลูซินเขาอยากจะกลับไปเยี่ยมบ้านที่ฝรั่งเศสผมก็ว่าจะให้เขาไปอ้านคิดดีแล้วเหรอลูกธรรมดาผัวเมียไม่ควรจะจากกันนานตั้งแต่แม่แต่งงานกับคุณพ่อยังไม่เคยจากกันเกินกว่าเดือนหนึ่งเลยจะมีบ้างก็เวลาที่คุณพ่อไปราชการไปซ้อมรบเสือป่าบ้างไปตามเสด็จบ้างแต่นั่นก็เป็นธรรมดาปลอยก็ รู้สึกเป็นห่วงนะคะตาอันก็เลยชี้แจงว่าไม่มีอะไรหรอกครับคุณแม่คือลูซินเขาไม่ใช่คนไทยจากบ้านมาหลายปีเขาก็ต้องคิดถึงบ้านผมก็เก็บเงินเอาไว้ให้เขาได้พอเป็นค่าเรือแล้วก็ค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆ ไปถึงทางโน้นแล้วเขาก็อยู่กับพ่อแม่เขาไม่ต้องเสียอะไรมากกะว่าจะให้เขาไปอยู่สักหกเดือนแล้วจึงจะกลับพลอยรู้สึกกังวลอยู่เหมือนกันนะคะว่าหกเดือนนี่ก็ค่อนข้างนานทีเดียวเอาเถอะแต่ถ้าลูกคิดแล้วแม่ก็ไม่ว่าตามใจอั้น ผมอยากจะขออะไรคุณแม่สักอย่างระหว่างที่เขาไม่อยู่ถ้าผมเป็นอะไรไปขอให้คุณแม่บอกให้ลูซินรู้ด้วยให้ออสเขียนหนังสือให้ก็ได้และเงินทองที่เป็นของผมเล็กๆน้อยๆก็ขอให้คุณแม่ส่งให้เขาอันทำไมพูดอะไรเป็นลางยังหนุ่มยังแน่นอยู่ทำไมถึงคิดไปถึงเพียงนั้นแม่ไม่อยากให้อันพูดอย่างนี้เลยไม่มีอะไรหรอกครับ คุณแม่ตกใจไปได้ผมสั่งไว้จะได้ไม่ประมาทถ้าลูซินเขาไม่ต้องไปไหนไกลผมก็คงไม่พูดหรอกแต่นี่เขาต้องไปเยี่ยมบ้านของอย่างนี้ประมาทไม่ได้ผมเรียนกฎหมายแล้วก็อยู่กับกฎหมายวนันยังค่ําก็เลยอยากทำอะไรให้เป็นระเบียบแต่แม่ก็ยังไม่เห็นความจําเป็นที่อ่านจะต้องมาสั่งเลยนะถึงจะมีอะไรขึ้นมาจริงๆแม่ก็ยังอยู่ทั้งคน ใครจะไปทิ้งเมียของอั้นได้ตั้งแต่ตาอั้นบอกไว้วันนั้นแล้วลูซินก็มาคุยด้วยในวันต่อไปและเท่าที่พลอยจับความได้นะคะลูซินดูเหมือนจะคิดว่าครั้งนี้เนี่ยจะจากไปนานและที่ต้องไปคราวนี้ดูเหมือนว่าตาอั้นจะเป็นคนคาดคันให้ไปมากกว่าที่ลูซินจะสมัครใจไปเองลูซินไม่อยากไปงมากนะักแต่อั้นบอกให้ไป ลูซินก็ต้องไปอา้าวก็ไหนอั้นก็บอกว่าลูซินคิดถึงบ้านจริงถูกแล้วลูซินคิดถึงบ้านแต่คิดถึงก็ไม่ต้องไปเพราะลูซินแต่งงานกับอัน้นต้องอยู่กับอัน้นแต่อั้นบอกให้ไปลูซินก็ต้องไปแม่ไม่เข้าใจจริงๆลูซินพูดอย่างหนึง่งอั้นก็พูดอย่างหนึง่งไม่รู้จะฟังข้างไหนถูก ลูซินมองหน้าพลอยแล้วก็ยิ้มอย่างเห็นใจลูซินเห็นใจคุณแม่มากคุณแม่รักอั้นคุณแม่รักลูซินลูซินไม่อยากทําให้คุณแม่เสียใจเลยลูซินไปแล้วจะคิดถึงคุณแม่มากกว่าใครทั้งหมดแต่อั้นเขาบอกว่าลูซินจะไปหกเดือนเท่านั้นเองแล้วก็จะกลับมาใหม่พลอยพูดเพื่อที่จะเอาใจลูกสะภ้ย ลูซินยิ้มเอื้อมมือมาจับมือพลอยบีบแล้วก็บอกว่าบางชีบางทีอาจจะกลับมาเร็วชาอั้นอยางต้องการลูซินตั้งแต่นั้นมาค่ะลูซินก็เตรียมเก็บข้าวของพลอยสังเกตเห็นจากกิริยาอาการแล้วก็ใบหน้าที่เศร้าหมองของลูซินรู้สึกว่าลูกสะพาย ไม่ได้เต็มใจที่จะไปแต่ที่จำต้องไปเนี่ยก็เพราะตาอั้นต้องการพลอยสงสารลูซินจับใจนะคะแต่ด้วยความแตกต่างระหว่างชาติภาษาทำให้พรอยไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวแล้วก็สนิทสนมกับลูซินได้มากนะักแต่พรอยก็รู้สึกดีว่าลูซินยังอาลัยตาอั้นอีกมากแล้วก็เริ่มจะเห็นจริงในคำพูดของตาอที่เคยบอกว่า คนไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติต่างภาษานั้นน้อยคู่ที่จะอยู่กันได้ยืดเพราะว่าจะเริ่มเบื่อหน่ายกันเองในกรณีนี้พลอยก็เริ่มจะคิดว่าความเบื่อหน่ายนั้นน่าจะมาจากตาอั้นมากกว่าลูซินตอนต้นเดือนมิถุนายนตาอั้นก็พาลูซินเข้ามาลาพลอยเพื่อที่จะออกจากบ้านแล้วก็ไปลงเรือไปนอก ลูซินโผลเข้ามากอดพลอยแล้วก็ร้องไห้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พลอยยอมตัวให้ลูซินกอดด้วยความสมัครใจยิ่งกว่านั้นค่ะพลอยยังกอดลูซินเอาไว้แน่นด้วยความรักและความสงสารแต่ลูซินก็ต้องจากไปในที่สุดพลอย เพิ่งได้ตระหนักว่าความรักลูกสะั้ยเพิ่งจะมาเกิดขึ้นจริงๆังในวันที่ลูกสะพ้ายออกจากบ้านถ้าหากว่าพลอยรักลูซินถึงเพียงนี้มาแต่แรกบางทีลูซินอาจไม่ต้องลาไปในวันนี้ก็ได้และตั้งแต่ลูซินกลับไปแล้วก็ดูเหมือนว่าตาอั้นจะโล่งใจแล้วก็สบายใจขึ้นทาให้พลอยวิ่งแน่ใจ ว่าบางทีคำพูดของลูซินอาจจะถูกในข้อที่ว่าตาอันเป็นคนอยากให้ลูซินกลับบ้านมากกว่าที่ลูซินอยากกลับไปเองตั้งแต่ลูซินออกเดินทางไปตาอันกระดูจะมีธุระไปไหนมาไหนมากกว่าแต่ก่อนแล้วก็กลับบ้านดึกๆดื่นๆ่นแทบทุกคืนพรอยได้แต่อศัยตาอสเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็เริ่มจะเห็นว่าการที่ตาอสอยู่กับบ้านเฉยๆนั้น เป็นประโยชน์ต่อตนโดยตรงถ้าหากว่าตะอ๋อเป็นคนเอางานเอาการอย่างตาอั้นอีกคนพรอยก็คงจะต้องว้าเหวมากเพราะว่าไม่มีใครในบ้านที่จะหันหน้าไปพูดจาให้เข้าใจกันได้เช้าตรู่วันหนึ่งในเดือนมิถุนายนพรอยเพิ่งจะตื่นแต่ยังไม่ได้ลุกจากที่นอนยังนอนหลับตานิ่งๆคิดอะไรต่ออะไร ตั้งใจว่าอีกสักครู่จริงจะลุกขึ้นเสียงเด็กคนชัยเริ่มเปิดประตูหน้าต่างตึกอย่างเบาๆและอีกสักครู่ก็มีเสียงคนเดินขึ้นบันไดามาอย่างรีบร้อนพอเพิ่มนั่นเองแม่พลอยแม่พลอยรีบลุกขึ้นเถอะเกิดเรื่องใหญ่แล้ว พอเพิ่มไม่เคยมาแต่เช้าขนาดนี้นะคะแล้วก็ไม่เคยมาเรียกปลุกพลอยให้ตื่นขึ้นแบบนี้เลยแสดงว่าจะต้องเกิดเรื่องใหญ่จริงๆพลอยมือสั่นด้วยความตกใจรีบถอดกรองประตูแล้วก็เปิดประตูออกไปพอเพิ่มกําลังเดินไปเดินมาอยู่ที่ห้องข้างนอกสีหน้าท่าทางเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและหนักใจอะไรกันคุณหลวงเกิดอะไรขึ้น พอเพิ่มหันขวับมาทางพลอยก่อนจะบอกว่าเกิดกบฏขึ้นแล้วตายจริงพลอยพูดออกมาได้เท่านั้นก็ซุดตัวลงนั่งด้วยความตกใจฉันก็นึกว่าหมดเรื่องหมดราวกันไปแล้วแต่ที่ไหนได้จริงหรือนี่คุณหลวงคุณหลวงไปรู้มาจากไหนจริงสินะ่ะฉันเห็นมากับตา ทหารเต็มหน้าพระลานไปหมดแล้วนี่ยังไงประกาศที่เขาแจกแต่เช้าแม่พรอยอ่านเอาเองก็แล้วกันพอเพิ่มยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆแผ่นหนึ่งให้พรอยพรอยหยิบกระดาษนั้นมาอ่านได้ยังไม่ทันจะจบ ก, ก็รู้สึกว่าตาพร่าจนแทบจะมองไม่เห็นท้อยคำ อบรมความเชื่อถือต่างๆที่ได้รับมาตั้งแต่เด็กจนโตทำให้พลอยต้องร้องก้องอยู่ในใจว่าไม่จริงไม่จริงใครอย่าไปเชื่อใครช่างคิดช่างเขียนได้ถึงเพียงนี้ไม่จริงเลยบาปกรรมนี่คือความคิดในใจของพลอยและแล้วพลอยก็ถามพ่อเพิ่มด้วยเสียงที่แหบเครือว่า ใครกันคุณหลวงคณะรัศดร น, นี่นะใครมาจากไหนก็พวกที่เขาคิดการคราวนี้ยังไงล่ะฉันรู้แต่เพียงคนสองคนยังรู้ไม่หมดว่าเป็นใครบ้างแล้วพอเพิ่มก็เอ่ยชื่อคนสำคัญในคณะรัศดรให้พลอยฟัง แต่ชื่อเหล่านั้นก็มิได้ให้ความกระจ่างแก่พลอยแต่ประการใดเพราะเป็นชื่อที่พลอยไม่รู้จักแล้วยี่เขาจะเอาอย่างไรกันจะทำอย่างไรกับในหลวงจะฆ่าเจ้าให้หมดหรือชันเองก็ไม่รู้และเวลานี้ฉันว่าก็ไม่มีใครรู้ทั้งนั้นว่าจะเป็นอย่างไงกันต่อไปรู้แต่คร่าวๆว่าถ้าสาเร็จ เมืองไทยจะเปลี่ยนรูปการปกครองใหม่มีค o n s t i t u t i o n มีใครนะพรอยถามเสียงหลงเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยได้ยินชื่อที่แปลกถึงเพียงนั้นนะคะนึกในใจว่าบางทีจะเลิกมีในหลวงแล้วก็เอาคนที่ชื่อแปลกๆนั้นมาแทนกระมังภาษาฝรั่งไม่ใช่คนเป็นภาษาฝรั่งแปลว่าเออแหมฉันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงถูกเหมือนกัน แล้วกันแต่คุณหลวงยังอธิบายไม่ถูกและฉันจะไปเข้าใจได้ยังไงอะไรก็ไม่รู้ชื่อก็เรียกยากเป็นคนก็ไม่ใช่เป็นอะไรก็บอกไม่ถูกน่ากลุ้มจริงคุณหลวงเดี๋ยวก่อนคือเรื่องมันอย่างนี้แต่ก่อนนี้ในหลวงท่านอยู่เนื้อกฎหมายแต่ต่อไปนี้เขาใจะให้ในหลวงอยู่ใต้กฎหมายแล้วมันผิดอย่างไรแต่ก่อนฉันก็ไม่เคยเห็นท่านทาอะไรผิดกฎหมายสักที ฉันเคยรู้แต่ว่าในหลวงท่านออกกฎหมายเมื่อท่านเป็นคนออกกฎหมายแล้วจะเอาท่านมาอยู่ใต้กฎหมายได้อย่างไรที่แม่พลอยว่าว่าท่านไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายก็ถูกแต่ถึงท่านจะทำผิดก็ไม่มีใครไปว่าอะไรท่านได้แต่ต่อไปนี้แม้แต่ในหลวงก็ต้องอยู่ใต้กฎหมาย <c oughs> ก็เผื่อท่านไม่ยอมเล่าคุณหลวงก็ถึงว่าเธอนาแม่พลอยปัญหามันอยู่ที่ว่า ท่านจะยอมหรือไม่ยอมถ้าท่านยอมก็ไปอย่างหนึ่งแต่ถ้าท่านไม่ยอมก็จะไปอีกรูปหนึ่งฉันจึงบอกไว้แต่แรกแล้วว่าเวลานี้ยังไม่มีใครจะรู้ว่าเรื่องมันจะไปยังไงกันแล้วเช่านายพระองค์อื่นล่ะเขาจับเอาไปรังไว้หลายพระองค์แล้วผู้เฒเอ้ยพรอยอุทานเพราะไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนะคะพลอยรู้ดีว่าในระยะหลังๆนี้ มีคนจํานวนไม่น้อยที่ไม่พอใจในเจ้านายบางพระองค์และคนเหล่านั้นคงจะดีใจเมื่อรู้ว่าเจ้านายที่ตนไม่ชอบต้องประสบเคราะห์กรรมแต่สําหรับพลอยนั้นมีแต่ความรู้สึกสงสารและก็ห่วงใยถึงแม้ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าโชคร้ายต้องประสบเคราะห์พลอยก็มักจะสงสารอยู่แล้วตามปกติยิ่งเป็นเจ้านายที่พลอยรู้จักดีมาแต่เก่าก่อนเคยกราบไหว้ด้วยความเคารพเคยนึกถึงด้วยความนับถือเลื่อมใส เพราะกรรมที่เกิดขึ้นแก่เจ้านายจึงดูจะมีความรุนแรงเหมือนกับว่าเกิดขึ้นแก่ตัวพลอยเองขณะเดียวกันก็นึกโปรงอ น, นิจจังในยศวาสนาเจ้านายทุกพระองค์ที่เพ่อเพิ่มบอกว่าเขาจับเอาไปขังเสียแล้วนั้นเพียงเมื่อวานนี้เองยังมีคนเคารพยำเกรงเป็นอย่างที่สุดแต่พอถึงวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็กลายเป็นผู้ต้องขังโชคชะตาข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไป ก็ไม่มีความแน่นอนไม่มีใครจะคาดเดาได้ทำไมถึงรุนแรงขนาดนี้เรื่องอย่างนี้ไม่มิ่งเบาได้เสียละแม่พร้อยการพลิกแผ่นดินไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นของแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นอะไรต่ออะไรก็ต้องแรงตามไปด้วยแม้แต่คนอย่างเราก็เธอต่อไปนี้จะต้องระวังตัวอะไรมาทางไหนเราก็รู้ไม่ได้ ฝังพ่อเพิ่มพลอยก็ยิ่งไม่สบายใจชั่วชีวิตนี้พลอยได้แต่เคยหวั่นเกรงต่อความไม่แน่นอนในอนาคตมาแล้วนักต่อนักแต่ความไม่แน่นอนทั้งหลายทั้งปวงที่เคยผ่านมาแล้วนั้นดูจะเบาทั้งน้ําหนักและน้อยทั้งปริมาณเมื่อนํามาเทียบกับความไม่แน่นอนอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นคราวนี้แตออสเดินเข้ามาในห้องพ่อออส รู้เรื่องแล้วหรือยังรู้แล้วครับคุณลุงผมรู้มานานแล้วด้วยซ้าไปพอออสมาก็ดีแล้วจะได้อธิบายให้แม่เขาฟังเรื่องคนสติตูชันอะไรนี่น่ะลุงจะอธิบายก็พูดไม่เก่งเห็นจะยังไม่ต้องก็ได้จริงไ้ยครับคุณแม่ของอย่างนี้สอนกันครู่เดียวก็คงไม่รู้เรื่องผมว่ารอดูเข้าไปก่อนดีกว่า พอพลอยเห็นหน้าตาออดพลอยก็นึกอะไรออกขึ้นมาทันทีแล้วก็ตัวเย็นว่าไปหมดตาอัน้นใช่ตาอั้นหายไปตั้งแต่เมื่อเย็นวานแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านตลอดคืนป่านนี้จะไปอยู่ที่ไหนไปทําอะไรก็ไม่รู้พอเพิ่มก็ดูเหมือนจะนึกขึ้นได้นะคะเมื่อเห็นหน้าตาออดก็เลยถามขึ้นลอยๆว่านี่พออั้นไปไหน ซอดเหลียวมามองหน้าพลอยยิ้มยิ้มแล้วก็นิ่งไม่ตอบอานเขาก็อย่างนี้แหละคุณหลวงบางทีก็ไปเที่ยวหาเพื่อนฝูงแล้วก็เลยค้างซะที่บ้านเพื่อนเขาก็ทำแบบนี้บ่อยๆเมื่อคืนนี้เขาก็คงไปกับเพื่อนแล้วก็คงไปค้างซะที่ไหนเขายังไม่ได้กลับบ้านเลยอ้อพอเพิ่มพูดขึ้นมาคำเดียวแต่คำว่าอ้อของพอเพิ่มคาเดียวนั้น ไม่ใช่ออธรรมดาดูจะมีความหมายลึกซึ้งนั่นสิพี่อันเขาเพื่อนเยอะป่านนี้คงสนุกกันใหญ่แล้วออสพูดอะไรแม่ไม่เข้าใจพลอยพูดขึ้นเป็นทำนองอยากจะเตือนตาออสไม่ให้พูดมากแต่พ่อเพิ่มพอที่จะจับความได้พรออสหมายความว่าครับหมายความว่าอย่างนั้น ลุงก็ น, นึกอยู่แล้วเหมือนกันคุณหลวงตาออสนี่พูดเรื่องอะไรกันพลอยงงเพราะว่าถ้อยคาที่พ่อเพิ่มกับตาออสพูดกันนั้นมันมีนัยยะอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ตาออสกับพ่อเพิ่มมองดูหน้ากันแล้วพ่อเพิ่มก็ตอบเสียงอ่อยๆว่าก็เออ ก็เรื่องที่ฉันเคยพูดกับแม่พลอยไว่ออว่าว่าว่าพอาอันเขามีอะไรอะไรรู้เรื่องอยู่กับพวกที่คิดการวันนี้ด้วยนั่นแหละฉันไม่เชื่ออันเ้าสาบานกับฉันแล้วว่าเขาไม่เคยคิดอะไรออสบอกแม่ว่าไม่จริงเดี๋ยวนี้แม่ไม่เชื่อ พลอยเริ่มร้องไห้ในขณะที่ตาออดก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรออดก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรถูกถ้าออดบอกว่าไม่จริงออดก็ต้องพูดโกหกกับแม่เพราะออดเข้าใจว่าจริงพลอยเหลยวมองดูตาออดน้ำตาไหลพรากตาออด แกรู้ไหมว่าแกหาความพี่แกมากไปซะแล้วออสจะล้อเลียนหรือหาความอื่นๆแม่ก็ไม่ว่าเพราะแม่เห็นเป็นพี่น้องกันแต่คราวนี้ออสเล่นหนักไปเสียแล้วถึงกับหาว่าพี่เป็นกระหมดมีอย่างเหรอพี่น้องขานตามกันมาน่าจะรักกันนี่ออสกลับมาใส่ความพี่ข้อย่างร้ายแรงแม่ม่มีวันเชื่อ ว่าลูกของแม่จะเป็นกระบฏได้ถ้าอันเป็นได้ออสก็เป็นได้เหมือนกันเพราะเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันแท้ๆทำไมออสถึงไม่คิดดูบ้างแต่ออสก้มหน้าถอนใจไม่รู้ว่าจะอธิบายให้แม่ของตนเข้าใจอย่างไรถูกว่าเรื่องแบบนี้ไม่เกี่ยวว่าเป็นพี่เป็นน้องจะต้องเหมือนกันแม่พร้อยแม่พร้อย ทำใจเย็นๆไว้หน่อยเรื่องไปยังไงมายังไงกันฉันก็บอกแล้วว่าไม่มีใครรู้ทั้งนั้นฉันพูดอะไรผิดพรลางไปก็ยกให้ฉันเสียเถิดตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาทะเลาะกันแล้วพอเพิ่มก็ลากลับบอกว่าจะออกไปดูว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกบ้าง วันนั้นทั้งวันผ่านไปด้วยความเงียบเหงาพออยู่กับบ้านคนเดียวและไม่มีใครมาหาทุกคนในพระนครดูเหมือนจะระวังตัวเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านกรุงเทพในวันนั้นเหมือนกับคนที่กําลังอ่านหายใจรอเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันต่อไปที่ทุกคนต่างตั้งตารอดูว่าอะไร จะเกิดขึ้นต่อไปวันนั้นพลอยได้แต่เฝ้าคอยให้ตาอั้นกลับบ้านเพราะในความเห็นของพลอยตาอั้นเป็นคนเดียวที่จะทําความสงสัยต่างๆให้หายไปตาอั้นเป็นคนที่มีความรู้มีความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะชี้แจงเรื่องต่างๆที่พลอยสงสัยให้เข้าใจได้พอเพิ่มนั้น สนใจแต่รายละเอียดต่างๆที่ผิดบ้างถูกบ้างแต่ถ้าจะให้พ่อเพิ่มอธิบายเหตุการณ์ต่างๆของรายละเอียดเหล่านั้นพ่อเพิ่มก็อธิบายไม่ได้ส่วนตาอัดก็เด็กไปจนน่ารำคาญเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้พรอยแน่ใจว่าถึงอย่างไรตาอั้นก็จะต้องกลับบ้านวันนี้ตาอั้นคงไม่ทิ้งแม่ในเวลาที่บ้านเมืองขับขันแต่พรอยก็ต้องผิดหวังเพราะวันนั้นทั้งวันตาอั้นไม่กลับบ้าน และรุ่งขึ้นอีกวันแต่อันก็ยังหายหน้าไปจนกระทั่งเข้าคืนวันที่สามพลอยก็ยังไม่ได้พบหน้าตะอันระหว่างวันที่สองนั้นก็มีข่าวลือต่างๆเริ่มที่จะเข้าหูพลอยล้วนแล้วแต่เป็นข่าวไม่ดีทั้งสิ้นทำให้พลอยเกิดความกระวนกระวายใจ บางก็ว่าในหลวงจะยกทหารหัวเมืองเข้ามาปราบกบฏจะต้องเกิดรบปราฆ่าฟันเลือดนองแผ่นดินบางก็ว่าพวกที่คิดกบฏจะจับเจ้านายทั้งหมดใส่เรือไปทวงน้ําเสียกลางทะเลบางก็ว่าจะมีการริบทรัพย์เจ้านายตลอดจนของคนมั่งมีข่าวทุกข่าวล้วนแล้วแต่น่ากลัวดูเหมือนว่าจะเกิดจากความคิดความต้องการของคนที่ เจตนาจะก่อให้เกิดความตระหนกตกใจแก่ผู้ที่ได้ฟังมากกว่าอย่างอื่นส่วนตาออดนั้นตั้งแต่ถูกพลอยดุตาออดก็หลบๆหน้าถึงจะพบกันเวลากินข้าวตาออดก็ไม่พูดถึงเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่จะหาเรื่องอื่นมาคุยจนพลอยทนไม่ไหวต้องถามขึ้นเองในตอนกินข้าวเย็นวันที่สองหลังจากเกิดเหตุว่าออด รู้บ้างไหมว่าพี่อั้นเขาอยู่ที่ไหนออสพูดไปเดี๋ยวคุณแม่ก็จะดูอีกแต่ออสพูดทำนองเพ้อแต่ในสายตานั้นมีได้มีร่องรอยของความน้อยใจในการที่ถูกพลอยดุนะคะเหมือนกับว่าเป็นห่วงความรู้สึกของพลอยมากกว่าออจะถือแม่หน่อยเลยแม่กำลังตกใจก็เอะอะไปอย่างนั้น ถามจริงๆเถิดออสรู้บ้างไหมว่าพี่อันเน่ยเขาอยู่ที่ไหนพี่อันไม่ใช่คนที่จะไปเที่ยวเล่นในยามนี้ที่พี่อันเขายัางไม่กลับบ้านก็แสดงว่าพี่อันต้องติดธุระหรือว่ามีการงานที่จะต้องทําลูกเห็นว่าคุณแม่ไม่ควรจะวิตกอีกหน่อยพี่อันก็จะกลับมาเองแม่อยากรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้นแหละ ถ้าเผื่อออสรู้แม่ก็อยากให้ไปถามข่าวให้แน่ออรไม่รู้จริงๆว่าพี่อันเขาอยู่ที่ไหนเพราะไม่ได้ออกจากบ้านเลยในระหว่างนี้แต่ออรพอจะเดาได้ว่าพี่อันอยู่ที่ไหนถ้าเขาอยู่ที่นั่นจริงลู้ก็คงจะเข้าไปตามเขาไม่ได้ในขณะที่พลอยกำลังจะต่อว่าต่อขานต่ออรว่าชอบพูดอะไรเป็นปริศนาฟังไม่เข้าใจก็พอดีต่อันเดินเข้ามาในห้อง ตาโรยหัวยุ่งเหมือนคนอดนอนแต่แววตาและใบหน้ามีร่องรอยแห่งความปิติอิ่มเ อ, อิบเหมือนกับว่าได้ทำงานอย่างหนักมาจนเหน็ดเหนื่อยและงานนั้นบังเกิดผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอันมาพอดีทีเดียวแม่กำลังพูดถึงอยู่กับออสเดี๋ยวนี้เองพรอยดีใจในขณะที่ตาอันยิ้มกวาดตามองอาหารบนโต๊ะแม้หิวจัง มาถึงพอดีต้องขอกินข้าวให้อิ่มสักมือ้อพลอยรีบตักข้าวให้ลูกด้วยความดีใจแต่ออทยิ้มกับพี่ชายแล้วก็พูดขึ้นว่ายินดีด้วยนะพี่อันขอบใจออขอบใจพี่นึกแล้วว่าออทคงเข้าใจแล้วก็พอใจเพราะคนที่มีการศึกษาอย่างเราจะต้องพอใจทุกคนต่อไปนี้เมืองไทยจะไม่มีวันเหลียวหลังกลับอีกเป็นอันขาด ออสเองก็มีวิชาวความรู้ต้องเข้ามาช่วยกันบ้างมีข่าวอะไรบ้างไหมพี่อัน้นทุกอย่างคงเรียบร้อยดีมีข่าวดีที่สุดในหลวงตกลงยอมแล้วมีพระราชโทรเลขมาว่าทรงเห็นด้วยที่จะมีธรรมนูนปกครองแผ่นดินและทรงรับเป็นพระมหากษัตริย์ใต้ธรรมนูนต่อไปเป็นอันว่าฝ่ายเราถูกตลอดมาพี่โล่งใจมาก อยู่ๆแต่ออสก็ถามต่อันขึ้นว่าพี่อันนึกว่าในหลวงท่านจะไม่ทรงยอมเหรอก็ไม่แน่ในตอนแรกใครจะไปรู้อืมแปลกเราคิดไว้แต่แรกว่าท่านไม่ทรงขัดข้องอย่างแน่นอนทําไมออสตาอันถามแล้วก็ตักข้าวใส่ปากก็พี่อันพูดเองว่าคนที่มีการศึกษานั้นจะต้องเข้าใจแล้วก็พอใจพี่อันก็รู้ดี ว่าในหลวงท่านก็ทรงเป็นคนมีการศึกษาและดูเหมือนว่าจะทรงมีการศึกษาดีกว่าคนอย่างเราๆซะอีกแต่อันกรมนาไม่ตอบกินข้าวเงียบๆไปอีกสักครู่ใหญ่ก่อนจะพูดขึ้นว่าอ๋อพี่อยากจะเตือนอะไรสักหน่อยเพราะเราก็เป็นพี่น้องกันเตือนว่าอะไรพี่อันพี่อยากจะเตือนว่าต่อไปนี้ ว่าจะพูดจะจาอะไรก็ขอให้ระวังปากระวังคอบ้างจะพูดอะไรตามใจตัวอย่างแต่ก่อนไม่ได้พี่ไม่อยากให้อ๊อสต้องลําบากแล้วกันพี่อั้นอ๊อสก็อยากจะเตือนพี่อั้นเหมือนกันเตือนมาเถิด อ, อ๊อสพี่ยินดีรับฟังเสมออ๊อส อ, อยากจะเตือนพี่อั้นว่าพี่อั้นควรจะระวังอย่าพูดอย่างนี้ให้ใครได้ยินอีกคนเขาจะหมดความเลื่อมใสทําไม อ้าวก็เราเปลี่ยนการปกครองสมัยเก่ามาเป็นด e ม o คราซีภาษาไทยจะเรียกกันว่าอะไรออดก็ยังไม่รู้แต่การปกครองแบบใหม่นี้เคารับรองฟรีดอมออฟสปีชเสรีภาพในการพูดหรืออะไรนั่นหละสมัยก่อนใครพูดไม่ดีท่านเอามาพร้าวห้าวยัดปากสมัยนี้อยางจะททำอย่างนั้นอีกหรือถ้าเปลี่ยนกันมาทั้งที ยังจะไปเที่ยวเตือนไม่ให้พูดได้ตามใจอย่างแต่ก่อนก็เสียหลักกันหมดกลายเป็นขัดคอตัวเองจะดีหรือพี่อัน้นปรากฏว่าแทนที่ตะอั้นจะโกรธกลับหัวเราะอย่างอารมณ์ดีอ๋อเดี๋ยวพึ่งใจเร็วเกินไปของทุกอย่างจะต้องมาเองตามลําดับแล้วก็โดยเร็วที่สุดแต่อ๋อเดี๋ยลืมว่าเราเพิ่งจะเปลี่ยนมาได้อย่างไม่ถึงสามวันดียังอยู่ในระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อก็ต้องระวังกันไปก่อนเป็นธรรมดา ในขณะที่สองพี่น้องคุยกันพลอยนั่งฟังอยู่ที่หัวโต๊ะเกือบจะไม่รู้เลยว่าลูกสองคนเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันใจนั้นนึกแต่อย่างเดียวว่าตาอั้นกลับมาแล้วโดยปกติสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้ควรแก่การยินดีมากกว่าอย่างอื่นตาอั้นจะได้ไปทำอะไรมาแล้วก็ช่างตาอั้นกับตาออสจะพูดกันด้วยเรื่องอะไรก็ช่างแต่ถ้าพลอยไม่รีบห้ามซะ สองคนนี้ก็อาจจะต้องเถียงกันและในที่สุดอาจจะกลายเป็นเรื่องบาดหมางแทนที่จะเป็นเรื่องดีใจเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสองคนพี่น้องนี่คุยกันที่ไรต้องทะเลาะกันทุกทีเปลี่ยนคุยกันเรื่องอื่นเถอะตาอัอ้นและตะออสหัวเราะขึ้นมาพร้อมๆกันขอโทษเถิดพี่อันอ้นออสก็หนักเสรีภาพไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกออสพี่ดีใจที่ออสสนใจต่อไป จะได้ช่วยกันทำงานต่อไปนี้ทุกคนจะมีโอกาสทำงานให้บ้านเมืองได้เต็มที่ไม่ถือว่าใครเป็นลูกท่านหลานเธออีกต่อไปยิ่งคนที่มีการศึกษาอย่างออสเราต้องยิ่งต้องการมากออสลองคิดดูให้ดีๆถ้าเผื่ออยากเข้าทำงานที่ไหนพี่ก็พอจะมีหนทางฝากฝัง ก, กับเพื่อนฝูงหรือผู้ใหญ่ได้พลอยรีบมองดูแต่ออ เป็นเชิงห้ามให้ระงับปากระงับคำไม่ให้โต้ตอบแต่อ้อยก็รู้ใจไม่โต้ตอบก้มหน้าก้มตากินข้าวต่อไปคืนนั้นตะอั้นกินข้าวเหมือนกับคนหิวระหว่างกินก็ไม่ได้พูดเรื่องราวอะไรมากเท่าไหรนะ่นักพลอยเองก็ยังไม่อยากถามอะไรตะอั้นมากนะักเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นพอใจแต่เพียงเห็นตะอั้นกลับบ้านโดยไม่มีอันตรายและไม่มีคดีใดๆติดตัว พลอยก็ยินดีตามประสาะแม่ลูกปลอดภัยลูกกลับบ้านแค่นี้แม่ก็เป็นสุขแล้วแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อพลอยเห็นว่าได้เวลาอันสมควรพลอยก็ถามแต่อันขึ้นเองว่าอันอันยังไม่ได้เล่าให้แม่ฟังเลยว่าวันที่เกิดเหตุนั้นอันหายไปไหนและไปทำอะไรมาบ้าง ตาอั้นตอบว่าผมไม่ได้ทำอะไรมากหรอกคุณแม่เคราะดีที่ทุกอย่างเรียบร้อยแต่ตอนแรกก็ต้องคอยระวังกันอยู่พลอยก็เลยถามต่อว่าอั้นรู้เรื่องกับเขามาตั้งแต่แรกเหรอเมื่อพลอยถามตรงๆตา อ, อั้นถึงกับหลบสายตาแล้วก็ตอบอ้อมแอม จะว่ารู้ก็รู้แต่ผมก็ไม่ใช่คนต้นคิดต้นอ่านอะไรหรอกครับวันนั้นก็มีผู้ใหญ่ที่ผมนับถือท่านเรียกผมไปใช้ผมจริงได้ไปมิฉะนั้นผมก็คงไม่เกี่ยวพลอยรู้ดีว่าลูกชายคงจะอายที่ได้เคยปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องถึงกับทําท่าว่าจะสะบดสบานเรื่องมันแล้วก็แล้วไปแม่ก็โล่งใจที่เรียบร้อยไปได้ไม่มีอะไรมาก แต่แม่อยากจะเตือนอะไรสักหน่อยถึงอันไม่อยากจะบอกแม่อันก็ไม่ควรกลับจะต้องสาบานเคราะดีที่วันนั้นแม่ห้ามไว้ทันต่อไปขออย่าทําอีกผิดพลาดจะไม่เป็นสิริมงคลกับตัวคุณแม่ยังเห็นผมคิดกระโดอยู่อีกหรือเปล่าแม่เองก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรคุณแม่คุณแม่ฟังผมพูดให้ดีๆ ถึงแม้ว่าจะได้สาบานต่อคุณแม่ไปจริงผมก็ยังไม่เห็นว่าจะผิดคำสัตย์ที่ตรงไหนผมไม่ถือว่าการกระทำทั้งหมดนี้เป็นกระบทเพราะคนที่คิดการนั้นเจตนานดีต่อบ้านเมืองอยากจะให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนเขาอื่นจึงได้ทำไปผมเชื่อว่าคนที่ทำไปนั้นต่างก็จงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับค น, นอื่นๆ คนที่เป็นชั้นหัวหน้านั้นส่วนมากก็เคยได้รับพระมหากรุณามาทั้งนั้นบางคนก็มีเจ้านายชุบเลี้ยงมาหลายชั่วคนถ้าจะว่าไปท่านเหล่านั้นก็คงจะอรึกถึงพระเดชพระคุณเช่นเดียวกับเราแล้วก็ตระกูลของเราแต่เมื่อมีหน้าที่ต่อบ้านเมืองบังคับอยู่ก็จําใจต้องทําไปถึงจะกระทบกระเทือนและก็ฝืนความรู้สึกอยู่บ้านก็ต้องทํา ถ้าหากว่าเป็นกบฏจริงก็คงจะคิดทำอันต ร, รายต่อองค์พระเจ้าอยู่หัวและทาร้ายเจ้านายในพระราชวงศ์แต่นี่ก็เปล่ายังคงยกย่องอยู่อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ขอพระราชทานธรรมนูนการปกครองแผ่นดินให้เหมือนประเทศอื่นที่จเจริญแล้วเท่านั้นเมื่อพระราชทานแล้วทุกคนก็พอใจยิ่งเพิ่มความจงรักภักดีขึ้นไปอีกทาอย่างนี้ผมไม่เรียกว่ากบฏ ผมจึงกล้าสาบานต่อคุณแม่และได้ขอพอรคุณแม่ไว้ด้วยว่าถ้าผมจะทำการใดเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองก็ขอให้ผมมีแต่ความเจริญต่อไปคุณแม่ก็ให้พรผมแล้วแต่แม่ได้เห็นประกาศในวันแรกประกาศวันนั้นแม่เห็นว่าไม่จริงและก็ดูรุนแรงเหลือเกินผมก็เห็นว่าอย่างนั้นเหมือนกันใจจริงผมก็ไม่ชอบ แต่ก็จะทำยังไงได้เมื่อคิดการใหญ่ถึงเพียงนั้นก็จำต้องทำให้คนเห็นด้วยแต่แรกต้องทำให้เห็นว่ามีเหตุผมก็ยอมรับว่าผิดพลาดไปจริงแต่ก็เข้าใจว่าคงจะได้มีการขอพระราชทานอาภัยโทษถ้าทำผิดไปแล้วยอมรับก็น่าจะให้อภัยกันได้และต่อไปนี้ผมอยากจะขออะไรคุณแม่สักอย่างได้สิลูก อันอยากได้อะไรพรอยรีบตอบทันทีเพราะดีใจที่ได้เปลี่ยนเรื่องพูดถ้าคุณแ่่จะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นขออย่าเรียกว่ากบฏฟังดูแลสแลงหูสแลงใจนกะคนอื่นเขาได้ยินเข้าเขาก็คงไม่ชอบแล้วอันจะให้แม่เรียกว่าอะไรเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองแม้ยาวจริงอัน แม่จะจำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าอยากจะให้เรียกสั้นๆก็เรียกว่าปฏิวัติแต่อันตอบสั้นๆแล้วก็เปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นในระหว่างที่เหตุการณ์ยังไม่เรียบร้อยนั้นพลอยไม่ได้พบช้อยเลยแต่ต่อมาช้อยก็ออกจากวังมหาเช่นเคยและเมื่อได้พบกันช้อยก็บอกว่า วันนั้นฉันตกใจแทบตายนะแม่พลอยชอยก็ทําเป็นขวัญอ่อนไปได้ฉันไม่เห็นมีเรื่องจะตกอกตกใจอะไรเลยเราก็อยู่ของเราเฉยๆใครเขาจะมาทําอะไรเราเอ้าก็ไม่พลอยอยู่ที่บ้านจะเป็นอะไรไปฉันมันเป็นคุณข้างในอยู่ในวงังพอเกิดเรื่องเข้าเขาก็ปิดประตูวางตายทีเดียวไม่เปิดไปตั้งสองวัน ดูเป็นเรื่องใหญ่โตหน้าะหรกตกใจเสียจริงๆแต่ที่เขาขวัญอ่อนกว่าฉันเขาก็ดัดจริตดีดดิ้นกันไปต่างๆทำเอาฉันน่ขวัญเสียไปหมดเอาเถอะเดี๋ยวนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วสิ้นเคราะห์ไปทีจะเรียบร้อยจริงๆหรือพลอยฉันได้ยินอะไรแปลกๆอยู่นะเพราะฉันรู้จักคนมากแต่ก็ว่าเถอะแม่พลอยนี่ ช่างมีบุญไม่ตกไม่ถอยเสียเลยดีทุกสมัยหน้าชมจริงทีเดียวฉันไม่เห็นจะจริงเลยช้อยเอาอะไรมาพูดบุญวาสนาอะไรกันอา้าวจริงๆนะแม่พลอยฉันจะบอกให้เมื่อแม่พลอยยังเด็กจนโตเป็นสาวหน้าตาก็ดีเจ้านายก็โปรดปรานใครๆก็รักจนมีชื่อเสียงโด่งดังว่าเป็นคนสวยคนดีพอมีเรือน แม่พลอยก็ได้ผัวเศรษฐีแล้วก็มามีบุญได้เป็นถึงพระน้ำพระยาเป็นใหญ่เป็นโตต่อกันมาถึงสองแผ่นดินพอถึงแผ่นดินนี้ก็มาดีที่ลูกทำไมดีที่ลูกคนไหนกันชอยอ่ะก็ฉันได้ยินเขาว่ากันว่าพ่ออันเป็นผู้ก่อการไม่ใช่หรือเขาไม่เคยบอกฉันว่าเขาเป็นผู้ก่อกิอกจก่อการอะไรสักที อยู่แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ได้ติบได้ดีอะไรกับเขาหรอกฉันว่านะพออั้นนี่จะต้องเป็นผู้มีบุญสักวันหนึ่งแม่พลอยไม่ต้องกลัวหรอกชอยผูดสรุปความไปตามความเห็นของตนและพลอยก็สังเกตเห็นว่าชอยนั้นดูเหมือนจะเริ่มเห็นตาอั้นเป็นผู้มีบุญบารมีไปจริงๆเพราะตั้งแต่นั้นมาเวลาชอยพบปะกับตาอัน้นก็มักจะสารวมเป็นพิเศษ ไม่พูดจาเล่นหัวเป็นกันเองอย่างป้าหลานเหมือนแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงของคนอื่นต่อตาอัน้นก็ใช่ว่าจะมีแต่แตช้อยคนเดียวคือคนอื่นๆเนี่ยก็เปลี่ยนท่าทีที่มีต่อตาอั้นด้วยเช่นหลวงโอสดและคุณเชยก็ไม่ห่วงใยเป็นเจ้าเข้าเจ้าของตาอั้นผู้เป็นหลานชายเหมือนแต่ก่อนพอเพิ่มและตาออสก็มักจะมีเรื่องซุบซิบคุยกันเบาๆอยู่เสมอแต่พอตาอั้นเดินเข้ามา ทั้งสองคนก็จะเปลี่ยนเรื่องพูดคนที่เปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งคือคุณอุ่นเพราะคุณอุ่นเริ่มแสดงกิริยาพี่น้องพี่เทาต่อตา อ, อ, อ, อั้นคล้ายๆกับที่เคยทําต่อคุณเปรมดูเหมือนว่าจะยิ่งไปกว่าด้วยซ้ําทําให้พลอยนึกรําคาญอยู่คลันคลันคนที่ไม่เปลี่ยนดูเหมือนจะมีแต่ประภัยซึ่งยังคงนับถือเลื่อมใสาตา อ, อั้นอย่างเคยไม่มีน้อยลงแล้วก็ไม่มากขึ้น เพราะจะมากไปอีกไม่ได้เสียแล้วด้วยว่าประภัยนั้นนับถือตะอั้นเสียจนสุดยอดคือไม่สามารถจะนับถือมากไปกว่านี้ได้อีกแล้วนะคะตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองตะอ้อนก็งเงียบหายไปมีได้เยี่ยมกลายมาเลยจนเวลาผ่านไปได้สองเดือนเศษตาอ้อน จึงได้กลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็บอกกับพลอยว่าจะอยู่บ้านสัก3ามสี่วันเป็นอย่างช้าที่สุดนับแต่วันแรกที่ตะอ้นมาอยู่บ้านพลอยก็รู้ทันทีว่าตาอ้นมีความเห็นเป็นปฏิปักษ์ต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นอย่างรุนแรงตอนที่นั่งกินข้าวกลางวันในวันแรกที่มาถึงตาอัานยังไม่กลับจากงานตาอ้นก็คุยกับตาออด พี่เสีได้เหลือเกินออสที่วันนั้นพี่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพพี่อ้นจะทำไมถ้าพี่อยู่เป็นได้เห็นกันพี่ไม่ยอมแน่แน่พี่เป็นนายทหารถือนา้าพิพัสน์สัตยามาแล้วถึงอย่างไรก็ต้องเห็นดีก็ไปข้างหนึ่งพี่อ้นคนเดียวจะไปทำอะไรเขาได้คนอื่นเขาเห็นดีทางนั้นเป็นกายเป็นกองแต่ออสทวงเึินหน้า ถ้ามีคนจริงเปิดเผยออกมาในวันนั้นสักคนหนึ่งพี่ก็เชื่อว่าจะมีคนตามมากอยู่เหมือนกันพี่คนหนึ่งละที่ไม่ยอมเสียน้ำสาบานที่ถวายในหลวงไว้เป็นตายอย่างไรก็จะต้องสู้กันพักหนึ่งไม่ให้เสียชื่อว่าปล่อยให้เขาทำได้ข้างเดียวไม่มีใครคิดสู้เลยก็ในหลวงท่านทรงยอมเรียบร้อยไปแล้วพี่อ้นจะคิดมากไปทาไม ท่านยอมด้วยสมัครพระไทยหรือเปล่าเล่าพี่ว่าท่านสงสารราษฎรของท่านไม่อยากให้ต้องรบพุ่งฆ่าฟันกันมากกว่าท่านเป็นในหลวงท่านจะมีรับสั่งให้คนรบกันไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสู้เอาเองเพราะท่านว่าท่านทรงเห็นด้วยกับการปกครองแบบนี้นะพี่อน้นก็ไม่แน่นะพี่เห็นว่ายังไม่ถึงเวลา คืนวันนั้นเองตาอัน้นก็ได้พบกับตาอ้อนพบกันที่โต๊ะกินข้าว้อยสังเกตเห็นว่าตาอ้อนมีท่าทีแค้นเคืองต่อน้องชายจนออกนอกหน้าตาอั้นพูดด้วยตาอ้อนก็ทำเฉยเมยบางทีเสียไม่ได้ก็พูดแต่คำสองคำฝ่ายตาอั้นก็ไม่ได้ทันสังเกตถามตาอ้อนขึ้นว่า เออพี่อน้นนายทหารทางอายุธยาเขาว่าอย่างไรกันบ้างว่าอะไรเรื่องอะไรแต่อ้นถามเสียงคุณคุณก็เรื่องการปกครองที่เปลี่ยนมาเป็นอย่างทุกวันนี้ไงเราอยากรู้ว่าเขาเห็นดีกันด้วยมากไหมคนอื่นเขาจะนึกอย่างไรเราไม่รู้ด้วยเรารู้แต่ว่ามีนายทหารคนหนึ่งละที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างมาก คือตัวเราเองอ้าวทำไมล่ะพี่อ้นบอกเราบ้างสิจะบอกให้ก็ได้ง่ายนิดเดียวเราไม่เคยคิดกระบทแล้วก็ไม่ชอบคนที่คิดกระบทพี่อ้นว่าใครคิดกระบทคราวนี้ตอันถามอย่างเอาจริงใครก็แล้วแต่ที่มันผิดน้ำพิพัฒสัตยาถือเป็นกบททั้งนั้น จะเป็นพี่น้องสนิทกันเพียงไรก็ต้องถือว่าขาดกันก็ตามแต่ใจตาอัานพูดพลางลุกขึ้นยืนถ้าไม่อยากจะคบกันก็ตามใจเพราะถึงอย่างไรพี่อ้นก็ไม่ใช่ลูกคุณแม่เท่านั้นเองแต่อ้นลุกขึ้นยืนปัดถ้วยแก้วตกดังเปลืองกัดกรามแมน่นแล้วก็จ้องหน้าตาอัานเหมือนกับจะกินเลือดกินเนื้อ แต่ออดเพ่นตามเข้าไปยืนข้างๆจับแขนตอ่อ้นไว้ทั้งสองข้างตะอันอันพูดอย่างนี้ไม่ได้นะแม่ไม่ยอมขอโทษพี่เขาเดี๋ยวนี้ต่อันมองดูหน้าพรอยทีนึงดูหน้าตอ่อน้นแล้วก็ดูหน้าต่ออดตะออดขยิบตาด้วยเพื่อให้แต่อันตามใจแม่หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งต่อันก็บอกว่าเพื่อคุณแม่ ผมยอมขอโทษผมขอโทษเถิดพี่อ้นแต่อันพูดแล้วก็ปรีกตัวออกจากห้องไปทิ้งให้ตะอ้นยืนกัดกรามอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็มาซบหน้าลงบนตักของพลอยร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเครียดแค้นสุดขีดพลอยได้แต่นั่งตะลึงมองไปข้างหน้ามือหนึ่งลูบหัวตะอ้นเบาๆเป็นเชิงปลอบโยน เสียงคุณเพมพูดมาจากที่ไกลแสนไกลแววเข้าหูว่าลูกฉันเองแม่พลอยไ อ, อ้อ้นแม่พลอยอยากได้ฉันก็ยกให้ ว่าชีวิตของพลอยจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความทุกข์มาแล้วหลายครั้งหลายหนแต่พลอยก็ไม่เคยนึกฝันว่าจะต้องมาเห็นลูกๆทะเลาะกันแสดงอาการอาฆาตเคียดแค้นกันอย่างที่ได้เห็นในคืนวันนั้นพลอยรู้ดีว่าเรื่องที่ผิดพ้องหมองใจกันนั้น มีได้สิ้นสุดลงตามคำขอโทษของตาอ้นพรอยรู้ดีอีกว่าตาอ้นพูดจาด้วยถ้อยคำที่บาดใจน้องชายจนไม่สามารถจะให้อภัยกันได้ง่ายๆส่วนตาอ้นเองก็ได้ตอบโต้พี่ชายด้วยถ้อยคำที่รุนแรงกระทบมาถึงพรอยในข้อที่ว่า ไม่ใช่แม่ของตาอ้อนอันเป็นจุดอ่อนแอที่สุดของตาอ้อนที่ทำให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจไปจนวันตายพรอยนั่งลูกผัวตาอ้อนไปพรางก็คิดไปพรางไม่เข้าใจว่าทำไมตนจึงตกอยู่ในที่นั่งลำบากถึงเพียงนี้ จริงๆแล้วพลอยเห็นใจตะอั้นเป็นที่สุดเพราะได้ยินอยู่กับปู่ว่าตาอ้นเป็นคนพูดจาระรานน้องชายขึ้นก่อนแล้วก็เป็นคนพูดจาด้วยถ้อยคําที่พลอยรู้ว่าสแสลงหูตะอั้นเป็นที่สุดนะคะเพราะว่าตะอั้นเนี่ยถึงกับเคยขอร้องพลอยว่าอย่าใช้คําว่ากบฏดังนั้นการที่ตะอั้นโกรธตาอ้นก็เป็นสิ่งที่พลอยควรจะเห็นใจเพราะว่าตะอ้นเนี่ยได้รุกรานเอากับน้องก่อน จนที่สุดที่จะอดทนต่อไปแต่คำตอบของตาอั้นในตอนสุดท้ายที่บอกว่าตาอ้นไม่ใช่ลูกของพลอยก็ทำให้พลอยต้องกลับมาเห็นใจตาอ้นแล้วก็ทำให้พลอยเนี่ยต้องแสดงกิริยาอาการว่าสงสารแล้วก็เห็นใจตาอ้นต้องดุต้องขึ้นเสียงกับตาอัน้นเพราะว่าถ้าพลอยไม่ได้ทำไปเช่นนั้น พลอยก็อาจจะต้องถูกตะอ้นและคนอื่นตำหนิว่าไม่เป็นธรรมดีจะถือหางลูกในไส้ของตนและที่ร้ายที่สุดก็คือตัวพลอยเองก็จะตำหนิตนเองในทำนองเดียวกันตั้งแต่พลอยรับตะอ้นจากมือคุณเพรมมาในวันที่แรกพบความสัมพันธ์ระหว่างพลอยกับตะอน้นก็อยู่ในฐานะแม่กับลูกแท้ๆไม่เคยรู้สึกเป็นอื่นเลยแต่คราวนี้ แต่อันได้ยกเอาความจริงที่ทุกคนได้พยายามปิดบังแต่แรกเริ่มขึ้นมาพูดแต่อันก็เท่ากับว่าบังคับมัดมือพลอยให้ต้องเข้ากับตาอ้นทันทีเพราะถ้าพลอยไม่ทําเช่นนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพลอยกับตาอ้นก็คงจะเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงและก็คงจะเป็นเช่นนั้นไปจนวันตายจากกันแต่ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอย่างสกิดพลอยอยู่ในหัวใจเป็นความรู้สึกที่เล้นลับ และพลอยก็ไม่กล้า ย, ยอมรับกับตัวเองความรู้สึกนั้นคือความเห็นใจที่พลอยมีต่อตะอน้นในความคิดเห็นอันรุนแรงเร่าร้อนไปด้วยความซื่อสัตย์กรตัญญูคิดถึงผู้มีพระคุณคิดถึงคำศัตท์สาบานพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อความซื่อสัตย์กรตัญญูของตนความรู้สึกเช่นนี้มีอยู่ในตัวพลอยโดยสมบูรณ์เพราะการอบรมและสติที่ถูกพร่ำสอนมาตั้งแต่ปางบัน มิรู้กี่ชั่วคนยังฝังแน่นอยู่ในหัวใจเหมือนกับได้ถูกตรึงเอาไว้ด้วยตะปูเหล็กดอกใหญ่ถ้าตาอ้นพูดจาาแสดงความรู้สึกเช่นนี้ต่อคนอื่นมิใช่ตาอัน้นซึ่งเป็นลูกในไส้ของพลอยพลอยก็คงจะมีแต่จะยิ่งรักยิ่งนิยมแล้วก็นับถือน้ำใจอันห้าวหาญของตาอ้นยิ่งไปกว่าเดิมแต่เมื่อมองอีกทางหนึง่งก็ลูกในไส้ มองอีกทางหนึ่งก็ลูกเลี้ยงซึ่งพลอยจำเป็นจะต้องรักเท่าลูกในใส่เพื่อรักษาดุลยภาพในใจของตนไว้พลอยได้แต่ทอดถอนใจแล้วก็นั่งตะลึงไม่รู้ที่จะออกปากพูดจาว่าอะไรได้ แต่อ้นเอาหน้าซบกับตักแล้วก็ร้องไห้เสอือกสือื่นคุณแม่คุณแม่คุณแม่เป็นแม่ของผมคนเดียวผมไม่มีที่ไหนอีกถูกแล้วอ้นลูกแม่แม่มีอ้นเป็นลูกคนแรกแม่ไม่เคยรักใครมาก่อนมากกว่าอ้านไปเลยอ้นรักแม่ อ้นอยาไปถือน้องคนเรามีปากคํากันอารามโมโหนึกจะพูดอะไรก็พูดออกมาไม่ทันยั้งคิดน้องยังเด็กกว่าอ้านถ้าเห็นกับแม่ก็ขอให้ยกให้น้องเสียเถ่ิดแต่อ้นลงกราบพลอยกับตักแล้วก็เดินหายเข้าห้องไปไม่พูดจาว่ากะไรแต่ออสยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าว พลอยก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมสายตาทอดเหมอมองออกไปข้างหน้าอีกครู่หนึ่งตาออสก็เข้ามาคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเอามือโอบผูวเข่าพลอยไว้แล้วก็บอกว่าทุนหัวของลูกตั้งแต่นี้ไปแม่จะต้องทำใจให้แข็งไว้เสมอปล่อยให้ใจอ่อนไม่ได้เป็นอันขาดทำไมเหรอออส เพราะว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวของเราก็ดีเกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ก็ดีจะมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักเข้ามาแทรกแซงทาให้เกิดปัญหาเกิดความผิดพ้องมองใจถ้าคนใจไม่แข็งก็คงจะอยู่ไม่ได้แต่ออสตอบช้าๆเหมือนกับจะพยายามอธิบายให้พลอยเข้าใจแต่พลอยก็ยังไม่เข้าใจแม้ไม่เข้าใจออส อะไรจะมาแทรกแซงอะไรจะทำให้ต้องผิดพ้องหมองใจกันแม้แต่ในครอบครัวเราซึ่งเคยแต่รักกันการเมืองแต่ออตอบแล้วก็เอามืออันเย็นเฉียบของพลอยไปท่าไว้ที่แก้มของตนแม่ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยจริงๆเรามีอยู่ด้วยกันไม่กี่คน อ, อนอัน้ออนออสประภัย สี่คนเท่านั้นพี่น้องกันรักกันมาตลอดแล้วอยู่ๆก็มีอะไรเข้ามาทำให้ต้องแตกแยกถึงกับต้องโกรธกันอย่างเมื่อกี้ออสบอกแม่ว่ามีของใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องออสเรียกว่าการเมืองอะไรกันการเมืองแม่ไม่รู้จักออต้องช่วยสอนแม่บ้างแม่แก่เต็มทีออสแก่เกินไป ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันที่ไหนออดต้องคอยบอกแม่แม่จะได้ทำตัวให้ถูกแล้วให้แม่ฟังทีเถอะว่าการเมืองเป็นยังไงเขาทำกันยังไงพูดยากเหลือเกินทุนหัวของลูกลูกก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรถูกเหมือนกันแต่ก่อนนี้เมืองไทยเราไม่มีการเมืองทุกคน ก็ได้แต่ตั้งหน้าทำงานโดยเฉพาะของตนใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปความคิดความเห็นที่จะมีก็มีแต่เพียงในกรอบของการงานอย่างพี่อ้นนั้นแต่ก่อนถ้าจะนึกอะไรก็นึกถึงเรื่องทหารพี่อั้นก็นึกถึงเรื่องกฎหมายทั้งสองคนไม่มีวันจะขาดกันได้เพราะทางที่จะใช้ความคิดเห็นนั้นไปคนละแนวกันแต่เดี๋ยวนี้ ทังพี่อ้นและพี่อัน้นมีทางที่จะใช้ความคิดเห็นกว้างขวางแต่ก่อนมากคือใช้ความเห็นเกี่ยวกับการเมืองได้มือทั้งสองคนใช้ความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันไม่ใช่คนละแนวอย่างแต่ก่อนถ้าความคิดนั้นตรงกันก็ดีไปถ้าไม่ตรงกันก็เกิดเรื่องอย่างที่แม่ได้เห็นแล้วถ้าจะให้ลูกบอกให้รวบรัฐว่าการเมืองคืออะไรลูกก็บอกไม่ถูก เพราะการเมืองเป็นของกว้างขวางเกินกว่าที่ลูกจะรวบรัดให้เข้ามาอยู่ในขอบของถ้อยคําเพียงสองสาคคำได้ลูกบอกได้แต่ว่าถ้าจะพูดในทางที่ดีการเมืองก็ทำให้คนได้มีความคิดความเห็นกว้างขวางให้คนได้มีจิตใจสูงมีความมานะบากบัน่นอดทนต่อความทุกข์และก็เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อไปใหถึงจุดหมายปลายทาง ที่ตนเห็นว่าถูกการเมืองทำให้คนได้พอใจว่าตนได้เกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดทำให้รู้สึกว่าตนได้เกิดมาเป็นคนโดยสมบูรณ์เป็นนายตัวเองบังคับตัวเองไม่มีเจ้านายอื่นมาคอยบังคับมองทางด้านดีการเมืองก็เป็นของดีนักหนาแต่ถ้าจะมองทางแง่ร้ายการเมืองก็น่ากลัวอยู่เพราะการเมืองทาให้คนต้องรบราฆ่าฟันกัน ทำให้พ่อทะเลาะกับลูกผัววิวาทกับเมียพี่ทะเลาะกับน้องการเมืองทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างคนกับคนแล้วก็อาจจะทำให้เกิดบาดหมางอาฆาตพยาบาทกันไปตลอดชีวิตบางเวลาการเมืองก็หามตรได้มากแต่บางครั้งการเมืองก็ทำให้เราต้องเสียมีดไปจนหมดตลอดจนทำให้ต้องเสียทรัพย์สมบัติติดคุกติดตารางแล้วก็เสียแม้แต่ชีวิตก็เมื่อรู้อยู่ว่าไม่ดี แล้วเข้าไปหามาใส่บ้านใส่เมืองทำไมพรอยถามอย่างสงสัยถึงคราวที่จะมามันก็มาของมันเองไม่มีใครหาแล้วก็ไม่มีใครห้ามได้บ้านเมืองก็เหมือนกับคนที่ต้องเติบโตเปลี่ยนแปลงไปถ้าการเมืองไม่มาถึงวันนี้ก็จะต้องมาถึงในวันอื่นจงได้ลูกเป็นห่วงอยู่แต่ว่าในระยะที่มาถึงใหม่ๆนี้ ก็คงจะต้องพากันลำบากไปเสียหลายคนเท่านั้นเองแล้วทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นล่ะออสแม่จำได้ไหมครั้งหนึ่งเมื่อลูกยังเด็กๆลูกเคยเรียกให้แม่ไปดูที่บ่อน้ำข้างบ้านเราเพราะวันนั้นปลาผุดขึ้นมาเต็มบ่อแม่บอกให้ลูกฟังว่าเพราะปลามันได้น้ำใหม่มันก็เลยผุดขึ้นมาด้วยความกรเริงแต่อีกประเดียวเดียว ก็มีคนเอาแหเอาสวิงมาทอดมาช้อนเอาไปกินเสียต้องหลายตัวเรื่องที่ลูกยังจะได้นั้นจะเปรียบกับเรื่องที่กำลังเกิดอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้การเมืองมาถึงใหม่ก็เหมือนกับน้ำใหม่จะต้องมีคนจานวนมากที่หลงละเริงไปไม่ทันระวังตัวเหมือนกับปลาได้น้ำใหม่ใครเผลอตัวก็จะเป็นอันตรายเช่นเดียวกับปลาอนเขาก็เคยบอกแม่เหมือนกัน ว่าตอนนี้ต้องระวังตัวเพราะยังอยู่ในเวลาที่เขาเรียกกันว่าหัวเลี้ยวหัวต่อพี่อันพูดถูกแต่ลูกยังหนักใจอยู่อย่างเดียวอะไรละ่ะเรื่องหัวเลี้ยวหัวต่อของพี่อันนั่นเองลูกยังนึกไม่ออกว่ามันจะนานแค่ไหนจะเป็นอีกกี่สิบกี่ร้อยปีก็ไม่รู้ลูกไม่รู้ว่าเมื่อไรที่เราจะพ้นจากหัวเลี้ยว แล้วก็เข้าเดินทางตรงกันได้ลูกรู้แต่ว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในหัวเลี้ยวคนก็จะต้องพลาดจากทางกันเสียหนักตอนหนักใครจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะแม่เป็นห่วงแต่ลูกของแม่เท่านั้นเองลูกก็เป็นห่วงแต่คุณแม่คนเดียวคุณแม่ต้องทำใจให้เข้มแข็งถ้าคุณแม่ทำใจแข็งไว้ได้แล้วบางทีลูกๆของคุณแม่ก็จะไม่เป็นอะไรเลย นี่คือการสนทนาซึ่งดูเหมือนว่าพลอยก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรนักนะคะรู้แต่ว่าเป็นห่วงลูกและการเมืองเนี่ยมาทําให้ลูกของพลอยทะเลาะกันไม่ได้รักกันเหมือนก่อนรุ่งขึ้นอีกวันตาอ้นก็มาลากลับไปบ้านนอกเพื่อไปจํากรมกองทหารของตนต่อไปพลอยมองดูหน้าตาอ้นในวันรุ่งขึ้นก็เห็นว่าร่วงโรยไปถนาด เข้าใจว่าบางทีตาอ้อนอาจจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนพลอยก็ไม่รู้ว่าจะพูดจา ก, กับตาอ้อนอย่างไรอีกต่อไปเพราะใจจริงก็ไม่อยากรื้อฟื้นเอาเรื่องที่เพิ่งผ่านไปขึ้นมาพูดตาอ้อนก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเมื่อปราศัยกันคนละคำสองคำอย่างที่เคยทามาตาอ้อนก็ลาจากไปพอตาอ้อนลงจากเรือนไปแล้วพลอยก็นึกสังหรณ์ใจว่าบางทีจะไม่ได้พบกับตะอ้อนอีกนาะ พลอยก็พยายามผลักความรู้สึกนั้นไปให้พ้นตัวเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในระยะเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆนั้นพลอยเริ่มสังเกตเห็นความห่างเหินที่เกิดขึ้นในครอบครวบัวระหว่างตาอ๊อสกับพ่อเพิ่มฝ่ายหนึ่งและตาอั้นอีกฝ่ายหนึ่งพอเพิ่มเดี๋ ynn ี้ดูจะมีเรื่องพูดเรื่องคุยมากกว่าก่อนแต่พ่อเพิ่ม จะไม่คุยกับพลอยยืดยาวคนที่พ่อเพิ่มคุยด้วยมากที่สุดก็คือตะออดและคุยด้วยเป็นเวลานานๆคุยกันด้วยน้ำเสียงที่เบาเกือบเป็นกระซิบในเวลาที่ตะอั้นอยู่พ่อเพิ่มกับตะออดก็จะพูดจากันด้วยเรื่องอื่นๆเป็นปกติตะอั้นก็ดูเหมือนจะสังเกตอาการกิริยาของพ่อเพิ่มที่แปลกไปและก็มองดูอยู่ด้วยความราคาญ วันหนึ่งตาอั้นคงจะอดรนทนไม่ไหวก็ถามตาออสขึ้นต่อหน้าปล่อยว่าออสคุณลุงหลวงชอบมาคุยเรื่องอะไรเห็นซุบซิบกันอยู่เสมอตาออสหัวเราะจะไปมีเรื่องอะไรเล่าพี่อัน้นก็เรื่องที่คนทั้งเมืองไทยเขาชอบซุบซิบคุยกันอยู่ทุกวันนี้เท่านั้นเอง เรื่องอะไรกันแน่ก็เรื่องการบ้านการเมืองเดี๋ยวก็มีข่าวว่าจะจับคนโน้นจะฆ่าคนนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องว่าคนนั้นคนนี้จะรบกันออด ก, ก็ฟังฟังไปอย่างนั้นเองเพราะเห็นสนุกดีข่าวอากุศลข่าวอะไรนะข่าวอากุศลเรื่องโกหกทั้งเพย ด, ดีจริงพี่อัน้นข่าวอากุศลใครช่างคิดสับฟังถูกขูดีแท้ทีเดียวออสจะต้องจำไว้บอกคุณลุงบ้างออสก็ไม่รู้จักโตเป็นผู้ใหญ่สักทีเวลานี้กำลังมีเรื่องยุ่งยุ่ออสก็เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ออสควรจะถ่วยเตือนคุณลุงให้เบาๆปากคอซะบ้างไม่อย่างนั้นจะลำบากทีหลังแต่ออสยังคงหัวเราะอยู่นะคะ แต่บอกว่าอ้อยก็เคยเตือนมาแล้วแต่คุณลุงไม่ฟังพี่อั้นบอกอย่างนี้ก็จะเตือนให้อีกทีหนึ่งแต่ไม่กล้ารับรองอะไรทั้งนั้นเพราะตั้งแต่เป็นประชาธิปไตยมีเสรีภาพกันมานี่คุณลุงบอกว่าเลิกเล่นหมดแล้วทั้งนกเขาไม้ดัดแล้วก็บอลโกรนอะไรต่อมีอะไรที่เคยเล่นมาก่อนเพราะว่ามีของเล่นใหม่คราวนี้พลอยเป็นคนถามเล่นอะไรออ พลอยถามเพราะคุ้นเคยกับของเล่นต่างๆของพ่อเพิ่มดีเมื่อได้ยินว่าพ่อเพิ่มได้ของเล่นใหม่พลอยก็เลยอยากจะรู้คุณลุงบอกว่าเล่นการเมืองต่ออดพูดแล้วก็หัวเราะด้วยความขบขันอันนี้จังทุกขัง พรอยร้องขึ้นพร้อมๆกันนะคะแล้วก็พูดเป็นทำนองแก้แทนพี่ชายว่าแต่คุณลุงไม่เคยพูดเรื่องการบ้านการเมืองกับแม่เลยนะออเอาที่หน่อยมาพูดคุณลุงบอกว่าคุยกับคุณแม่เรื่องการเมืองไม่สนุกสู้คุยกับออสไม่ได้ระวังหน่อยเถอะนาออสโตโต้ได้กันแล้วจะพูดจะจาอะไรก็ควรจะเข้าใจสำหรับตัวเรารับรองได้แต่คุณลุงนี่ ไม่กล้ารับรองเพราะตั้งแต่รู้จักกันมาเราไม่เคยเห็นคุณลุงสนุกอะไรเท่าคราวนี้เลยเพราะเพิ่มนะั้นสนุกมากนะคะเลิกเล่นอย่างอื่นหันมาเล่นการเมืองแทนต้องบอกว่าหม่อมประชุมคือกริชปราโมชผู้ประพันนี้ขคมกริชเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับมุมมองนี้นั่นสิเล่นอะไรมันจะสนุกเท่ากับเล่นการเมืองนะคะ คำเตือนของตาอั้นก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลเพราะว่าพ่อเพิ่มดูระมัดระวังการพูดจา ม, มากกว่าแต่ก่อนถึงแม้ว่าพ่อเพิ่มจะเข้าไปชวนตาออสพูดจาซุบซิบตาออสก็ไม่เล่นด้วยวันคืนล่วงไปพลอยรู้สึกตัวเหมือนกับว่าเหตุการณ์ในบ้านเมืองขณะนั้นตึงเครียดจนจะขาดคำว่าเสรีภาพและปฏิวัติหนาหูขึ้นทุกที แต่ออดมาเล่าให้ฟังว่านักเรียนปฏิวัติกับครูสิทธิวัฒนปฏิวัติกับพระพลได้ยินก็ได้แต่รูปอกแต่คนคนหนึ่งที่ยังสนุกสนานรื่นเริงกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ก็คือชอยนี่หมู่นี้ฉันเสียดายที่เกิดมาเร็วเกินไปทําไมหรือชอยหรือว่าจะเรื่องราวทุกวันนี้เกิดขึ้นช้าไปก็ได้ ฉันยิ่งไม่เข้าใจใหญ่ว่าชอยพูดเรื่องอะไรกันอา้าวพรอยก็ถ้าสมัยเรายังเป็นสาวๆมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นฉันก็คงจะได้ปฏิวัติสนุกมือไปทีเดียวแล้วชอยจะไปปฏิวัติกับใครก็คุณอาสายคนหนึ่งละ่ะแล้วก็ยังมีคุณเท่าแก่เท้านางอีกเป็นไก่เป็นกองหน้าปฏิวัติออกปกติแล้วพรอยเนี่ย เคยขบขันในคำพูดที่ตลกขนองของชอยแต่คราวนี้ขำไม่ออกเพราะว่าคำว่าปฏิวัติหรือว่าเปลี่ยนแปลงนั้นได้ยินเข้าหูอยู่ทุกวันจนออกจะเบื่อนี่เป็นครั้งแรกที่พลอยรู้สึกว่าแก่เกินไปเกินไปกว่าที่จะพูดจารเล่นหัวแบบนี้เสียแล้วระหว่างนั้นพลอยคิดถึงตะอ้วนอยู่เสมอ เพราะว่าตาอ้นหายไปจากบ้านนานกว่าปกติและก็ไม่ได้ส่งข่าวคราวมาให้ทราบเลยถามคนที่รู้จักก็ได้ข่าวแต่เพียงว่าตาอ้นสุขสบายดีไม่มีรายละเอียดอย่างอื่นที่จะให้กับพลอยได้พลอยได้แต่นั่งนึกอยู่ว่าตาอ้นคงจะโกรธตาอัน้นตั้งแต่คืนวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ก็เลยยังไม่กลับบ้านแต่พลอยก็มั่นใจว่า คงจะหายโกรธเข้าสักวันเมื่อเวลาล่วงเลยไปนานพอสมควรทุกสิ่งทุกอย่าง ก, ก็คงจะเรียบร้อยไปเองแต่แล้ววันหนึ่งในตอนเช้าของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2476ต่อั้นกลับมาจากที่ทำงานตั้งแต่ยังไม่เที่ยงพอมาถึงบ้านต่อั้นก็ตรงเข้ามาหาพลอยถึงในห้องแล้วก็พูดกับพลอย ด้วยน้ำเสียงที่พลอยรู้ดีว่าพยายามที่จะข่มให้เป็นปกติจากความตื่นเต้นคุณแม่ครับผมจะบอกอะไรให้แต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นตกใจไปบอกมาเถอะอัน้นแม่เกือบจะตกใจไม่เป็นแล้วทุกวันนี้เกิดเรื่องอีกแล้วครับคุณแม่เรื่องอะไรอีกแล้ะลูกก็เรื่องยุ่งๆกันนั่นแหละ ผมสงสัยมานานแล้วว่าจะต้องมีแต่เพิ่งได้ข่าวเมื่อเช้านี้เองผมก็เลยรีบกลับมาบอกคุณแม่กรูวคุณแม่จะตกใจมากถ้าได้ยินจากปากคนอื่นเรื่องไม่มีอะไรหรอกครับแล้วก็คงจะเรียบร้อยกันได้เพราะยิ่งงงหนักแม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันตรงเล่าให้ละเอียดกว่านี้หน่อยแม่จะได้เข้าใจแต่อันก็เลยเล่า ว, ว่า มีข่าวมาเมื่อเช้านี้เองว่าทหารโคราชและทหารหัวเมืองทางเหนืออีกบางส่วนได้ยกเข้ามาตั้งอยู่ที่ดอนเมืองเวลานี้เขายึดดอนเมืองได้หมดแล้วแต่ยังไม่ยกเข้ามาในกรุงเทพเขายื่นคำขาดมายัางรัฐบาลให้จัดการแก้ไขการปกครองแผ่นดินใหม่แก้ไขไปอย่างไรกันอีกพรอยถามอย่างเหนื่อยๆไม่เข้าใจว่าแล้วมันจะมาเกี่ยวอะไรกับพรอยนะคะ ก็ให้แก้ไขไปจนถูกใจเขาแต่รัฐบาลเราไม่ยอมแน่ๆเพราะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายแต่ใช้อำนาจทหารหรือกำลังอาวุธมาบังคับกันนั้นไม่ได้และเมื่อไม่ยอมจะทำอย่างไรกันก็เห็นจะต้องสู้กันจนแพ้ชนะไปข้างหนึ่งพลอยก็ถามไปเรื่อยๆนะคะว่าแล้วจะสู้กันแค่ไหน ยังไงขณะเดียวกันพลอยก็เริ่มสงสัยว่าเอะดูเรื่องราวมันน่าจะรุนแรงกว่าที่นึกเอาไว้ตั้งแต่ต้นคือเรื่องมันยังไม่จบแต่อันก็บอกว่าก็คงจะต่างคนต่างสู้นะคะกำลังทหารในกรุงเทพเนี่ยก็ยังมีพอทหารหัวเมืองที่ยังเป็นฝ่ายรัฐบาลก็มีอยู่ไม่น้อย พรอยก็เลยตกใจว่าอันนี่อันหมายความว่าจะรบกันกลางเมืองหรือถ้าตกลงกันไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นครับผมไม่อยากเห็นคนไทยรบกันเองเลยคุณแม่พรอยเริ่มกังวลกังวลถึงบ้านช่องแล้วก็ผู้คนในบ้านและนี่เราจะทำยังไงกันดี ถ้ารบกันขึ้นมาจริงๆเราจะไปทางไหนกันคุณแม่อย่าวิตกในข้อนั้นผมรับเป็นธุระจะคอยดูแลไม่ให้ใครในบ้านนี้เป็นอันตรายได้แต่ไหนๆก็พูดกันแล้วผมก็เห็นว่าควรจะบอกคุณแม่ด้วยว่าคราวนี้ทหารอายุทยาก็อยู่ทางฝ่ายโน้นนี่แหละค่ะคือประเด็นพลอยฟังแล้วก็เหมือนมีอะไรมากระทบตัวอย่างแรง จนแทบจะทรงกายไว้ไม่อยู่นึกตำหนิตัวเองว่ามัวแต่ห่วงตัวห่วงบ้านจนลืมลูกอีกทั้งคนพรอยจะอ้าปากถามตาอั้นถึงตาอน้นแต่ก็พูดอะไรไม่ออกตาอน้นตาอั้นพยักหน้ารับคำก่อนจะบอกว่าผีโอนก็เอากับเขาด้วยเหมือนกันผมไม่อยากบอกคุณแม่เรื่องนี้เลย วัวจะต้องห่วงใหญ่มากแต่ถึงผมไม่บอกคุณแม่ก็จะต้องรู้เองโถ่อน้นพรอยรู้สึกคอแห้งผากเย็นเฉียบตามเนื้อตัวเป็นอันว่าตาอ้นและตาอั้นเวลานี้ถูกการเมืองเข้ามาแบ่งแยกให้อยู่คนละฝ่ายเพียงแต่ความคิดเห็นขัดกันถึงต้องทะเลาะวิวาทกันพรอยก็เห็นว่ารุนแรงอยู่แล้ว คราวนี้ต่างฝ่ายต่างกำลังจะเข้ารบราค่าฟันกันทำอันตรายกันพลอยรู้สึกว่าตนได้ใช้ชีวิตมานานเกินไปเสียแล้วจนได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าจะได้เห็นคือการที่ลูกของตนจะต้องรบกันเองโดยที่ตนไม่อยู่ในฐานะที่จะห้ามปรามหรือเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยผมก็รู้ว่าคุณแม่รักพี่อ้นมาก แต่จะทำอย่างไรได้เขาก็โตแล้วแล้วก็มีความคิดเป็นของเขาเองเมื่อเขาเห็นผิดเป็นชอบคุณแม่ก็ควรจะต้องตัดใจซะให้ขาดกรรมของใครก็ต้องตกแก่คนนั้นเราไปทําอะไรได้แต่อันพูดแค่นั้นแล้วก็ลุกเดินเบาๆหายไปแต่อันคงจะออกไปทํางานหรือไม่ก็ออกไปธุระข้างนอกแต่พลอย ยังคงนั่งอยู่กับที่อีกนานนั่งอยู่กับที่พร้อมด้วยความทุกข์หนักทุกถึงตอาอ้นป่านนี้ตาอ้นจะอยู่ที่ไหนจะนอนกลางดินกินกลางทรายอย่างไรอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่หลับที่นอนจะได้ใครคอยดูแล ยามมีทุกข์ร้อนหรือมีปัญหาอย่างใดเกิดขึ้นจะหันหน้าไปพูดจากับใครนี่คือความทุกข์อันหนักที่สุมอยู่ในหัวอกของพลอยต่อัานบอกอย่างไม่ใหญ่ดีว่า ต, ต่อ้นโตแล้วย่อมรู้ผิดรู้ชอบเมื่อต่อ้นจะเห็นผิดเป็นชอบ พลอยก็ควรจะตัดใจเสียให้ขาดจากตาอ้อนไม่ควรที่จะเก็บเอามาทุกร้อนพลอยรู้แก่ใจว่าตาอ้นพูดด้วยเจตนาดีแต่ความรู้สึกและความเชื่อถือทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวพลอยนั้นขัดต่อคำพูดของตาอ้นทุกถ้อยคำในข้อแรกพลอยไม่เห็นตาอ้อนหรือว่าลูกคนอื่นๆโตพอที่จะตัดขาดจากตัวได้เลย ตา อ, อ้นที่เคยเป็นเด็กอ้วนนช่างเล่นช่างประจบน่ารักน่าเอ็นดูกับตา อ, อ้นที่ขึงขังแข็งแรงในขณะนี้ก็เป็นคนคนเดียวกันถึงจะเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นแต่ภายนอกเมื่อก่อนเมื่อตา อ, อ้นวิ่งเล่นแล้วล้มเจ็บตัวก็จะร้องไห้วิ่งเข้ามาหาแล้วก็เป็นหน้าที่ของพลอยที่จะต้องปลอบโยนให้นิ่ง ถึงเดี๋ยวนี้ตาอ้อนก็ยังคงจะวิ่งเข้ามาหาเมื่อรู้สึกเจ็บและหน้าที่ที่จะต้องปลอบโยนเอาใจนั้นก็ยังคงเป็นของพลอยถ้าหากจะพูดถึงความคิดเห็นเลือกเองในสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ชอบพลอยก็ยอมรับตรงๆว่าในระยะเวลาที่ตาอันเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อนี่เอง พลอยรู้สึกว่ายากเหลือเกินที่จะชี้ลงไปว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกพลอยเห็นอยู่ทุกวันว่าคําพูดหรือการกระทําบางอย่างซึ่งแต่ก่อนถือกันว่าไม่บังควรหรือผิดนักหนานั้นเดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นถูกเป็นดีหลักการทุกอย่างที่พลอยเคยเคารพคุณค่าทุกอย่างที่พลอยเคยเชื่อถือดูจะเปลี่ยนไปหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วมีของใหม่ซึ่งพลอยยังไม่คุ้นเคยเข้ามาแทนที่ ตาอัานเองก็เคยเตือนพลอยและคนอื่นๆในบ้านให้ระมัดระวังการกระทำและคำพูดแสดงว่าทุกอย่างยังปราศจากความแน่นอนก็เมื่อพลอยเองยังไม่สามารถจะชี้ขาดลงไปได้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดชอบตาอ้นจะไปชี้ขาดลงไปได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นพลอยก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะยอมรับได้ว่าตาอ้นได้กระทำผิด เพราะถ้อยคำที่เต็มไปด้วยสับแสงแปลกๆของตาอ้นเสียอีกกลับเป็นเรื่องที่พลอยจะต้องทำความคุ้นเคยต่อไปขณะนี้พลอยยอมรับได้แต่เพียงว่าตาอ้นและตาอั้นมีความเห็นไปคนละทางไม่ตรงกันพลอยไม่อยู่ในฐานะที่จะชี้ขาดได้เลยว่าใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกและพลอยก็รู้ดีว่าฐานะเช่นนี้ เป็นอุปสรรคที่ทำให้พลอยไม่สามารถจะระงับข้อพิพาทระหว่างพี่น้องสองคนนี้ได้วันนั้นทั้งวันพลอยได้แต่นั่งปล่อยใจให้ครุกคล้าอยู่กับความทุกข์และความหวาดหวั่นแทนตะออนตะออซึ่งอยู่ที่บ้านก็ได้แต่เล่าเรื่องให้ฟังเช่นเดียวกับที่ตะอันได้เล่ามาแล้วซึ่งก็มิได้ทำให้พลอยคลายใจได้แต่อย่างใดเลยรุ่งขึ้นอีกวันตอน บ, บ่าย ออสเดินซ่อนยิ้มอยู่ในหน้าเข้ามานั่งข้างๆแล้วก็บอกว่าลูกมีเรื่องที่จะต้องทำให้แม่รุ่มใจมาบอกเสียอีกแล้วพรอยใจหายว่าบลงทันทีคราวนี้เรื่องเกี่ยวกับคุณลุงหลวงหลวงไหนหลวงโอสถดหรือเป็นอะไรไปเปล่า คุณลุงหลวงอีกคนนึงคุณลุงเพิ่มนั่นแหละแต่ออสตอบและดูเหมือนแทบจะซ่อนยิ้มเอาไว้ไม่ไหวทำไมกันออสถูกปอลิซจับไปแล้วเมื่อเช้านี้เวลานี้ขังเอาไว้ที่โรงพักทางบ้านเขาให้คนมาบอกออสรีบไปเยี่ยมแต่ไม่ได้พบเขาไม่ยอมให้เข้าไปหากันตายละคุณหลวงไปทาอะไรมาบอกแม่เรียวออสออก็ไม่แน่ใจนะ แต่ทางบ้านคุณลุงเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเช้าตอนที่เครื่องบินฝ่ายทหารหัวเมืองบินผ่านเข้ามาคุณลุงก็เต้นออกไปยืนอยู่ริมถนนแล้วก็แงนหน้ามองดูฟ้าพร้อมกับร้องว่าคราวนี้เสร็จแล้วโว้ยเท่านี้เองตอนสายหน่อยเขาก็มาจับเอาตัวไปพูดจบต่ออทก็หัวเราะอ อ, อ น, นี่พูดเห็นเป็นเล่นไปนหมดเรื่องคอขาดบาดตาย ยังจะมานั่งทำหน้าเป็นอยู่ได้พวกพ้องวงตระกูลของแม่ไม่เคยเข้าคุกเข้าตารางเลยป่านนี้ยายของออสรูเข้าก็พิลึกโถกำเวณแท้ๆ ท, ทีเดียวแล้วนี่จะทำยังไงกันดีแต่อดอสเอามือลูบขาพลอยแล้วก็บอกว่าขอโทษเถอดแม่ออสอดหัวเราะไม่ได้จริงๆเพราะว่าคุณลุงชอบเล่นการเมืองเหลือเกินใครว่าก็ไม่ฟังแต่แม่อยากกังวลไปเลยเข้าคุกเข้าตารางสมัยนี้มีสองอย่าง คนที่เข้าคุกเพราะลักขโมยหรือโกงเขาเท่านั้นหรอกที่จะเสียชื่อคนที่เข้าคุกเพราะการเมืองนั้นเขาไม่ถือกันหรอกเป็นเกียรติยศ ด, ด้วยซ้ําไปคุณลุงอาจจะชอบก็ได้ออกมาแล้วถ้าไม่เข็ดก็จะมีเรื่องคุยกันอีกแยะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พอได้รับความรู้ใหม่ว่าการติดคุกที่ถือว่าเป็นเกียรติเป็นสิริมงคลแก่ตนนั้นก็ยังมีแม่กุมใจเต็มทีแล้วออสเรื่องการเมืองอะไรของออสนี่ดูจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรา ไปเสียทุกอย่างเลยทีเดียวคุณหลวงแกก็คงไม่ได้ตั้งใจอะไรนึกจะพูดอะไรก็พูดออกไปใครก็ช่างใจดํามาถือสาหาเรื่องแล้วก็จับเอาตัวไปขังแล้วนี่ทางลูกเมียเขาทำยังไงกันก็เห็นนั่งร้องไห้ขี้มูกโป่งกันไปจะไปเยี่ยมเยือนเขาก็ไม่ให้พบกันได้แต่ส่งข่าวเข้าไปให้ถึงหรือไม่ถึงก็ไม่รู้และจะทําทยังไงกันออสจะทํำยังไงกันดี แม่ลองพูดกับพี่อั้นเขาดูเห็นจะดีพอพี่อั้นเขารู้จักคนที่มีอำนาจวาสนามากบางทีเขาพอจะช่วยพูดจาแล้วก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เย็นวันนั้นเองพลอยก็เลยพูดกับตาอั้นเรื่องพอเพิ่มแทนที่ตาอั้นจะตกอ ก, อกตกใจหรือว่าเสียใจในเคราะห์กรรมของญาติของตนตาอั้นกลับบอกว่าก็ผมเตือนคุณลุงแล้วไม่รู้จักกี่หน ให้ระวังปากระวังคอคุณลุงก็ไม่ฟังสักทีจับไปก็ดีเหมือนกันต่อไปจะได้รู้จักระวังตัวซะบ้างพลอยได้ยินแล้วก็เกือบไม่เชื่อหูว่าคำพูดอันปราศจากเยื่อใยนั้นออกมาจากปากของลูกตนอันพี่ชายแม่แท้ๆมีคนเดียวถึงจะอย่างไรแม่ก็ทิ้งกันไปไม่ได้ถ้าอันไม่ช่วยก็บอกแม่มาเถอะว่าใครเป็นเจ้าของเรื่องนี้ แม่จะไปหาเขาไปกราบไหว้ผู้จากับเขายันดีกว่าที่จะมานั่งอยู่เฉยๆโดยไม่ทําอะไรเลยคุณแม่อย่าวิตกไปให้มากเลยครับทำใจเย็นๆไว้ระหว่างนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นผมจะดูให้เองเรื่องคุณลุงเนี่ยคงไม่มีอะไรมากนะักพอช่วยเหลือกันได้ระหว่างนั้น พลอยได้แต่ฟังวิทยุของตาอ๊อดถึงข่าวคราวที่รบพุ่งกันใจก็ให้นึกเป็นห่วงตาอ้นอยู่ตลอดเวลาเกรงว่าจะเป็นอันตรายและพลอยก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่าตอนนี้ตาอ้นเป็นยังไงบ้างข่าวคราวเรื่องราวต่างๆที่ได้ยินก็มิได้ทำความสว่างให้แก่พลอยเลยแม้แต่น้อย ทั้งสองฝ่ายที่กาลังรบพุ่งประหัตประหารกันอยู่นั้นต่างก็อ้างเอาความจงรักภักดีที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวเป็นมูลฐานแห่งการกระทาของตนต่างฝ่ายต่างเรียกกันเองว่าเป็นศัตรูต่อ บ, บ้านเมืองทำให้พลอยไม่รู้ที่จะฟังความข้างไหนถูกระหว่างนั้นชอยก็มาส่งข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกไปประทับที่สงขาเจ้านายทั้งข้างหน้าข้างใน ก็เสด็จออกไปประทับที่นั่นด้วยกระบวนรถไฟพิเศษยิ่งทำให้พลอยรู้สึกวุ่นวายใจหนักขึ้นไปอีก6วันต่อมาปรากฏว่าพ่อเพิ่มก็มาหาพลอยที่บ้านพ่อเพิ่มผอมแล้วก็เหลืองไปในสายตาของพลอยอจจะเป็นเพราะอุปทาน หรืออะไรก็สุดที่จะเดาคุณหลวงฉันดีใจจริงเป็นห่วงคุณหลวงเหลือเกินไม่เป็นลายแม่พลอยไม่เป็นไ ร, ไ ร, ไ เ, ปนไรเป็นคราวเคราะห์ของฉันเองนิดหน่อยเท่านั้นพูดห่าคำคราวนี้เสร็จละโว้ยโดนขังไปห้าวันเวลาเขาจะจับเขาก็จับไปเฉยๆบทจะปล่อยเขาก็ปล่อยมาเฉยๆไม่เห็นมีอะไร อย่าไปพูดถึงมันอีกเลยนึกว่าซิงนคอไปทีต่อไปนี้ก็ควรจะระวังเนื้อระวังตัวเสียบ้างนี่แม่พลอยนึกว่าฉันจะกลัวอย่างนั้นหรือเฮ้ไม่มีซะละฉันอยู่มาจนอายุป่านนี้แล้วเคยเห็นอะไรมาแล้วมากดีกว่าคนเดี๋ยวนี้หลายคนทุรดาอะไรฉันจะต้องไปกลัวใครใครอยากจับฉันไปขังก็ได้แต่เอาตัวฉันไปเก็บไว้ใจนะั้นมันเปลี่ยนกันไม่ได้ฉันเคยเป็นอย่างไร ก็คงจะเป็นอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวว่าแต่จะขังฉันห้าวันเลยถึงห้าปีฉันก็ไม่เปลี่ยนเอาฉันไปฆ่าเสียให้ตายเมื่อไหร่นั่นแหละบางทีจะหมดเรื่องบ้างแม่คุณลุงนี่เก่งขึ้นแยะทีเดียวตาออซึ่งแอบออกมานั่งอยู่ใกล้ๆเมื่อรู้ว่าพ่อเพิ่มมาพูดขึ้นไม่เก่งอะไรหรอกพ่อออดชั่วแต่ว่าไม่ยอมให้ใครมาขู่เล่นง่ายๆเท่านั้นเอง และตั้งแต่พ่อเพิ่มออกมาจากที่คุมขังพลอยก็รู้ได้ทันทีว่าพ่อเพิ่มยิ่งห่างเหินกับตาอั้นไปไกลกว่าแต่ก่อนตอนนี้สถานการณ์ในบ้านของพลอยนั้นดูเหมือนว่า จะมีความม้างเมินเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นมากกว่าเดิมนั่นก็คือพ่อเพิ่มกับตาอัน้นตาอั้นนั้นเหมือนเดิมคือแสดงความเคารพพ่อเพิ่มแต่พ่อเพิ่มก็มักจะทำเฉยเมยมืนตึงไม่พูดไม่จาด้วยโดยดีตาอั้นถามคำหนึ่งพ่อเพิ่มก็ตอบคำหนึ่งเหมือนกับจะแสดงให้ตาอั้นรู้ว่าไม่ยินดีที่จะพูดด้วย ทำให้ตาอั้นต้องเกอ้อไปหลายครั้งจนกระทั่งในที่สุดเวลาที่พ่อเพิ่มมาบ้านตาอั้นก็มักจะหลีกเลี่ยงไปเสียอีกทางหนึ่งคนที่ยังพูดจาสนิทสนมกันเป็นปกติก็คือตาออดในเวลาไม่ช้าก็ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายมีชัยฝ่ายทหารหัวเมือง ซึ่งขณะนี้เรียกกันทั่วไปว่าฝ่ายกบฏเริ่มถอยขึ้นไปทางเหนือมีทหารรัฐบาลตามขึ้นไปติดๆนั่นก็คือมีการประทะกันแต่ฝ่ายรัฐบาลได้เปรียบนะคะใจของพลอยนั้นได้แต่ตามตะอ้นซึ่งถอยไกลออกไปทุกทีพลอยพยายามถามข่าวคราวจากตะอั้นเผื่อว่าตะอั้นจะรู้ข่าวตะอ้นบ้างแต่ตะอั้นก็บอกว่าไม่รู้บ้างหรือบอกว่ายังไม่ได้ข่าวบ้าง พลอยได้แต่ภาวนาขอให้ตาอ้นรอดพ้นจากอันตรายต่างๆขณะนี้รู้กันทั่วไปแล้วว่าใครเป็นฝ่ายชนะใครเป็นฝ่ายแพ้ชีวิตของตาอ้นจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตนั้นพลอยไม่กล้าพอที่จะนึกถึงนึกแต่ว่าขอให้ตะอ้นได้มีชีวิตอยู่ต่อไปและเพียงแต่ให้ได้กลับมาเห็นหน้ากันอีกแม้แต่หนเดียวเท่านั้นก็ดูเหมือนจะพอแล้วสาหรับพลอย สำหรับกบฏในครั้งนี้นะคะขออนุญาตแทรกข้อเท็จจริงให้ได้ฟังกันประกอบออประกอบเรื่องของพลอยนะคะกะบฏครั้งนี้คือกบฏบวอเดทเรื่องราวก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปได้ระยะหนึ่งก็มีกลุ่มทหารโดยมีพระองค์เจ้าบวอเดทนะคะ เป็นหัวหน้ารวบรวมทหารหัวเมืองเพื่อที่จะชิงอํานาจกลับคืนมาถวายพระมหากษัตริย์สาอ้นก็เป็นหนึ่งในบรรดาทหารหัวเมืองที่เข้าร่วมกับพระเจ้าบวาเดชนะคะพระเจ้าบวาเดชหัวหน้ากบฏบวาเดชเป็นพระโอรสของพระเจ้าบรมวงเธอกรมพระนเรศวรฤทธิ ซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นนักเลงรักลูกน้องแล้วก็มีพระอารมณ์ร้อนแต่ทรงเป็นที่รักและก็เคารพของนายทหารส่วนใหญ่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระองค์เจ้าโบวันเดชโกรธแค้นคณะรัฐคณะรัศดรมากนะคะ เล่ากันว่าเสด็จไปขอเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เจ็เป็นการส่วนพระองค์แล้วก็กราบทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการแต่ไม่ทรงอนุญาตทรงให้เหตุผลว่าโปรโดพระราชทานอำนาจให้แก่ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์พระทยจึงไม่ควรที่จะกระทำการอื่นใดอันจะเป็นการขัดขวางวิถีทาง น, นี้แล้วก็ทรงขอร้องมีให้พระองค์เจ้าบวรเดช ด, ดาเนินการอย่างที่ตั้งใจไว้ เพราะจะไม่มีใครเชื่อว่าทำเพื่อบ้านเมืองผู้คนอาจจะเข้าใจว่าทำเพราะต้องการได้อำนาจกลับคืนมาแต่ว่าพระองค์เจ้า บ, บวลเด ก, ก็ทรงเชื่อมั่นในความคิดและการกระทำของพระองค์ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในหนังสือสี่แผ่นดินนะคะที่ได้เล่าให้ฟังบรรยายบอกว่าช้อยเนี่ยมาส่งข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัว เสด็จจากหัวหินไปประทับสงขาท้งนี้เพราะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าหากพระองค์ประทับอยู่น้าหัวหินก็จะทรงถูกมองจากทั้งสองฝ่ายว่าทรงเข้ากับอีกฝ่ายหนึ่งจึงทรงตัดสินพระไทยนะค ะ, สะเสด็จจากหัวหินไปประทับที่สงขาในขณะที่พระองค์เจ้าบรวรเดช ก็ทรงดําเนินการตามที่พระองค์ทรงเห็นควรนั่นก็คือนําทหารหัวเมืองนะคะซึ่งเคารพรักในพระองค์เนี่ยลงมาเป็นเครื่องต่อรองและก็ต่อสู้กับรัฐบาล ท, ทหารหัวเมืองเข้ายึดกรมอากาศยานดอนเมืองไว้เมื่อสองนาฬกาของวันที่สิบสองแล้วก็ยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนถึงวันที่สิบหกตุลาคมปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเจ็สิบหกค่ะปรากฏว่าทหารฝ่ายหัวเมืองเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้ ฝ่ายรัฐบาลก็ติดตามตีไปจนกระทั่งถึงจังหวัดอุบลบราชธานีพลเอกพระองค์เจ้าประวลเดชเสด็จหนีไปยังเมืองไส้ง่อนอินโดจีนของฝรั่งเศสในขณะนั้นนะคะในขณะที่นายทหารและก็พลทหารเนี่ยเสียชีวิตกันเยอะเลยทีเดียวค่ะมีการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้600คนถูกส่งฟ้องศาลพิเศษ346คน แล้วก็ถูกตัดสินลงโทษ250คนซึ่งทว่ากันตามท้องเรื่องตะ อ, อ้นก็อยู่ในกลุ่มนี้ละค่ะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวเล่าให้ฟังต่อไปนะคะกลับมาที่เรื่องสีแผ่นดินค่ะข่าวความพ่ายแพ้ของพวกที่ถูกเรียกว่ากบฏคือใครแพ้ก็เป็นกบฏเนี่ยนะคะ ก็เป็นข่าวที่รู้กันโดยทั่วไปในเวลาต่อจากนั้นแล้วก็วันหนึ่งตะอั้นก็มาบอกกับพลอยว่าตาอ้อนเป็นคนหนึ่งในจำนวนนายทหารที่ถูกคุมขังอยู่ในฐานะจำเลยของคดีขบฏคดีขบฏคราวนี้แล้วก็จะต้องถูกส่งตัวขึ้นศาลพิเศษเพื่อพิภาคษาวางโทษต่อไปพลอยรับรู้ข่าวด้วยน้ำตา ด้วยความสงสารและก็ห่วงใหญ่ในตัวตะอ้นพลอยบอกตาอัน้นว่าให้พยายามหาความช่วยเหลือตะอ้นในขณะที่ตะอ้นก็ลำบากใจในขณะที่ตาอั้นนะคะก็ลำบากใจเพราะว่าอยู่กันคนละฝ่ายจะทำอะไรลงไปเนี่ยก็เป็นที่เพ่งเล็งอั้นต้องช่วยพี่ให้ได้นะลูก มีหนทางอะไรบ้างพี่น้องต้องช่วยกันอย่าทิ้งกันเป็นอันขาดต้องพยายามช่วยพี่ให้ได้ทุกทางช่วยรับปากกับแม่ให้ใคลายใจได้บ้างแต่อันซุดตัวลงนั่งแทบฝ่าเท้าของพลอยถอนหายใจก่อนจะบอกว่าคุณแม่ผมเห็นใจคุณแม่เป็นที่สุดถ้าผมรับปากคุณแม่ได้ผมจะรับปากเดี๋ยวนี้แต่ผมไม่สามารถจะรับปากได้ เพราะเรื่องนี้ใหญ่โตเหลือเกินไม่ใช่เรื่องธรรมดาผมเองก็ไม่รู้ว่าจะไปช่วยเขาได้ยังไงอันอยังโกรธพี่เขาอยู่อีกหรือลูกก็อันขอโทษพี่เขาแล้วต่อหน้าแม่จะไปผูกใจเจ็บกันอยู่อีกทำไมถึงยังไงก็เป็นพี่น้องกันขอให้เห็นแก่แม่เถอะถ้าไม่เห็นแก่แม่ก็ขอให้เห็นแก่คุณพ่อบ้างแต่อันสายหน้าอย่างหนักใจ ผมไม่ได้โกรธพี่อ้นเลยคืนนั้นผมเคืองจริงผมยอมรับแต่พอได้พูดล่วงเกินไปแล้วผมก็เสียใจอยากจะหาโอกาสปรับความเข้าใจกันแต่พี่อ้นก็ไม่กลับมาบ้านจนกระทั่งเกิดเหตุถึงตอนนี้ผมไม่มีทางที่จะไปช่วยเขาแล้วไม่มีจริงๆคุณแม่ด้วยเหตุหลายอย่างอย่างแรกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนอกเหนืออำนาจที่ใครๆจะไปช่วยเหลือได้ เพราะว่ากระบฏจะรา จ, จนถึงลบราฆ่าฟันกันนั้นเป็นเรื่องใหญ่จริงๆคุณแม่เองก็คงจะรู้อีกอย่างบ้านเมืองเราตอนนี้ก็มีแต่ระแวงระไวกันไปหมดพี่อ้นไปเข้าข้างฝ่ายกระบฏหลุ่งเพิ่มถูกจับผมเองก็เลยถูกมองไปด้วยถ้าผมไปเที่ยววิ่งเต้นช่วยพี่อ้นผมก็อาจจะพลอยเสียไปด้วยอย่างง่ายได้แต่ถึงผมจะเสียก็ช่างเถอะไม่เป็นไร แต่หากจะต้องเสียเพราะพี่น้องผมก็จะยอมแต่ข้อสําคัญที่สุดผมรู้จักพี่อ้นดีเคยกินเคยนอน<ๆ>อยู่ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กเริ่มจําความได้พี่อ้นเขาเป็นคนใจแข็งไม่ยอมใครง่ายๆเรื่องที่เกิดขึ้นคราวนี้ผมเชื่อว่าพี่อ้นเขาเห็นว่าตัวเขาเป็นฝ่ายถูกและเขาก็ไม่ได้ทําคนเดียวมีพวกพ้องเพื่อนฝูงที่เขาร่วมใจร่วมตายกันมา สมมุติว่าถ้าจะมีใครไปช่วยพี่อ้นได้ผมก็แน่ใจว่าพี่อ้นก็คงไม่ยอมเมื่อเรื่องมาถึงเพียงนี้แล้วพี่อ้นก็คงจะไม่ปรีกตัวเอาตัวรอดแต่เพียงลำพังเขาคงยอมติดคุกติดตารางกับพวกพ้องของเขามากกว่าคุณแม่คิดดูให้ดีๆเถอะพี่อ้นเขาคงไม่ยอมจะให้ใครเข้าไปช่วยหรอกอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของสะอ้นนะคะในฐานะที่ พรอยฟังแล้วก็ต้องยอมจำนนแหลคะค่ะรู้แก่ใจว่าตั้งแต่เล็กๆมาแล้วตาอ้นไม่เคยซัดความผิดไปให้แก่คนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นไม่เคยปฏิเสธความผิดของตนเลยตาอ้นจะเป็นคนที่ยอมรับผิดรับโทษเสมอบางครั้งถึงกับยอมรับโทษแทนน้องๆได้ซ้ำไปพลอยนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามขึ้นว่า อันรู้ไหมว่าเขาขังอ้วนไว้ที่ไหนเวลานี้ผมยังไม่รู้เพราะว่าเขาแยกขังกันหลายที่คุณแม่จะทำไมแม่อยากไปเยี่ยมอย่าเพิ่งเลยครับคุณแม่ผมขอเถิดคุณแม่อย่าเพิ่งไปเลยเวลานี้เพราะว่าเขาคอยมองอยู่ทั่วไปหมดว่าใครจะไปทำอะไรที่ไหนกันบ้าง แม่แต่แม่ลูกก็ไปเยี่ยมกันไม่ได้แล้วเหรออันช่วยบอกแม่ทีเถอว่าบ้านเมืองเราเป็นอะไรไปได้นะ่ะคงได้หรอกคุณแม่แต่คุณแม่ไม่ได้มีลูกแต่พี่อ้นคนเดียวผมอยากให้คุณแม่คิดถึงลูกคนอื่นบ้างแต่อันนี้ก็ลำบากใจเป็นที่สุดนะคะในสถานการณ์นี้แต่พลอยก็ยังไม่ยอมพลอยยังคงยืนยัน ที่จะให้ตาอั้นไปสืบมาว่าตาอ้านเนี่ยถูกขังอยู่ที่ไหนเพื่อที่ว่าพลอยจะได้ไปเยี่ยมระหว่างที่พูดกันอยู่นั้นตอาออดย่องเข้ามาในห้องนะคะตาอั้นเห็นน้องชายก็พยักหน้าให้เข้ามานั่งเป็นเพื่อนแม่ฝ่ายตัวเองก็ลุกออกไปข้างนอกพลอยก็เลยหันมาคุยกับตอาออดออดลูกแม่ทุกวันนี้ แม่รู้สึกเหมือนฟ้าพังทลายลงมาทับเหมือนกับว่ากำลังฝันร้ายอยู่แม่ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆลองหยิกตัวเองดูสิแม่เผื่อจะตื่นบ้างถ้าตื่นได้จริงๆแม่ก็จะดีใจเป็นที่สุดแม่จา๋าแม่ลูกมีอะไรจะให้แม่ดูแต่แม่ต้องสัญญากับลูกก่อนว่าจะทำใจให้แข็งไว้อย่าขี้อ้อนอย่าร้องไห้ เพราะลูกไม่สบายที่สุดเวลาเห็นแม่ร้องไห้พรอยยกมือลูกหัวต่อออสอย่างปราณีดูเอาเถอะเดี๋ยวนี้ออสเห็นแม่เป็นเด็กไปซะแล้วต้องคอยห้ามไม่ให้ขี้อ้อนไม่ให้ร้องไห้แล้วก็มีขนมมีของเล่นมาล่อออสมีอะไรจะให้แม่แม่ต้องสัญญากับลูกก่อนเอาละ่ะแม่สัญญา มีอะไรจะมาให้ดูก็เอามาอย่าร่ำไรตาออดล้วงกระเป๋าเสื้อแล้วก็หยิบกระดาษแผ่นเล็กๆมีรอยยับแล้วก็มีรอยเปื้อนเปื้อล้ายแห่งส่งให้พลอยพลอยรับมาคลี่ออกดูก็ใจหายว่าเพราะในนั้นมีข้อความที่เขียนไว้ด้วยลายมือเป็นลายมือของตาอ้นนั่นเอง คือจดหมายของตาอ้อนนะคะที่ส่งมาถึงพลอยตาอ้อนเขียนจดหมายมาจากในสนามค่ะแล้วก็ขึ้นต้นว่ากราบเท้าแม่ที่รักของลูกคนเดียวลูกต้องประทานโทษที่ลูกได้ทาให้แม่ต้องเดือดร้อนเป็นห่วงเป็นใหญ่โดยไม่ได้ปรึกษาหารือก่อนหนังสือฉบับนี้ลูกนั่งเขียนในทุ่งนาบางเขน ทุ่งนาของเมืองไทยที่มีคนไทยเป็นเจ้าของแต่บัดนี้กำลังกลายเป็นสนามรบระหว่างคนไทยกับคนไทยด้วยกันเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นลูกไม่รู้จะอธิบายให้แม่ฟังอย่างไรถูกและกว่าจะได้รับจดหมายฉบับนี้แม่ก็คงจะทราบเรื่องราวอยู่บ้างแล้วลูกอยากจะบอกให้แม่ของลูกรู้ว่า ที่ลูกทําไปคราวนี้ลูกทําไปด้วยความสุจริตใจด้วยความเชื่อถือโดยบริสุทธิ์ใจว่าเป็นการกระทําที่ถูกลูกไม่ได้ทําไปเพื่อหวังอํานาจวาสนาหรือเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตตั้งแต่ลูกจําความได้ลูกเคยแต่ได้รับคําสั่งสอนอบรมให้ซื่อสัตย์กรตัญญูต่อพระเจ้าอยู่หัวคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นที่รักนับถือของลูก ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็สอนมาอย่างนั้นครูบาอาจารย์ทุกคนที่ได้สอนต่อเติมจากนั้นทําให้ลูกมีความจงรักภักดีมีความกตัญยูมากขึ้นไปอีกลูกเข้ามาเป็นทหารก็ด้วยความสมัครใจของลูกเองคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยบังคับเลยเมื่อเป็นทหารก็รู้สึกอยู่ว่ามีหน้าที่รักษาแผ่นดินรักษาพระบรมเดชานุภาพ เมื่อจำเป็นต้องถวายชีวิตเป็นราชพีลูกได้ร่วมทำการกับเขาทั้งนี้ด้วยความรู้สึกด้วยความเชื่อถือเหล่านี้เป็นที่ตั้งไม่ได้มีความหวังความปรารถนาอย่างอื่นผ่านเข้ามาในหัวใจเลยขณะนี้เป็นเวลาที่จะต้องประนามจะต้องกล่าวร้ายลูก และคนที่อยู่ทางฝ่ายลูกแต่ลูกก็รู้อยู่เสมอว่าแม่คงจะเข้าใจแล้วก็เห็นใจถ้าคุณพ่อมีทางใดที่จะรู้ได้คุณพ่อก็คงจะพอใจเวลานี้ลูกยึดถือเอาแต่ความซื่อสัตย์กระตันญูต่อแผ่นดินและความรักที่ลูกมีต่อแม่เป็นเครื่องคุ้มครองตัว ลูกสวดมนต์ภาวนาและคิดถึงคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอเพราะในยามนี้เป็นยามที่ลูกคิดถึงแม่มากที่สุดแม่ทูนหัวของลูกขออย่าให้แม่นึกแม้แต่น้อยว่าลูกชอบทำสิ่งที่ลูกกำลังทำอยู่จริงๆลูกไม่อยากจะเห็นคนไทยรบกันเองเลยและเมื่อแรกก็คิดไปไม่ถึง ไม่ได้นึกว่าเรื่องราวจะรุนแรงถึงเพียงนี้ลูกปืนทุกลูกที่ยิงออกไปทั้งสองมือนั้นดูเหมือนจะถูกที่หมายทุกครั้งไปที่หมายนั้นก็คือหัวใจของลูกเองทุกครั้งที่ลูกยิงปืนด้วยตนเองหรือสั่งให้ทหารยิงน้ําตาของลูกก็จะไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกเหมือนกับลูกกำลังทําบาปอย่างหนักต้องฆ่าพี่น้องบางครั้งลูกแทบจะทนไม่ได้ อยากจะวิ่งห น, นีหลบหลีกไปเสียแต่ลูกก็ไม่อาจทำได้เพราะไม่สามารถทิ้งทหารที่อยู่ใต้บังคับบัญชาและไม่สามารถจะเสียความสัตย์ที่มีเพื่อนร่วมตายทุกคนลูกมองไปข้างหน้านอกแนวของตนเห็นผู้คนวิ่งกวาดไคและรู้ดีว่าเป็นทหารฝ่ายรัฐบาลแต่ลูกก็ต้องใจหายเมื่อคิดได้ว่าคนเหล่านั้นเมื่อเร็วๆนี้เอง ก็เป็นเพื่อนร่วมตายของลูกทุกคนเพราะเป็นทหารในกองทัพเดียวกันเป็นข้าพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวกันลูกอาจอยู่ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาคอยดอูแลทุกสุขของในายสิบผลทหารเหล่านั้นก็ได้และนายทหารฝ่ายข้างโน้นหลายคนก็เคยเป็นเพื่อนร่วมกินร่วมนอนร่วมโรงเรียนกันมาบางคนก็เคยเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเคยเป็นครูถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ ลูกไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวที่โกรธเคืองกับเขาเหล่านั้นมีแต่ความรักความห่วงใยความหวังดีแต่แม่ทูนหัวของลูกขณะที่ลูกกำลังนั่งเขียนหนังสือนี้เราต่างคนต่างกำลังยิงกันฆ่ากันความเศร้าใจของลูกนั้นสุดที่จะพรรณน า, นาลูกต้องเขียนหนังสือถึงแม่เพราะเวลานี้เป็นเวลาที่ลูกอยากอยู่ใกล้แม่ที่สุดเพราะแม่คนเดียว ที่สามารถจะปลอบลูกให้ใคลายทุกข์ได้แม่คนเดียวเป็นคนที่อาจอธิบายให้ลูกเข้าใจเหตุผลต่างๆได้ลูกอยากจะนั่งแทบฝ่าเท้าแม่เอาหัวซบบนตักแม่อยากรู้สึกว่ามือของแม่ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตานั้นกำลังลูบหัวลูกการข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไป ลูกเองก็ไม่อาจาคาดคะเนได้ถ้าลูกเป็นอันตรายลงไปลูกอยากให้แม่ได้รู้ไว้ว่าความคิดสุดท้ายของลูกจะจดจ่ออยู่ที่ตัวแม่แต่ถ้าหากว่าลูกไม่ตายลูกจะต้องหาทางมากราบเท้าแม่ขอประทานโทษที่ทำให้แม่ต้องวิตกกองบนห่วงใหญ่จากลูกอน้น พออ่านจบแล้วก็วางกระดาษลงอย่างหมดแรงตาั้นมือมองไปไกลปากถามตาออสว่าออสไปได้มาจากไหนตาออสบอกว่าชาวนาคนหนึ่งแกเอามาให้แกบอกว่านายทหารหนุ่มๆให้เงินแกไว้ แล้วสั่งให้เอามาให้ให้ได้ก่อนที่ฝ่ายกบฏเอ่อก่อนที่ฝ่ายนนท์จะถอยแต่แกมวนนี้เขารบกันเสียเพิ่งจะเอามาให้ได้เมื่อเช้านี้เองพอยนั่งนิ่งถอนใจใหญ่ตะอ้นเอ๋ยตะอ้นเกิดมาก็มีใช่ลูกแม่เชื้อสายของอ้นทางแม่แท้ๆจะมาจากไหนแม่ก็ยังไม่รู้ แต่คำพูดของอ้นแต่ละคำช่างตรงใจแม่ราวกับว่าอ้านเกิดมาจากท้องแม่เป็นก้อนเลือดในอกของแม่ลูกของแม่ซะอีกบางครั้งดูเข้าห่างไกลนะักจะพูดจาอย่างไรแม่ก็ไม่เข้าใจแต่อ้นลูกของแม่กลับพูดให้แม่เข้าใจได้ดีกว่าคนอื่นพลอยก้มดูจดหมายในมือแล้วก็ใจหายนึกปรงอยู่ในใจ ตะ อ, อ้นเป็นคนที่มีนิสัยเรียบร้อยจะเขียนหนังสือถึงแม่ครั้งใดก็พยายามเขียนให้กระจ่างอ่าน ง, ง่ายไม่เคยมีรอยขีดรอยลบแต่คราวนี้ตะ อ, อ้นเขียนหนังสือวัดกว่าที่เคยมีรอยขีดขาออกหลายแห่งตัวหนังสือบางตัวก็มีรอยน้าอะไรหยดลงไปถูกจนเลอะเลือนไปหรือบางทีตะ อ, อ้นจะเขียนอยู่ในสนามรบขณะที่ฝนตกพราหรือบางที พลอยไม่อยากจะนึกถึงเลยเกรงว่าจะกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่บางทีอ้นลูกแม่อาจจะเขียนหนังสือนี้ไปร้องไห้ไปแล้วก็รอยเละเลือนที่เห็นอยู่นั้นอาจจะเป็นรอยน้ําตาของลูกเดี๋ยวก่อนแม่อย่าลืมนะว่าแม่สัญญาว่าจะไม่ร้องไห้จดหมายพี่อ้นยังมีอีกฉบับหนึ่งยังมีอีกหรือออดออามาให้แม่ดูเร็วๆ ใครเอามาฉบับนี้คุณลุงเพิ่มเอามาให้ลูกถามว่าได้มาอย่างไรก็ไม่บอกทำท่ายิ้มยิ้มเขื่องเืองแล้วก็บอกว่าเชื่อฝีมือลุงธ น, นาพ่อออสจดหมายนั้นอยู่นี่แต่ออสพูดพลางยื่นจดหมายอีกฉบับหนึ่งให้พลอยรีบรับจดหมายอีกฉบับหนึ่งออกมาอ่านด้วยมือที่สั่นประรัว จดหมายฉบับนี้ค่อยยังชั่วหน่อยเพราะว่าตะอ้นเขียนด้วยลายมือเป็นปกติแสดงว่ามีเวลามากไม่รีบร้อนจดหมายนั้นมีข้อความว่ากราบเท้าคุณแม่ที่รักของลูกลูกได้เข้ามอบตัวให้แก่ฝ่ายรัฐบาลเขาแล้วเวลานี้ลูกถูกคุมขังในฐานเป็นผู้ต้องหาคดีกบฏลูกจำใจต้องเขียนจดหมายนี้มาถึงแม่ ถึงแม้ว่าจะเสี่ยงบ้างก็เพื่อจะบอกให้แม่รู้ว่าระหว่างนี้ลูกสบายดีไม่เจ็บไข้และไม่เดือดร้อนขาดแคลนอะไรทั้งสิ้นแม่รู้แล้วขออย่าได้วิตกห่วงใหญ่ลูกจนเกินกว่าเหตุลูกรู้ดีว่าเมื่อแม่ทราบว่าลูกมาอยู่ในกรุงเทพแม่ก็คงจะต้องดิ้นรนที่จะมาเยี่ยมลูกจึงใคร่ขอร้องว่าแม่อย่าพยายามมาเยี่ยมลูกเลย เพราะลูกเข้าใจเอาเองว่าคนที่จะไปมาหาสู่ติดต่อกับพวกลูกในขณะนี้จะถูกเจ้าหน้าที่จ้องมองไปในทางที่ไม่ดีจะเกิดสงสัยกินใจกันไปเปล่าๆลูกพลาดครั้งลงไปแล้วก็ขอให้ลูกรับเคราะห์กรรมไปแต่คนเดียวลูกไม่อยากให้แม่ต้องมาลำบากด้วยถ้าลำพังแต่เพียงตัวแม่คนเดียวก็คงไม่สู้อระไรนะเพราะเป็นแม่ลูกกันแต่แม่ต้องไม่ลืมว่ายัางมีน้องอีกสองคน ซึ่งกำลังแข็งแรงอยู่ในวัยทำงานให้เจริญต่อไปอนไม่อยากจะพาให้เขาต้องมาเสียไปด้วยเพราะถูกระแวงสงสัยขอให้แม่วางใจได้ว่าลูกมีได้เดือดร้อนอะไรเลยลูกคิดถึงแม่มากแต่โอกาสที่ลูกจะได้กราบเท้าคุณแม่คงจะยังมีอีกสักครั้งในเวลาข้างหน้ากราบฝาเท้าแม่ด้วยความรักและเคารพยิ่งอน ปอลอขออย่าให้แม่พยายามมาเยี่ยมลูกเป็นอันขาดเวลานี้ลูกกำลังใจแข็งให้สมกับที่เป็นทหารเมื่อพลาดพลั้งแล้วก็ต้องยอมรับโทษต่างๆด้วยใจเย็นแต่ลูกก็ไม่แน่ใจนะักถ้าหากลูกเห็นหน้าแม่ลูกอาจจะกลายเป็นเด็กขี้แยไปได้ทันทีจึงอยากจะให้แม่อดใจรอไปก่อนอน้นพรอยวางจดหมายฉบับนั้น ตอนกับฉบับแรกบนตักนึกในใจว่าตาอ้นพูดไว้ไม่มีผิดตาอ้นเป็นคนใจแข็งเมื่อผิดไปแล้วก็ยอมรับผิดอย่างน่าชื่นตาบานและพยายามปกป้องมิให้ความผิดของตนเป็นเหตุเกี่ยวโยงให้คนอื่นต้องลำบากจะหาใครที่ใจเหมือนตาอ้นนั้นก็ดูเหมือนจะหายากแต่ตาอ้นก็ใจแข็งจริงอย่างที่ตาอ้นพูด ข้อความที่เขียนมาในตอนแรกของจดหมายจริงหรือพลอยไตรตรองอยู่ในใจในตอนท้ายคือปัดชิมลิขิดแต่อ้นก็บอกมาตรงเสียยิ่งกว่าตรงว่าตาอ้นก็ยังเป็นตาอ้นคนเก่าเหมือนกับเมื่อยังเด็กๆมีทุกข์หรือเจ็บตัวมาก็ร้องไห้อยากจะให้แม่ปลอบประโลมให้นิ่งพลอยคิดไม่ตกไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีออ อดรูบ้างไหมว่าเขาจะทำอย่างไรกับพี่อ้นต่อไปก็ด้ยินว่าเขาจะส่งขึ้นศาลทั้งหมดแล้วยังไงขึ้นศาลแล้วก็ว่าความแล้วก็พิพากษาโทษอดววาพี่อ้นจะหลุดไหมเห็นจะยากหรอกแม่พี่อ้นก็ยกทัพมารบกับเขาจริงๆแม่เคยได้ยินว่าใครเป็นกบฏก็ต้องถูกประหารชีวิต เห็นจะไม่ถึงเพียงนั้นบอกแมก่เรื่องที่เกิดคราวนี้มีคนเกี่ยวข้องมากเหลือเกินใครจะไปฆ่าคนมากๆอย่างนั้นได้แล้วพี่อ้นก็ไม่ใช่คนสำคัญเป็นเพียงคนหนึ่งในคนหมู่มากอย่างหนักก็คงโทษจำเราเราสิบปียี่สิบปีกระมังถ้าติดคุกยี่สิบปีก็เท่ากับตายจากกันแม่คงไม่ได้อยู่จนตาอ้นออกแม่อย่าพึ่งหมดหวังเลยบางทีพี่อ้น อาจจะไม่ต้องโทษถึงเพียงนั้นก็ได้ถึงแม้ว่าจะถูกสารพิภาคษากี่ปีกี่ปีทีหลังก็ยังลดหย่อนผ่อนโทษกันได้ออสก็ดีแต่พูดเอาใจแม่จนบางครั้งแม่ฟังออสแล้วดูอะไรมันก็ง่ายไปหมดข้อสาคัญอยู่ที่แม่ไม่อยากให้ลูกของแม่ต้องติดคุกติดตารางจะติดมากติดน้อยก็เท่ากันด้วยเหตุนี้หรอกแม่ถึงกลุ้มใจกลุ้มใจจริงๆ อออดแหงหน้ามองแม่พลอยได้แต่นั่งมองออกไปข้างหน้าใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากสั่นระริกพลอยพยายามกัดฟันกลั้นน้ำตามิให้ไหลออกมาเพราะได้สัญญากับสะอออดเอาไว้แล้วว่าจะไม่ร้องไห้สะอออดนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ยกมือเกาะหัวเข่าพูดว่าแม่จ้าแม่อยากร้องไห้ก็ร้องเสียเถิด ออสไม่ว่าแล้วเผื่อแม่จะสบายใจขึ้นบ้างคำพูดของตออสแล่นปราบเข้าไปในหัวใจเป็นเครื่องสกิดความรู้สึกทั้งหมดในตัวพลอยที่สุมอยู่นั้นให้หลั่งไหลออกมาเหมือนกับปลายเข็มเล็กๆที่สะกิดหัวฟีที่กำลังกรดน้องให้ทะลักออกมาได้ความทุกข์ความห่วงใยในตาอน้นที่ท่วมหัวใจมานาน ประกอบกับความรักความเอ็นดูและความปราบปลื่มใจที่มีตะออดผู้เป็นลูกคอยเห็นใจคอยเอาใจทำให้พลอยก้มตัวลงกอดตะออดเข้าไว้แล้วก็รัดตัวตะออดเข้ามาไว้แน่นขณะเดียวกันนั้นพลอยก็ทั้งหัวเราะและร้องไห้หัวเราะเพราะขันในคําอนุญาตของตะออดที่ให้ร้องไห้ได้และร้องไห้เพราะความทุกข์เรื่องตะอ้นที่อัดอั้นเอาไว้นาน ตั้งแต่นั้นมาพลอยก็เฝ้าสนใจฟังข่าวสารพิเศษอ่านจากหนังสือพิมพ์บ้างฟังคำบอกเล่าจากตาอานบ้างตาออสหรือว่าพ่อเพิ่มบ้างแต่ทุกข่าวที่ได้ยินได้เห็นนั้นก็ไม่ได้ทำให้พลอยสบายใจลงได้เลยข่าวทุกข่าวดูจะชี้ไปในแนวทางเดียวกันว่าตาอ้นไม่มีทางที่จะรอดพ้นจากโทษได้เพียงแต่ว่าจะโทษหนัก หรือโทษเบาเท่านั้นต่อจากนั้นก็มีข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีจะเสด็จยุโรปก่อนหน้านี้เคยเสด็จอเมริกาเพื่อรักษาพระเนตรม ห, หนึ่งแล้วคราวนี้เข้าใจว่าคงเสด็จเพื่อรักษาพระองค์ความจริงตลอดเวลาที่ตะอั้นขึ้นศาลพิเศษ พลอยมีความหวังอันเร้นลับซ่อนอยู่ในอกความหวังนั้นก็คือบางทีตาอ้นและผู้ต้องหาอื่นๆจะได้อาศัยพระปรมีในหลวงคุ้มกันตนถึงจะไม่รอดจากอาญาก็คงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้บ้างเพราะคนเหล่านั้นก็ยังมีความจงรักภักดีอยู่บริบูรณ์ตามความเห็นของพลอยข่าวเสด็จยุโรปมีได้ทำให้พลอยหมดความหวังนี้แต่ประการใดเพราะเท่าที่ทราบ ก็ว่าจะเสด็จไปจากเมืองไทยไม่กี่เดือนแล้วก็จะเสด็จกลับมาอีกวันหนึ่งพอเพิ่มแต่งเครื่องแบบเต็มยศอย่างเข้าเฝ้ามาหาพลอยที่บ้านในตอนบ่ายพอทอดตัวลงนั่งพอเพิ่มก็รีบปลดกระดุมเสื้อแล้วก็นั่งแผ่อยู่บนเก้าอี้บอกว่าร้อนจนจะเป็นลมพลอยรีบหาน้าเย็นมาให้ แล้วถามว่าคุณหลวงไปไหนมาแต่งเครื่องยศกดกระบี่เต็มที่ทีเดียวฉันจะไปส่งเสด็จในหลวงที่ตำหนักแพ้อ้คุณหลวงนี่ออกแล้วก็ยังเฝ้าแหนอยู่อีกได้ราชการดีจริงๆฮ้อแมบพร้อยไม่รู้อะไรเมื่อฉันยังอยู่ในราชการซะอีกฉันหนีเฝ้าเก่งที่สุด ถ้าไม่จวนตัวจริงๆฉันเป็นไม่ไปเพราะขี้เกียจแต่งเครื่องยศรอดจะตายไปแล้วไอ้เราก็เป็นขุนนางขี้ปติวอย่างนี้ไปไม่ไปก็เท่ากันไปก็ได้แต่เตรไปเตรมากินน้ำชายาอุทัยคนละอึกสองอึกมองไปทางไหนก็มีแต่เจ้าขุนมูลนายคอยคำนับคอยโค้งกันจนเจ็บมือปวดหลัง ก็ฉันรู้อยู่ว่าคุณหลวงไม่ชอบไปงานฉันก็เลยถามนี่ไงฉันผงเผาเฝ้าสมัยนี้นะเองเริ่มตั้งแต่วันเสด็จกลับจากหัวหินหลังเปลี่ยนแปลงฉันก็แต่งตัวไปรับเสด็จที่สถานีจิตลดาเห็นมีแต่ลูกเสือไปตั้งแถวรับและคนก็ไปกันหล่อมแหลมฉันก็ใจหายตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่วันนั้นแหละว่าถํามีงานเสด็จออกที่ไหนฉันจะเฝ้าทุกครั้งจนกว่าจะเดินไม่ไหว หรือจะตายไปวันนี้ก็เลยไปส่งเสด็จที่ตำหนักแพถูกไปยืนตากแดดแต่เช้าร้อนจะเป็นลมเสียให้ได้ขอน้ากินอีกแก้วเถิดแม่พร้อยพอเพิ่มนี่ก็น่ารักมากนะคะพรอยก็บอกเด็กรับใช้ให้ไปหาน้ำมาให้อีกแล้วเป็นอย่างไรบ้างคนไปส่งเสด็จมากไหมก็มากพอดูอยู่ ขอเพิ่มตอบแล้วก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อไปว่าวันนี้ฉันให้นึกสังหรณ์ใจยังไงชอบกวนสังหรณ์ใจทำไมรึคุณหลวงฉันคิดว่าขนนี้คงเป็นหนสุดท้ายในชีวิตฉันที่จะได้เฝ้าพระเจ้าอยู่หัว คำพูดของพ่อเพิ่มที่บอกวันนึกสังหรณ์ใจอย่างไรชอบคนนั้นตอนแรกๆพลอยก็ไม่ได้สนใจอะไรนักนะคะเพราะว่าพ่อเพิ่มนี่ก็เป็นคนที่พูดมากอยู่แล้วแต่ก็ถามไปงั้นๆเองว่าทำไมทำไมถึงพูดอย่างนั้นทำไมถึงพูดเป็นลางนะคะพ่อเพิ่มก็บอกว่าคือตอนแรกเนี่ย พลอยคิดไปแง่คิดว่าพ่อเพิ่มเออ่คงจะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่แข็งแรงก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสจะได้เข้าเฝ้าอีกคิดแต่แง่ของพ่อเพิ่มแต่พ่อเพิ่มปฏิเสธว่าไม่ได้คิดแบบนี้ฉันไม่เดียวว่าฉันจะตายเร็วดอกนะแม่พลอยแต่ฉันอดนึกเกรงไปไม่ได้ว่าเสด็จคราวนี้แล้วจะไม่เสด็จกลับมาอีกพลอยก็ถามว่า ทำไมถึงคิดอย่างนั้นพอเพิ่มให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะฉันเห็นพระพักท่านคล้ำพระเนตรที่มองดูคนที่ไปเฝ้าท่งเสด็จก็ดูเหมือนจะมีแววอาลัยมากกว่าที่เคยเห็นมาจนเสด็จขึ้นเรือพระที่นั่งแล้วก็ยังทรงยืนอยู่ที่กราบเรือโบอกพระหัตถ์อยู่อีกนาน ตาฉันจะฝาดไปหรืออย่างไรก็ไม่รู้แต่ฉันเห็นว่าท่านกวาดพระเนตรมองดูบ้านเมืองปร า, าสาต ร, ราชฐานของท่านเหมือนกับจะสั่งฉันยืนส่งเสด็จจนกระทั่งเรือพระที่นั่งลับไปจึงได้ครับรู้สึกใจหายไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยแม่พร้อยจนบันนี้รู้สึกเหมือนคนไม่มีขวัญพูดแล้วพ่อเพิ่มก็ถอนใจใหญ่ คำพูดและใบหน้าของพ่อเพิ่มทำให้พลอยรู้สึกวางเวงใจแล้วก็นึกสังหรณใจไปในทางที่ไม่ดีเพราะถ้าพระเจ้าอยู่หัวไปคราวนี้แล้วไม่เสด็จกลับจริงอย่างที่พ่อเพิ่มว่าความหวังที่พลอยเคยมีสำหรับตาอ้นก็จะหมดไปคือพลอยมีความหวังว่าพระเจ้าอยู่หัวคงจะทรงทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือคนที่จงรักพักดีแล้วก็มั่นคงในความกระตันอยู่ ความหวังเช่นนี้ตาออดเคยบอกตรงๆว่าเป็นความหวังที่เลื่อนลอยเพราะตามรูปการที่เป็นอยู่พระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงอยู่ในฐานะที่จะทําอะไรได้คือเป็นเรื่องของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการปกครองประเทศแต่พลอยก็ทําหูทวนลมซะไม่ฟังแล้วก็ไม่พยายามที่จะทําความเข้าใจคําอธิบายของตาออดเหมือนกับว่านี่เป็นความหวังชิ้นสุดท้ายซึ่งพลอยพยายามที่จะเก็บเอาไว้เป็นเครื่องคุ้มกันตัวให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ แต่คำพูดของพ่อเพิ่มในวันนี้ยิ่งทําให้ความหวังของพลอยต้องแกว่งไกวไประที่คุณหลวงพูดอย่างนี้คุณหลวงนึกเอาเองหรือว่าได้ยินใครพูดมาฉันนึกเอาเองแหละแม่พลอยคําตอบของพ่อเพิ่มทําให้พลอยโล่งใจขึ้นอ๋อฉันก็นึกว่าได้ยินใครที่ไหนเขาพูดซะอีกแต่ถึงฉันจะนึกเอาเองฉันก็มีเหตุผลนะแม่พลอย และฉันก็นึกอะไรไม่ค่อยจะผิดหรอกว้าฉันและขวางคุณหลวงจริงๆเชียวอยู่ดีๆไม่ว่าดีชอบเที่ยวนึกโน่นนึกนี่แล้วก็เที่ยวคุยไประวังให้ดีเถอะอีกหน่อยก็จะโดนขังอีกรอบพอเพิ่มก็เลยแย้งขึ้นว่าแม่พลอยนึกว่าฉันกลัวโอดทภพายอย่างนั้นละสิ อะไรนะคุณหลวงโอดทพายพูดไม่ดีไม่ถูกใจเขาก็จับไปขังไม่มีสละแม่พลอยเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมาจับฉันไปขังเล่นง่ายๆอย่างแต่ก่อนันไม่ได้หรอกพลอยก็ถามว่าทำไมเอา้าฉันก็ระวังตัวเป็นเหมือนกันนะสิเวลานี้จะพูดจะจาอะไรกับใครฉันก็ดูคนสักก่อนไม่ไว้ใจกันฉันก็ไม่พูดว่าแต่เรื่องในหลวงเสด็จคราวนี้เถิดฉันก็ยังคิดอยู่ว่า ท่านจะไม่เสด็จกลับอยู่นั่นเองฉันละกุ่มใจคุณหลวงจริงๆมีเหตุอะไรที่คุณหลวงจะต้องคิดไปถึงเพียงนั้นมีสินะ่ะก็เรื่องระหว่างในหลวงกับรัฐบาลของท่านเองนั่นแหละฉันว่าไปด้วยกันไม่ได้แม่พ้อยคอยดูไปเถอะฉันยังไม่เห็นมีอะไรเลยคุณหลวงก็ในหลวงท่านก็ทรงยอมทุกอย่างการปกครองแบบใหม่ท่านก็ทรงยอม เห็นตั้งใครต่อใครเป็นอะไรท่านก็ทรงยอมทางฝ่ายรัฐบาลฉันก็เห็นว่าเขาเคารพนับถือท่านเหมือนแต่ก่อนฉันยังไม่เห็นมีอะไรว่าจะต้องขัดกันเลยแต่พอเพิ่มก็ยังคงยืนยันแม่พลอยคอยดูไปก็แล้วกันคนสองคนที่ทำอะไรด้วยกันและตั้งใจทำของอย่างเดียวกันบางทีมันก็ขัดกันได้มาก เย็นตอนนี้ทางฝ่ายรัฐบาลเขากวาดเขาเป็นประชาธิปไตยในหลวงท่านกระซ่งเป็นประชาธิปไตยใจฉันฉันเห็นว่าท่านทรงเป็นประชาธิปไตยมากกว่าใครๆทั้งหมดในเมืองไทยเวลานี้ตรงนี้แหละที่ฉันกลัวนะท่านในหลวงท่านเหม่ทรงเป็นประชาธิปไตยปล่อยให้รัฐบาลเป็นไปแต่ข้างเดียวก็ไม่สู้อะไรแต่นี่ท่านทรงเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เป็นเอามากกว่าใครๆฉันจิงเกลงว่าท่านจะไม่เสด็จกลับ คุณหลวงที่พูดกลับไปกลับมาฉันเลยฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วก็เวียนหัวจริงๆฉันเองก็เวียนหัวเหมือนกันและแม่พร้อยพอเพิ่มตอบยิ้มๆแล้วก็ชวนพรอยคุยเรื่องอื่นการดำเนินคดีกบฏในศาลพิเศษยังคงดำเนินไปเรื่อยๆในที่สุดศาลก็ตัดสินวางโทษจำเลยแต่ละคนไปตามลำดับพรอยเห็นโทษคนอื่นแล้วก็กลุ่มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะว่าโทษนั้นค่อนข้างจะรุนแรงประหารชีวิตก็มีจำคุกตลอดชีวิตก็มียี่สิบปีก็มีและแล้วค่ะวันสำคัญก็มาถึงแต่ออสเดินมาหาพลอยในห้องแล้วก็บอกว่าแม่จ้าแม่ทำใจดีๆไว้หน่อยนะลูกมีข่าวไม่สู้ดีจะมาบอก รอยหันควับไปมองหน้าตาออดทันทีเอื้อมมือไปจับแขนลูกชายเอาไว้แน่นหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะตาอ้อนตาออดพยักหน้ารับคำแล้วก็ถอนใจอ้นเป็นยังไงออดบอกแม่เร็วตาออดกลืนน้ำลายก่อนจะตอบว่าประหาร แล้วตาออดก็ต้องรีบรับตัวแม่ของตนซึ่งโงนฟุบลงไปที่หน้าอกพลอยนี่ก็เป็นลมไปทันทีหน้ามืดไปชั่วครู่เมื่อได้ยินว่าตาอ้นต้องโทษประหารชีวิตจริงๆแล้วพลอยก็ไม่ถึงกับหวังว่าตาอ้นจะหลุดพ้นได้รับการปล่อยตัวนะคะแต่ก็ไม่เคยคาดคเนว่าตาอ้นจะต้องรับโทษหนัก ถึงขั้นประหารคำพูดสั้นๆของตาออดแค่คําเดียวทำให้หัวใจของพลอยแทบจะปลิวไปจากตัวรู้สึกหนาวไปทั้งสารพางกายทั้งที่เหงื่อเม็ดโป้งๆพูดออกมาบนใบหน้าตาอัดค่อยๆพยุงแม่ลงเอนตัวนอนแล้วก็เอาหมอนมาหนุนศรีรษะให้พรางยื่นยาดมซึ่งมีอยู่ในเช่นหมาให้พลอย เดี๋ยวก่อนออสออสจะพึ่งไปไหนให้แม่ได้นอนหลับตาสักครู่แม่ไม่สบายแม่นอนนิ่งๆสะก่อนออสจะอยู่ที่นี่แต่ออสหาพัดจากข้างที่นอนมาโบกให้แม่เบาๆพลอยรวบรวมสมาธิและความรู้สึกนึกคิดพอที่จะถามตาออสว่าข่าวที่ได้รับมาไม่ผิดพลาดแน่หรือตาออสก็ยืนยัน ไม่ผิดหรอกแม่เพราะถ้าผิดออสก็คงไม่เอามาบอกให้แม่ตกใจเปล่าๆพรอยถอนใจลืมตาขึ้นมองหน้าตาออสอันรู้แล้วเหรอรู้แล้วที่อันเขาไปงนบอกเรื่องนี้กับลูกเองแล้วให้ออสไปบอกคุณแม่ แล้วพี่อั้นไปไหนเขายังทำงานอยู่ที่กระทรวงเขาให้ลูกเป็นคนมาบอกให้คุณแม่รู้ลูกจะให้เขามาบอกเองเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าเขาทําไม่ได้ใจไม่แข็งพอเขาดูหน้าคุณแม่ตอนนั้นไม่ได้พรอยรู้สึกตัวว่าน้ำตาเริ่มจะไหลวินวินออกมาตามใบหน้า แต่ออดก็รู้ใจรีบส่งพระชน้าให้ผืนนึงแม่ไม่เข้าใจเลยออททำไมอ้นถึงได้เคราะห์ร้ายถึงเพียงนี้คนอื่นๆเขาก็แค่ติดคุกแต่ทำไมทำไมตาอ้นจึงต้องประหารชีวิตเรื่องนี้ก็พูดยากเหลือเกินแม่จา๋าถ้าจะว่าไปจริงๆ พี่อ้นก็ดูเหมือนจะเป็นตัวการวิ่งเต้นมากกว่าคนอื่นเพราะพี่อ้นไม่ได้มาตามคำสั่งของนายเท่านั้นแต่ก่อนเกิดเรื่องพี่อ้นยังได้ติดต่อกับใครต่อใครแล้วก็เที่ยวชักชวนเพื่อนฝูงให้ร่วมมือด้วยเท่าที่ลูกว่ามานี้ก็ว่าตามที่เขาสื่อพยานในศาลแล้วก็เห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้แ่ละพี่อ้นก็เลยรับโทษหนักที่สุดมากกว่าคนอื่นๆหลายคน แม่ไม่เคยเห็นอ้นเป็นศัตรูต่อใครแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครเกลียดชังทำห้ถึงมีคนมาใส่ความพรอยพูดด้วยความรู้สึกของผู้หญิงแท้ๆที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของตนนั้นต้องเป็นฝ่ายถูกแล้วก็เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายถูกใส่ร้ายซึ่งจริงๆแล้วกรณีของตาอ้นก็ไม่ใช่เรื่องของดีหรือว่าของไม่ดีนะคะมันเป็นเรื่องที่ว่าใครมีอานาจ แตอ่ออก็พยายามอธิบายกับแม่ว่าไม่มีใครใส่ความหลอกเพราะว่าตาอ้อนเองก็ให้การตามนั้นเหมือนกันคือตาอ้อนเองก็ยอมรับในการกระทําของตัวเองคําตอบของตาออ่อก็ทําให้พลอยต้องนิ่งไปครู่ใหญ่แม่ต้องไปหาตาอ้อนให้ได้ได้สิแม่ต่อไปนี้ก็คงจะไปหาเยี่ยมเยือนกันได้บ้างเดี๋ยวลูกจะจัดการเรื่องนี้ให้เองเมื่อไหร่ออส พลอยถามอย่างร้อนใจเมื่อรู้ว่ามีโอกาสจะได้พบตาอ้อนได้พลอยก็รู้สึกใจดีขึ้นบ้างแต่ออสบอกว่าจะพยายามทำให้เร็วที่สุดแต่ระหว่างนี้พลอยต้องรักษาตัวให้ดีอย่าเจ็บใข้พลอยรีบลุกขึ้นนั่งทันทีแม่ไม่เจ็บใข้อะไรเลยออสออสรีบไปสืบดูนะว่าเขาจะให้แม่ไปเยี่ยมได้ที่ไหนเมื่อไรแล้วก็ขอให้รีบทาเร็ว อย่าทะเลทลายวันนั้นทั้งวันแล้วก็รุ่งขึ้นอีกวันพี่น้องเพื่อนฝูงที่รู้ข่าวต่างก็พากันมาเยี่ยมพลอยคุณเชยและหลวงโอสดมาเยี่ยมในตอนบ่ายแล้วก็อยู่กินข้าวเย็นรุ่งขึ้นคุณเชยก็มาอยู่กับพลอยทั้งวันส่วนช้อยก็ออกจากวังมาหาในวันรุ่งขึ้นทุกคนรู้เรื่องและก็รู้ใจพลอยเป็นอย่างดี ทุกคนจึงไม่ปรีปากพูดถึงเรื่องตาอ้นแต่ว่าพูดคุยถึงเรื่องอื่นๆพอพลอยพูดเรื่องตาอ้นขึ้นมาก่อนทุกคนก็พยายามปลอบโยนให้พลอยทาใจดีๆไว้และเท่าที่พลอยสังเกตพลอยก็รู้ว่าทุกคนนั้นหมดหวังไม่น้อยไปกว่าพลอยเลยพอะเพิ่มเป็นคนคนเดียวที่ให้ความหวังแก่พลอยได้บ้าง แล้วก็คอยช่วยพูดจาให้พลอยมีกำลังใจสามารถที่จะทรงกายได้ต่อไปเป็นปกติแม่พลอยทำใจดีๆไว้ก่อนยังไม่เป็นไรหรอกคุณหลวงจะให้ฉันทำใจดีไปถึงไหนเขาจะเอาลูกฉันไปฆ่าทั้งคนถ้าลูกฉันเจ็บไข้เป็นอะไรตายฉันก็พอจะทำใจได้ถูกแต่ที่เป็นคนละอย่าง อย่าพึ่งตีโพยตีพายไปหน่อยเลยนะเชื่อฉันเถอะถึงสารจะพิพากษาแล้วก็ใช่ว่าเขาจะไปฆ่าแกงได้ทันทียังมีทางเหลืออีกเป็นกองพลอยก็ถามว่าทางอะไรทางทุนกล่าวถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษคุณหลวงว่าเราจะมีความหวังบ้างไหมพรอยถามอย่างอ่อนใจแม่พรอย ตราบใดที่คนเรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ต้องมีความหวังอยู่เรื่อยๆเพราะเพิ่มพูดเหมือนกับกำลังสอนเด็กๆนี่เป็นอีกช่วงเวลาที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของพลอย ช่วงเวลาที่พลอยต้องรอคอยแล้วก็ช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าความหวังนั้นจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆกับการที่คนซึ่งตัวเองรักมากคนหนึ่งกำลังจะถูกพรากไปโดยความตาย ตั้งแต่ตา อ, อนเริ่มมีเรื่องจนต้องอยู่ในที่คุมขังแล้วก็ในที่สุดกลายเป็นนักโทษประหารที่รอเวลาประหารอยู่ในคุกจริงๆแล้วตาอ้นนี่เป็นฝ่ายตรงข้ามซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะช่วยเหลือได้แต่พลอยก็เริ่มรู้ตัวละค่ะว่าตาอ้นซึ่งเป็นลูกของตัวเองแท้ๆนั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้ พลอยเชื่อเสมอว่าตาอ้นคือตาอ้นก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรต่ อ, อน้นไม่ได้เกลียดชังอะไรต่ อ, อ้นนะคะเพียงแต่ว่าการทะเลาะ ก, กันก็คล้ายๆกับเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อารมณ์พาไปทําให้ต้องปะทะาขารมกันแล้วพลอยก็รู้ดีว่าตาอ้นก็เห็นใจแล้วก็สงสารพลอย ไม่น้อยไปกว่าลูกคนอื่นๆและจริงๆจะว่าไปแล้วตะอั้นก็มีความวิตกแล้วก็ห่วงใหญ่ในตาอน้นไม่น้อยไปกว่าพี่น้องหรือว่าญาติคนอื่นๆแต่อุปสรรคอันแท้จริงที่คอยกีดขวางมีให้ตะอั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับตาอ้นในตอนนี้อยู่ที่ตะอัน้นต้องระวังรักษาตัว มีให้ใครมองดูด้วยความระแวงสงสัยใครนั้นก็หมายถึงผู้มีอำนาจวัสนาอยู่ในขณะนั้นคือตาอัา น, นยังไม่สามารถจะทําอะไรได้ตามใจตัวเองด้วยเหตุผลทางการเมืองซึ่งเป็นเหตุผลที่พลอยไม่ได้สนใจหรือพยายามที่จะเข้าใจได้แต่จดจําเอาไว้ว่าการเมืองซึ่งเป็นของใหม่ที่พลอยเพิ่งจะรู้จักมีผลมากมายกับครอบครัวของพลอย การเมืองอยังเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้พี่น้องต้องระวังตัวไม่สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้เต็มมือในขณะที่มีทุกข์ยามคับขันทีนี้เมื่อพลอยรู้ว่าตาอั้นเนี่ยไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งได้พลอยก็เลยหันเข้าหาอีกสองคนก็คือตาออดแล้วก็พ่อเพิ่มเมื่อมีความทุกข์หรือความกังวลเกี่ยวกับตาอ้น พอยก็จะต้องหันหน้าเข้าปรึกษาสองคนนี้หนึ่งหนึ่งในส่วนของตะออดนั้นมีแต่ความเห็นใจแล้วก็คำพูดที่อ่อนหวานปลอบโยนแต่จิตใจของตะออดก็ดูเหมือนจะทอดอาลรในชะตากรรมของพี่ชายไม่มีความหวังอะไรมากนักเหมือนกับทาใจได้ในขณะที่พ่อเพิ่มซึ่งเต็มไปด้วยความหวังมีคำพูดต่างๆและก็เหตุผลต่างๆ ที่สามารถจะปลุกปลอบความหวังของพลอยซึ่งขดหูลงไปทุกวันให้กลับฟื้นคืนมาได้ไม่มากก็น้อยทุกทีไปคือดูจากบุคลิกพ่อเพิ่มนี่ก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็มีความหวังในชีวิตอยู่เสมอนะคะอย่างเช่นวันหนึ่งพ่อเพิ่มก็มาบอกกับแม่พลอยว่าแม่พลอยฉันเกิดสังหรณ์ใจอะไรขึ้นมาอีกแล้วพลอยก็ใจคอไม่ดีสังหรณ์ทีไรมีแต่เรื่องร้ายๆทุกทีนะคะ สังหอนอะไรอีกเล่าคุณหลวงฉันกลัวแล้วไม่อยากจะได้ยินเลยเขาที่มีทุกข์อยู่เวลานี้ฉันก็แทบจะทนไม่ไหวยอยู่แล้วไม่เป็นไรรอกแม่พ้อยฉันสังหอนดีๆก็เป็นเหมือนกันพรอยก็เลยใจชื้นขึ้นนะคะถามว่าสังหอนอะไระสังหอนดีๆค่อยน่าคุยค่อยน่าฟังหน่อยก็เรื่องของพ่อโอนนั่นแหละึ่งไป น, นอนคิดอยู่เมื่อคืนนี้นอนไม่หลับอยู่จนดึก ทีแรกก็เป็นห่วงเต็มทีเหมือนกันแต่ยิ่งคิดไปก็หายห่วงฉันนึกว่าพออน้นคงไม่เป็นอะไรนักหนาหรอกคอยดูไปเถิดฉันก็อยากจะนึกอย่างคุณหลวงเหมือนกันแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกดูการข้างหน้ามีแต่จะมืดไปหมดถ้าฉันนึกสังหรณ์ได้ดีๆอย่างคุณหลวงได้ฉันก็คงจะสบายใจหา้อยไม่ฉันนึกอะไรออกขึ้นมาอย่างหนึ่งนะแม่พร้อย พอเพิ่มลดเสียงลงเป็นกระซิบแล้วก็กวาดตาดูรอบๆตัวเพื่อจะมีใครคอยฟังเรื่องราวที่กำลังพูดกันอยู่นั้นบ้างนะคะเมื่อเห็นว่าไม่มีใครพอเพิ่มก็บอกว่าคนที่ถูกศาลี่ภากษาประหารชีวิตนั้นใช่ว่าจะเอาไปประหารกันได้ง่ายๆดอกไม่พร้อยต้องให้ในหลวงท่านลงพระนามในพระบรมราชโอการสั่งให้ประหารซะก่อน เขาถึงจะเอาไปทำตามคาพิภากษาได้แล้วยังไงเอาแล้วจะยังไงเสียอีกเล่าก็ในหลวงท่านคงไม่ลงพระประมาพิไทยง่ายๆนะสิจริงเลยนี่คุณหลวงฉันคิดว่าอย่างนั้นนะแม่พลอยคิดให้ดีๆก่อนลกันเรื่องนี้นะ่ะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนผูพกพันกับคนเป็นจำนวนมาก ถ้าเป็นนักโทษคดีปล้นข่าเจาทรับหรืออะไรอย่างนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่นี่ไม่ใช่เรื่องเป็นอย่างไรมาจากไหนเกิดขึ้นได้ยังไงก็รู้กันอยู่ทั่วๆไปแล้วฉันเอาความรู้สึกในใจฉันเข้าเทียบพวกจำเลยคดีนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนที่เคยเห็นเห็นหน้ากันอยู่เคยทำราชการงานเมืองมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็มากคนเหลือเกินจะเอาไปฆ่าให้หมดก็ดูกะไรกะไรอยู่ ฉันว่าถ้าในหลวงท่านทรงยับยั้งไว้ก็คงไม่มีใครกล้าจะไปทำพลอยถอนใจเมื่อเห็นว่าสังหรณ์ของพ่อเพิ่มนั้นเกิดจากใจของพ่อเพิ่มเองทั้งสิน้นมิได้มีเหตุผลหรือว่าหลักฐานที่หนักแน่นยิ่งไปกว่า น, นั้นฉันยังไม่อยากจะคิดหวังอะไรให้มากเลยนะคุณหลวงกลัว จ, จะไม่เป็นจริง แล้วก็จะยิ่งโทมนัดไปใหญ่แค่นี้ฉันก็แก่ลงไปมากแล้วร้องไห้จนแทบไม่มีน้ำตาเหลือคุณหลวงอย่าลืมว่าเวลานี้ใครๆก็เรียกตะ อ, อ้นว่ากบฏกันทั้งเมืองใครก็จะไปยกโทษให้โทษกบฏนั้นเขาก็ต้องลงโทษอย่างหนักใครๆก็รู้ไม่แน่เสมอไปหรอกแม่พลอยดูแต่เมื่อครั้งรอสอร0สาสิบเมื่อแผ่นดินก่อนสิเขาคิดรุนแรง ถึงกับจะทำร้ายในหลวงแต่ท่านก็ไม่เอาชีวิตเพียงให้จำไว้เท่านั้นเดี๋ยวนี้พวกก็ออกกันจนหมดแล้วเมื่อคราวพระราชทานอบยโทษตอนผััดแผ่นดินใหม่แม่พลอยอย่าเพิ่งไปท้อถอยหมดกำลังใจรอดูไปก่อนเถอะทุกมากนักเดี๋ยวจะเจ็บไข้เดยป่วยไปพลอยได้ยินคำพ่อเพิ่มก็ยิ่งจะเห็นจริงคิดถึงความลังที่ผ่านไปแล้วนั้นขึ้นมาได้พลอยยังจาได้ดี เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อต้นรัชกาลที่หกนั้นก็เป็นที่รู้กันแล้วก็พูดจาเรื่องลือทั่วไปตอนนั้นพลอยยังสาวๆอยู่ตอ่อ้นอยังเล็กคือเป็นช่วงที่ตาอ้อนเนี่ยเพิ่งจะเดินได้ไม่นานนะคะคุณเปรมเป็นคนมาเล่าให้พลอยฟังอย่างตื่นเต้นว่ามีการจับกลุ่มพวกคิดการร้ายต่อแผ่นดินได้หลายคนมีทั้งทหารแล้วก็พ ล, ลเรือน คนพวกนั้นคิดประทุสรลายพระเจ้าอยู่หัวถึงกับว่านัดหมายกันให้ไปยิงพระองค์ที่สถานีรถไฟบางก อ, อกน้อยในขณะที่เสด็จกลับนครขณะที่เสด็จกลับจากนกครปฐมแต่ว่าความแตกขึ้นซะก่อนนะคะก็เลยจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้เป็นจำนวนมาก คุณเปรมยังบอกว่าบัญชีชื่อผู้คิดการครั้งนั้นขาดหายไปหลายคนคงได้แต่ตัวผู้ที่มีชื่อในบัญชีพรอยจำได้แน่ว่าความรู้สึกของคนทั่วไปในขณะนั้นตรงกันในข้อที่ว่าคนที่ถูกจับได้คงไม่มีใครรอดอาญาแผ่นดินใครๆก็บอกว่าคงจะต้องหัวขาดกันทุกคนไปแต่พอเพิ่มก็พูดถูกเพราะในตอนสุดท้าย ได้ทรงพระมหากรุณายกโทษประหารเสียคงเหลือแต่โทษจำและก็ในที่สุดเมื่อลนกล้าวรัชการที่หสวย ร, ราชครบ15หปีบริบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2468กก็ทรงพระมหากรุณาให้ปลดปล่อยตัวนักโทษเหล่านี้ทุกคนก็ได้หลุดพ้นโทษออกมาเป็นอิสระ ไนึกด้วยใจของแม่ที่รักลูกว่าต่าอ้นไม่ได้ทำผิดมากมายเหมือนคราวนั้นและก็ดูเหมือนจะรู้กันอยู่ทั่วไปว่าต่าอ้นและคนอื่นๆ อ, อีกเป็นอันมากในคดีนั้นต้องประสบเคราะห์กรรมเพราะความซื่อสัตย์จงรักภักดีซึ่งถึงแม้ว่าจะผิดการผิดสมัยก็ยังเป็นความจงรักภักดีอยู่นั่นเองเมื่ออย่างนี้ ครอบกรรมของตาอุอนจะร้ายแรงถึงกับชะตาขาดลงทีเดียวหรือพรอยยังไม่สามารถที่จะเชื่อสนิทว่าจะเป็นไปได้ความหวังกลับผุดขึ้นมาในใจอีกความหวังเหมือนกับเปลวไฟดวงเล็กๆที่จุดอยู่ในหัวใจเสมอถึงแม้ว่าความมืดมนจะผ่านเข้ามาในหัวใจสักเท่าไหร่เปลวไฟดวงเล็กนั้นก็ไม่ได้ดับลงพรอยหารู้ไม่ว่าเปลวไฟแห่งความหวังนั้น ได้ถูกหล่อเลี้ยงเอาไว้ด้วยเชื้อจากคำพูดของหมอดูจีนสองสาคำที่ได้พูดเอาไว้นานจนพลอยลืมสนิทแล้วว่าแต่อนต้นโตขึ้นจะต้องติดคุกแต่แล้วก็จะได้ออกและเมื่อออกแล้วก็จะสบายไปจนตายถึงแม้ว่าพลอยจะลืมเรื่องราวและคำพูดนั้นแล้วทั้งหมดแต่คาพูดนั้นก็ยังติดอยู่ภายใต้สานึกแล้วก็คอยหล่อเลี้ยงความหวังให้มีอยู่ในหัวใจของพลอยตลอดมา ถ้าหากว่าความหวังนี้หมดสิ้นลงเมื่อใดบางทีพลอยก็คงไม่อาจทนทานความทุกข์ที่สมกันหนักขึ้นในหัวใจนั้นได้พลอยเคยนึกอยู่บ่อยๆว่าบางทีในขั้นสุดท้ายพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นจะเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยเหลือต่ออ้นได้ทันเมื่อพ่อเพิ่มมาพูดครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าอยู่หัวจะไม่เสด็จกลับ ความหวังที่เหมือนเปลวไฟอันริบ ป, ปรีก็ยิ่งริบ ป, ปรีลงไปแต่คำพูดของพ่อเพิ่มวันนี้ว่าพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ได้ทรงลงพระปรามาพิไทยให้ทหาราให้ประหารนักโทษคดีกบฏและอาจไม่ทรงลงพระปรามาพิไทยก็ได้เปลวไฟที่เกือบจะมอดดับอยู่แล้วก็กลับมีแสงสว่างเรืองขึ้นมาอีกข้างฝ่ายของตออดตาออปรับปากว่า จะพาพลอยไปเยี่ยมตาอ้นให้ได้พลอยก็ได้แต่ตั้งใจคอยเวลานั้นแล้วก็ไม่ปรีบากถึงเรื่องนี้ให้ตาอ้านรู้เพราะเกรงว่าตาอ้านจะไม่พอใจหรือว่าจะหาทางป้องกันม่ให้พลอยไปเยี่ยมดังนั้นเมื่อตาอ้านถามขึ้นในวันหนึ่งว่าได้ยินจากออดเขาว่าคุณแม่จะไปเยี่ยมพี่อ้นพลอยก็ได้แต่ตอบตะกุกตะกัก อย่างลำบากใจจนกระทั่งตาอัน้นคุกเข่าลงตรงหน้าจับมือทั้งสองของพลอยไปรวบเอาไว้ในมือของตนแล้วพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงน้ำใสใจจริงว่าคุณแม่ขอให้คุณแม่เชื่อผมสักพีเถิดว่าผมเห็นใจคุณแม่เป็นที่สุดถ้าคุณแม่อยากไปเยี่ยมพี่อน้นก็ไปเถอะผมไม่ห้าม เพราะเวลานี้คดีก็เสร็จลงแล้วจะไปเยี่ยมตามเวลาที่เรือนจำเขาอนุญาตก็ได้ผมเป็นห่วงอย่างเดียวผมห่วงตัวคุณแม่เองผมอยากถามคุณแม่ว่าคุณแม่ทำใจได้พร้อมที่จะไปเยี่ยมพี่อ้นหรือยังที่ผมไม่อยากให้คุณแม่ไปแต่ก่อนก็เพราะเรื่องนี้ผมกลัวว่า ถ้าคุณแม่ไปเห็นพี่อ้นในที่คุมขังเป็นนักโทษคุณแม่จะยิ่งทุกข์ยิ่งวิตกกังวลหนักขึ้นอาจจะทำให้คุณแม่ถึงกับเจ็บไข้ลงไปก็ได้ข้อนี้หรอกที่ผมเป็นห่วงมากเดี๋ยวนี้คุณแม่พร้อมหรือยังคุณแม่เข้าใจหรือยังว่าพี่อ้นเป็นคนโทษในคุกไม่ใช่ว่าอยู่อย่างคนธรรมดาที่จะเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่กันเป็นปกติ พลอยเงยหน้าขึ้นสูงสายตาเพ่งไปที่ขอบเพดานเพราะไม่อยากจะให้ตาอั้นเห็นน้ําตาไม่อยากจะให้ตาอั้นจับได้จากใบหน้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยตนก็ยังไม่พร้อมเลยที่จะเห็นตาอ้อนอยู่ในคุกและเมื่อได้เห็นแล้วจะเป็นอย่างไรต่อก็สุดที่จะคาดเดาแต่ถึงอย่างนั้นพลอยก็จะไปหาตาอ้อนให้จงได้ถ้าพลอยซึ่งตาอ้อนรักเป็นแม่ ไม่ไปหาตะอ้อนในยามนี้โลกมนุษย์ซึ่งกำลังเสื่อมหลักฐานหมดที่ยึดเหนี่ยวลงทุกวันในสายตาของพลอยก็คงจะหมดาราคาจนสิ้นไปพลอยตอบตะอ้นไปด้วยถ้อยคำที่ไม่ตรงต่อความรู้สึกแม้แต่น้อยว่าแม่พร้อมแล้วอ้นทำใจได้ถูกแล้วแม่ไม่เป็นอะไรหรอกอ้นอย่าวิตกเลย ต่อันนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเหมือนกับจะชั่งใจตัวเองถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วอีกสองสมวันคุณแม่ค่อยไปเพราะว่าจะต้องไปถึงบางขวางต้องไปเรือผมจะไปหาเรือยนต์เตรียมไว้ให้เวลาคุณแม่จะไปก็เอาออสเข้าไปด้วยแต่อันไม่ได้เคยปริปากเลยว่าปรารถนาจะไปเยี่ยมพี่ชาอยู่เหมือนกันแต่ที่ไม่ไป ก็เพราะยังไม่แน่ใจว่าพี่ชายตัวเองนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรสําหรับตนในเวลานี้คือจริงๆตะอั้นก็อยากไปเยี่ยมแต่ไม่รู้ว่าถ้าไปเนี่ยจะมองหน้ากันยังไงนะคะเมื่อพูดแล้วตาอั้นก็เดินหายไปทางอื่นพลอยนั่งทอดสายตามองตามตาอั้นที่กำลังเดินออกไปจากห้องจนหลับตา พอตาอ้นพ้นไปแล้วพลอยก็ถอนใจนึกในใจว่าเพราะการเมืองแท้ๆทีเดียวการเมืองเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้พลอยต้องเสียลูกไปถึงสองคนเมื่อก่อนที่การเมืองจะเข้ามาเกี่ยวข้องลูกทุกคนยังอยู่กับพลอยเป็นกรรมสิทธ์อย่างเตาอ้นถึงจะไม่ได้อยู่ร่วมหลังคาเดียวกันเพราะว่ามีราชการบังคับให้ต้องไปอยู่หัวเมืองแต่แตาอ้นก็ยังไม่ได้ไปไหนเมื่อมีธุระปะ ป, ะปางอะไร หรือว่าคิดถึงก็สามารถที่จะส่งข่าวไปยังตาอ้นได้และเมื่อตาอ้นรู้ก็จะเข้ามาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ส่วนตาอัน้นถึงแม้จะมีเมียต่างชาติต่างภาษาทําให้ต้องห่างเหินออกไปบ้างแต่ตาอั้นก็ยังคงอยู่ใต้หลังคาบ้านเดียวกันได้พูดจาใกล้ชิดกันอยู่ทุกวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิม ความแน่ใจว่าพรอยมีลูกผู้ชายที่แข็งแรงเติบโตแล้วถึงสามคนนั้นช่างดูเลื่อนลอยการเมืองทำให้ตะอ้นต้องเป็นนักโทษประหารถูกจองจำอยู่ในคุกแล้วก็มีชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้เส้นบางนิดเดียวที่จะขาดลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ได้ตั้งแต่เกิดเรื่องมาจนถึงบัดนี้ ก็ยังไม่ได้พบหน้าค่าตากันเลยแม้แต่จะเยี่ยมเยียนกันตามประษาะแม่ลูกก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอุปสรรคไปเสียทุกอย่างแต่มาคิดดูอีกทีที่พลอยต้องเสียตาอ้นไปคราวนี้ก็เป็นการสูญเสียทางกายคือตาอ้นต้องไปตกอยู่ในที่คุมขังแข็งแรงไม่มีอิสรภาพในตัวของตัวเองส่วนทางใจพลอยรู้ดีว่าตาอ้นยังอยู่ใกล้ชิด และในยามเช่นนี้ก็ยิ่งจะใกล้ชิดไปกว่าเวลาอื่นๆพรอยนึกถึงตาอัน้นลูกคนหัวปีของตนแท้ๆตาอั้นอยู่ในบ้านและอยู่คนเดียวเพราะว่าลูซินยังไม่กลับจากฝรั่งเศสพรอยถามตาอั้นเรื่องลูซินครั้งไรตาอั้นก็พูดจาอ้อมแอมฟังดูเหมือนกับว่ายังไม่อยากให้กลับถ้าจะพูดด้วยเหตุผลทั่วไปตาอั้นก็ควรจะเป็นของแม่ในเวลานี้ ยิ่งกว่าเมื่อตอนกลับจากนอกใหม่ๆก็คือคือไม่มีเมียมาแบ่งแยกความสนใจนะคะน่าจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากกว่าแต่ก่อนแต่ความเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่อันตอนนี้แม้ว่าจะอยู่ตัวคนเดียวกลับดูเหมือนจะยิ่งห่างเหินจากพลอยไปกว่าครั้งที่ดูซินยังอยู่ซะอีกดตอนนี้ต่อันกลายเป็นคนนิ่งๆ ไม่ค่อยพูดทจ้าจากับใครแล้วก็ทําทีเหมือนกับว่าประแวงพี่น้องที่สนิทสนมมาแต่ก่อนอย่างตาออดแล้วก็พ่อเพิ่มกับพลอยพลอยก็รู้ว่าตาอั้นนั้นยังรักแล้วก็เคารพตนในฐานะที่เป็นแม่ยังหวังดีเจตนานดีอยู่เหมือนเดิมแต่ตาอั้นก็ดูเหมือนจะนึกเสียว่า แม่ของตนนั้นอยู่คนละสมัยคนละโลกไม่มีทางที่จะทำความเข้าใจหรือว่าเห็นใจกันได้และตาอั้นก็ไม่ได้พยายามทั้งที่พลอยพร้อมอยู่ที่จะให้ความเห็นใจและก็เข้าใจตาอัน้นความห่างเหินของตาอัน้นทำให้พลอยได้ตะนึกโทษเอาเองว่านี่หละเป็นเพราะการเมืองการเมืองเป็นสิ่งที่รุกราเข้ามาในชีวิตครอบครัวของพลอย ทำให้พี่น้องต้องทะเลาะกันแล้วก็ทำให้พลอยต้องรู้สึกว่าได้เสียลูกไปแล้วถึงสองคนขณะนี้ยังเหลือตะอด อ, อีกคนหนึ่งแล้วก็ประภัยอีกคนหนึ่งแต่พลอยก็ชักไม่แน่ใจเสียแล้วว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร พยานนี้พลอยมองชีวิตของตัวเองแล้วก็รู้สึกโปร่งไม่น้อยชีวิตของพลอยเปลี่ยนไปพอสมควรนะคะคือโดยส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่แต่ในแง่ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆนั้นเปลี่ยนไปไม่น้อยเพราะเพื่อนฝูงที่รู้จักคุ้นเคยกันมาแต่ก่อนได้แสดงกิริยาอาการให้พลอยเข้าใจได้ว่า ไม่อยากจะคบกับพลอยอีกต่อไปบางคนแม้แต่จะพูดจะจาอะไรกับพลอยก็ดูเหมือนว่าจะระมัดระวังทําให้พลอยเห็นว่าตนเองเป็นคนนอกไม่เกี่ยวข้องสนิทสนมกับเพื่อนฝูงเหมือนแต่ก่อนต่างจากเมื่อตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ตอนนั้นจะมีเพื่อนฝูงอยู่กลุ่มหนึ่งที่ห่างเหินไปแต่ว่ามีเพื่อนฝูงอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ดูเหมือนว่าจะยินดีในการที่จะคบหาแล้วก็เข้ามาใกล้ชิดพลอยมากขึ้นไปกว่าเดิมท้งนี้เพราะว่าตาอั้นมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะแล้วก็ฝ่ายของตาอั้นก็เป็นฝ่ายชนะคนที่มองเห็นประโยชน์ที่อาจจะพึงมีพึงได้จากตาอัน้นก็เข้ามาคบหากับพลอยแต่ตอนนี้สถานการณ์พลิกผันลูกของพลอยคนหนึ่งถูกพิพากษา ว่าเป็นกบฏและก็ต้องโทษประหารชีวิตทำให้ณนะตอนนี้คนทุกฝ่ายดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยากคบพลอยเอาเเลยนะคะทุกฝ่ายดูเหมือนจะทิ้งพลอยมีแต่คนระมัดระวังหลีกเลี่ยงและก็ไม่ยอมพบปากกับพลอยเพราะเกรงว่าพลอยอาจจะเป็นคนนำอันตราย หรือนาพาความยุ่งยากต่างๆมาให้ในฐานะแม่ของกระบฏจริงๆพลอยก็ไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรนักหนาพลอยเองก็มีชีวิตอยู่มาจนกระทั่งได้เห็นอะไรต่อมิอะไรมากมายโดยเฉพาะความไม่แน่นอนของชีวิตแต่พลอยก็อดที่จะปรงอยู่ในใจไม่ได้ว่ามิตรภาพและความสัมพันธ์ต่างๆที่มีมาช้านานนั้น หมดความหมายลงไปได้มากเมื่อการเมืองอันเป็นของใหม่ได้ย่างกลายเข้ามาตอนนี้ในชีวิตของพลอยก็ดูเหมือนว่าจะเหลือเพียงพ่อเพิ่มคุณเชยแล้วก็ช้อยแล้วก็คนในครอบครัว คือเหลือเฉพาะคนที่เป็นญาติสนิทแล้วก็ใกล้ชิดกันจริงๆคุณเฉยนั้นดูเหมือนจะแก่ลงไปแล้วก็เงียบลงไปกว่าเดิมครั้งหนึ่งคุณเฉยปรารบกับพลอยว่าแม่พลอยตั้งแต่บ้านเมืองเรามีเรื่องยุ่งๆกันนี้ฉันรู้สึกตัวว่าแก่ลงไปถนัดใจฉันเองก็เหมือนกันคุณเชย พอยเองก็รู้สึกเช่นนั้นนะคะคุณเชยบอกว่าความจริงฉันก็อยู่ต่างหากไม่ได้ไปมีอะไรเกี่ยวข้องใกล้ชิดเหมือนกับแม่พลอยแต่ฉันก็ได้แต่นั่งดูไปแล้วก็รู้สึกตัวว่าแก่ลงไปทุกวันเดี๋ยวนี้ฉันอายุห้าสิบกว่ า, วาแต่ใจนั้นดูเหมือนว่าอายุสักแปดสิ 80, มันดูขุข่ําครึ้เสียจริงๆ อาจจะเป็นเพราะฉันได้เห็นอะไรมามากโดยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาด้วยเท่านั้นเองตั้งแต่จำความได้ฉันเห็นเจ้าคุณพ่อมีบุญวาสนาผูกคนมากมายคลึกคลื้นอยู่ในบ้านจนกระทั่งเห็นท่านหมดบุญเครื่องประดับบุญบารมีก็ร่อยรอลงไปทุกทีสุดท้ายท่านก็ตายไปหรือว่าอย่างคุณอุ่นที่แรก เธอก็ทำอำนาจมากอยู่แม่พลอยก็รู้เงินทองเธอก็มีเป็นหนักหนาแต่เดี๋ยวนี้ก็ดูเอาเถิดเจ้านายผู้มีบุญวั ส, สนาก็หมดสิ้นกันลงไปเรื่อยๆจนถึงเดี๋ยวนี้ฉันดูไปก็ยิ่งโปรงตกไม่เห็นจะมีอะไรเที่ยงแท้ยิ่งปรงตกก็ยิ่งเห็นตัวเองแก่ใกล้ตายเข้าไปทุกทีจะเข้าวัดเข้าวาอย่างคนอื่นเข้าก็ไม่ได้ มีคุณหลวงเป็นคนแก่ให้ต้องเลี้ยงอยู่ทั้งบ้านอีกคนหนึ่งถ้าฉันไม่คอยดูก็คงจะตายเร็วทั้งที่เป็นหมออยู่อย่างนั้นแหละคุณเฉยนี่ก็พูดได้ตรงกับใจของพลอยทีเดียวนะคะพลอยก็นึกอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้พอพลอยได้เจอกับชอยพลอยก็เลยปรารบเรื่องนี้กับชอยบ้างแต่ชอยนั้นกลับมีมุมมองที่แตกต่างไปจากคุณเชยแบบตรงกันข้ามเลยทีเดียว ก็ไม่เห็นจะมีอะไรแปลกนี่พลอยฉันแก่มาก่อนตั้งเป็นนานยังไม่เห็นจะบ่นเลยสนุกดีซะอีกพอคนเ้ารู้ว่าเป็นยายแก่ปั้มปั้มเป๋เ ป, เ ป, เป๋จะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นหลอกช้อยฉันหมายความว่าบ้านเมืองเราทุกวันนี้ทำให้เราเห็นว่าตัวเองแก่ลงไปเพราะว่าอะไรต่ออะไรมันเปลี่ยนไปจนหมด จนแทบจะจับต้นชนปลายไม่ถูกแก่ช้าแก่เร็วมันก็แก่เท่ากันแหละพร้อยเอ้ยแล้วถ้าจะว่าไปจริงๆฉันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนผลัดกันแต่ตัวคนตายไปบ้างเดี๋ยวคนโน้นมีบุญคนนี้หมดบุญสมัยเรายังเป็นสาวๆเคยพูดกันถึงเรื่องขึ้นขึ้นตกตกของเจ้าจอมในวังเดี๋ยวนี้เราอายุมากขึ้นก็เห็นมากได้รู้ว่า ก็มีขึ้นมีตกกันทั้งเมืองก็แค่นั้นเองพลอยฟังแล้วก็สงสัยนะคะว่าไอ้คนอย่างชอยเนี่ยไม่มีความทุกข์กับเขาบ้างเลยหรือยอย่างไรนะคะทำใจได้ไปหมดเลยชอยก็เลยเฉลยบอกว่ามันก็มีเหมือนกันนั่นแหละแต่พอฉันจะอ้าปากเอ่ยถึงทุกข์ของฉันขึ้นมาก็จะเอาความทุกข์ของแม่พลอยเข้าซึ่งก็ล้วนแต่หนักก่อของฉันทั้งนั้นเลย ถ้าแม่พลอยมีทุกข์แล้วฉันก็เอาทุกข์มาถมเข้าไปอีกมีต้องนั่งร้องไห้กันจนละลายหายเป็นน้ําตาไปทั้งสองคนเลยหรือแล้วเมื่อคิดไปอีกทีทุกข์ของฉันก็ไม่ได้มากเท่าของคนอื่นฉันก็เลยเฉยๆซะนานเข้าก็เคยไปเองจะว่าไม่มีทุกข์ก็ได้จากคําพูดเหล่านี้แล้วก็คําพูดทํานองเดียวกันนะคะตลอดจนวิธีมองโลกของชอยทําให้พลอยนี่ ยึดถือเอาช้อยเป็นที่พึ่งในยามทุกข์มากขึ้นกว่าแต่ก่อนช้อยดูเหมือนจะเป็นคนคนเดียวที่ยังคงมั่นคงเหมือนเดิมไม่มีสิ่งใดมาทำให้เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะคือถ้ามีโอกาสได้คบหาอยู่กับคนแบบช้อยเนี่ยความทุกข์ก็คงคงเข้ามาทำอะไรได้ยากละ่ะคือทุกอย่างนี่มันอยู่ที่ทัศนคติแล้วก็การทาใจได้จริงๆนะคะ ก่อนที่จะถึงกําหนดไปเยี่ยมตา อ, อ้นค่ะพ่อเพิ่มก็เอาจดหมายจากตา อ, อ้นเนี่ยมาส่งให้พลอยอีกฉบับหนึ่งซึ่งตอนนี้พลอยก็ไม่ได้ติดใจถามแล้วละว่าเอามาได้ยังไงเพราะว่าถามทีไรพ่อเพิ่มก็จะทําเป็นรับลมคมในและก็ดูเหมือนว่าจะมีความสุขในการที่จะมีความลับเล็กๆน้อยๆนะคะและถามยังไงก็ไม่บอกประเด็นอยู่ที่จดหมายนั้นมีใจความว่ากราบเท้าคุณแม่ที่เคารพ และที่รักที่สุดของลูกคุณแม่ก็คงจะรู้ดีแล้วว่าลูกเป็นนักโทษประหารแต่ลูกก็รู้ดีว่าคุณแม่ต้องโท ม, มนักเพียงไรและต้องวิตกกังวลอย่างไรเมื่อรู้ข่าวนี้แม่ทูลหัวของลูกลูกรู้ว่าเป็นบาปกรรมของลูกเองที่ต้องทำให้ผู้มีพระคุณยิ่งกว่าใครต้องเสียใจต้องโท ม, มานัท ถ้าจะให้ลูกบอกตามความสัตย์จริงลูกก็จะขอบอกว่าลูกเสียใจและรู้สึกว่าเป็นบาปกรรมเฉพาะเรื่องความทุกข์ที่ได้ก่อให้แก่แม่ของลูกเท่านั้นลูกไม่ได้เคยนึกเสียใจเลยถึงแม้ว่าลูกจะรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกลูกก็จะยังจะทำอยู่ดีเพราะความรู้สึกผิดชอบและกติตต่างๆที่มีอยู่ประจําใจ ก็คงจะต้องบังคับให้ลูกทำเช่นนั้นขอให้แม่พยายามคิดอย่างที่ลูกคิดได้เสียแล้วว่าการต่อสู้ทุกอย่างต้องมีแพ้มีชนะการที่ลูกได้ทำไปแล้วนั้นลูกที่เอาชีวิตเข้าเสียงเป็นเดิมพันเมื่อพ่ายแพ้ลงไปก็ต้องเสียชีวิตเป็นธรรมดาลูกก็เห็นว่ายุติธรรมดีอยู่เสียดายู่หน่อยที่ลูกมีได้ตายอย่างทหารแต่อาจจะต้องตายอย่างนักโทษ ขณะนี้ลูกสบายดีมีได้เจ็บไข้ยอย่างไรอาหารการกินก็ไม่อัตคักอดอยากมีความเป็นอยู่เท่าที่นักโทษในคุกจะเป็นไปได้แต่สำหรับพวกเราเขาถือว่าเป็นนักโทษการเมืองมีได้ปะปนกับคนโทษอื่นๆลูกจึงได้อยู่ร่วมกับพวกพ้องอย่างใกล้ชิดในขณะนี้ลูกไม่อยากจะพูดถึงใครให้มากไปนะัก แต่อยากจะบอกให้รู้แต่เพียงว่าคนเราจะเห็นใจได้รู้จักกันแท้จริงก็แต่ในายามทุกข์ลูกได้รู้จักคนจริงๆเวลานี้มากกว่าเวลาที่สุขสบายเป็นอิสระคุกตารางนั้นมิใช่แต่เป็นที่ขังคนเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ที่ปอกเปลือกคนออกให้เห็นถึงแก่นคือตัวจริงของเขาด้วยการที่ได้พบตัวจริงของเขาทำให้ลูกเปลี่ยนใจไปมาก คนที่ไม่เคยนับถือมาก่อนก็กลับเป็นนับถือเพียงจะบูชาส่วนคนที่นับถือบูชากันมาแต่ก่อนก็หมดนับถือลงไปการเปลี่ยนแปลงในใจนั้นไม่ใช่ของดีบางครั้งก็ทำให้วุ่นวายและกังวลได้มากลูกไม่สามารถที่จะปลอบแม่ให้ใคลายทุกข์ในคราวนี้ได้ลูกไดแต่ภาวนาอยู่ทุกวันคืน ถ้าคนเราตายไปแล้วมีชาติหน้าก็ขอให้ชาติหน้านั้นให้ลูกได้เกิดมาเป็นลูกของแม่ทั้งกายและใจและต่อไปอย่างนั้นทุกชาติทุกภพอน้นจากนั้นอีกสองวันต่อมา หลังจากที่ได้รับจดหมายจากตาอ้นตาออสก็พาพลอยขึ้นรถไปลงเรือยนต์เล็กๆที่ตาอ้นขอยืมคนอื่นมาไว้ให้เรือนั้นจอดอยู่ที่ท่าช้างหวังหน้าตาออสบอกว่าจะต้องออกเดินทางแต่เช้าเพราะจะต้องไปถึงให้ทันเวลาเยี่ยมคืนนั้นทั้งคืนพลอยเกือบไม่ได้นอน พลอยนั่งจัดของกินอันมีส้มสูกลูกไม้และก็ของอื่นๆที่รู้ว่าตะอ้นชอบบรรจุลงในตะกร้าสําหรับเอาไปให้ในตอนเช้าพลอยตั้งใจเอาของไปให้ตะอ้นให้มาก mm. เพื่อที่ตะอ้นจะได้เผื่อแผ่ให้เพื่อนร่วมทุกข์ในคุกได้กินกันหลายๆคนพลอยนึกแล้วก็สะท้อนใจ พลอยเคยจัดของกินเช่นเดียวกันนี้ด้วยความรักมาแล้วหลายผลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเคยช่วยกับชอยจัดของกินส่งให้ที่เนื่องเมื่อไปรับราชการนครสวรรค์ต่อมาก็จัดส่งไปให้ตาอ้านและตาออสครั้งยังอยู่เมืองนอกแต่ถึงคราวนี้พอนึกถึงตาอ้อนพลอยก็ต้องหยุดกลืนน้ำลายขมตัวเองมิให้สะอื้นออกมาดังๆ รุ่งเช้าพรอยรีบตื่นแต่เช้าแล้วก็รีบแต่งตัวเพื่อที่จะออกเดินทางตามที่ตาอ๊อดบอกเอาไว้ว่าจะต้องไปให้ถึงทันเวลาเยี่ยมพรอยเอาเด็กตามหลังไปคนหนึ่งเพื่อที่จะยกของที่จะเอาไปให้ตาอน้นคือเตรียมของเอาไว้เยอะนะคะสาหรับตาอน้นแล้วก็เพื่อนฝูงของตาอน้น ในขณะที่พลอยออกเดินทางจากบ้านน้ำค้างยังจับอยู่ตามใบหญ้าและใบไม้ในบ้านเมื่อรถวิ่งออกไปได้สักครู่พลอยก็ต้องกระชับผ้าห่มให้แนบกับตัวรู้สึกทั้งหนาวและก็ตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกใจหนึ่งนั้นดีใจจะได้พบลูกได้เห็นหน้าลูกที่ไม่ได้พบปะมานาน อีกใจหนึ่งก็ให้ประมาทพลั้นพึงเพราะที่ที่จะไปนั้นเป็นคุกมหันตโทษซึ่งตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวพลอยก็ไม่เคยนึกฝันว่าจะต้องย่างกรายเข้าไปพอถึงท่าช้างวังหน้าต่ออดก็พาพลอยลงเรือยนลำเล็กๆที่จอดเทียบท่าคอยอยู่แล้วเรือนั้นติดเครื่องแล้วก็ลอยลำออกจากท่า ใบหน้าแล่นขึ้นไปเหนือน้ำพรอยนั่งปล่อยอารมณ์มองดูลำน้ำมองดูฝั่งทั้งสองข้างทางฝั่งพระนครตั้งแต่ท่าช้างวังหน้าจนถึงปากคลองบางลําพูจากบางขุนพรมจนถึงสามเสนแต่ก่อนเคยมีแต่วังเจ้าฟ้าวังเจ้าต่างกรมวังเจ้านายอยู่ติดต่อกันไปตลอดพรอยรู้จักรู้วังเหล่านี้ดี แล้วก็เคยเห็นมาเมื่อครั้งยังรุ่งเรืองเคยมีการมีงานใหญ่ๆรั้ววังที่เคยโอ้อาสมพระเกียรติยศเต็มไปด้วยมหาดเล์ข้าหลวงผู้คนจำนวนมากแต่บัด น, นี้ร่วงโรยจนเห็นได้ชัดบางวังก็ปิดเงียบเพราะว่าผู้ครองวังมีได้ประทับอยู่อีกต่อไปบางวังก็ปิดเฉพาะแต่ตำหนักใหญ่ ส่วนตําหนักเล็กเรือนน้อยยังมีคนอยู่แสดงว่าเจ้าของวังสิ้นพระชนไปแล้วเหลือแต่โอรถที่ดาย่งอยู่ต่อไปรั้ววังทั้งหลายก็ยิ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้พลอยนึกถึงความหลังครั้งตามเสด็จไปบางไปอินนึกถึงแม่นามเจ้าพระยาสายเดียวกันนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาคร่ำไปด้วยเรือแพใหญ่น้อยในกระบวนเสด็จยาวจนสุดสายตา นึกถึงกระทงหลวงกระทิ้นหลวงกระบวนพารยุหะญาตราทางชนลมากซึ่งมีเรือองค์พระกรทินเรือพระที่นั่งและเรือพระที่นั่งรองเรือดั้งเรือแซงและก็เรือกระบวนต่างๆภาพเรือพระที่นั่งปิดทองล่องชาติฝีพายถือภายทองและสวมเสื้อแดงกางเกงแดงอันงามระยับจับตาเสียงเห่เรือเสียงกระทุ้งเศร้าดูเหมือนจะยังดังอยู่ก้องหู ปล่อยนั่งปล่อยอารมณ์ปล่อยตัวให้เรือยนต์ลำเล็กๆนั้นพาไปใกล้จุดหมายเข้าไปเรื่อยๆพ้นจากสามเสนไปสักครู่เรือยนต์ก็แล่นลอดสะพานรถไฟพระรามหกซึ่งเปิดใช้เมื่อต้นแผ่นดินนี้เรือแล่นผ่านปากคลองบางเขนวัดเขมาและบางตะนาวสีไปตามลำดับจนในที่สุด ก็มาจอดอยู่ที่ปลายสะพานท่าน้ำใหญ่ของคุกบางขวางถึงแล้วแม่ได้เวลาพอดีไม่ช้าไปต่ออเอื้อมมือมาแตะแขนพลอยเบาๆพลอยก้าวขึ้นจากเรือไปยืนบนโป๊ะซีเมนระหว่างที่ยืนก็คอยให้เด็กเนี่ยยกของขึ้นจากเรือหัวใจของพลอยเต้นแรง ขาสั่นน้อยน้อยด้วยความประมาะในสภาพอันน่าสะึพรล่วที่กั้นกลางอยู่ตรงหน้าเพราะว่าเบื้องหน้าของพลอยออกไปเป็นทางเดินยาวไปสู่กำแพงอันสูงใหญ่ทางเดินนั้นไปสุดลงที่ประตูใหญ่กลางกำแพงซึ่งดูแต่ไกลเหมือนกับปากถ้ำตรงกลางแลเห็นหอคอยอันสูงใหญ่และพอเห็นลังคาที่เรียงรายอยู่นั้นได้ทั้งกำแพงทั้งหอคอย ดูสูงใหญ่แข็งแรงคนที่อยู่ในนั้นดูไม่มีหวังที่จะได้หลุดพ้นออกมาเลยพรอยพยายามจะนึกถึงสภาพของคนที่อยู่ภายในกำแพงนั้นแต่ก็นึกไม่ออกนึกได้แต่เพียงว่ากำเวนอะไรของตาอ้อนหนอที่ทําให้ต้องถูกคุมขังแข็งแรงเพียงนั้นนอกเหนือจากพรอย ก็มีคนอีกหลายคนที่กําลังขึ้นจากเรือลําอื่นที่มาจอดอยู่ในท่านั้นบางก็มาคนเดียวบ้างก็มาหลายคนเป็นคนแก่ก็มีที่ยังอยู่ในวัยกลางคนหรือคนหนุ่มสาวก็มีเด็กก็มีมีทั้งผู้หญิงผู้ชายบ้างก็มาตัวเปล่าบางก็มีของติดมือมาเช่นเดียวกับพลอยทุกคนมาด้วยใบหน้าอันเคร่งครึม พลอยเหลือบดูคนเหล่านี้ก็ใจหายด้วยความสงสารรู้สึกว่าตนเองและคนอีกเป็นจำนวนมากที่เห็นอยู่นั้นมีข้อผูกพันใกล้ชิดเพราะต่างคนต่างก็จะต้องมีพ่อมีผัวหรือมีลูกหรือคนที่รักที่ถูกคุมขังอยู่ในนั้นปราศจากอิสรภาพทุกคนไม่มีใครอยากเข้าไปในที่ที่กำลังเดินใกล้เข้าไปแต่ความรักเป็นเสมือนกาลังอันมหืมา ที่กำลังดันทุกๆคนให้ใกล้เข้าไปทุกทีไม่อาจจะหยุดยั้งได้ทั้งที่ทุกคนก็รู้คือรู้ตัวแล้วเป็นอย่างดีว่าขากลับออกไปนั้นจะไม่มีอะไรกลับออกไปด้วยเลยนอกจากความทุกข์ระทมที่ต้องพลาดจากคนที่ตัวรักพลอยเดินตามคนที่เดินไปในทางเดียวกันนั้นในท่ามกลางแสงแดดตอนเช้า พอพ้นประตูใหญ่ของคุกบางขวางเข้าไปพลอยก็เย็นว่าไปทั้งตัวเพราะได้เข้ามาในที่ร่มหัวใจนั้นก็สลดหดหูลงทันทีที่สําหรับญาติไปเยี่ยมนักโทษเป็นห้องใหญ่มีลูกกรงเหล็กกั้นขวางเอาไว้อย่างแข็งแรงระหว่างนักโทษฝ่ายหนึ่งแล้วก็ผู้ที่ไปเยี่ยมฝ่ายหนึ่ง ระหว่างกลางก็มีทางเดินสำหรับผู้คุมคอยเดินตรวจตราระหว่างที่เยี่ยมเยียนกันอยู่แต่ออดไปติดต่อกับเจ้าพนักงานส่วนพลอยก็คอยอยู่ในหมู่ญาติและมิตรของผู้ต้องโทษทุกคนดูเหมือนจะมีความรู้สึกเดียวกันตาทุกคู่มองไปข้างหน้าผ่านลูกกรงเหล็กที่กั้นอยู่นั้นเข้าไปอีกสักครู่หนึ่ง ก็มีเสียงประตูเปิดปิดเสียงผู้คุมออกคำสั่งอะไรดังๆและเสียงอีกเสียงหนึ่งที่ทำให้พลอยแข้งขาอ่อนลงไปด้วยความรู้สึกระคนไปด้วยความพรั่นพึงและความสมเพศเสียงนั้นคือเสียงโซ่ตรวนซึ่งดังจากตัวนักโทษหลายๆคนที่กำลังเดินออกมาให้ญาติเยี่ยมเสียงตอรอดกระซิบที่ข้างหูว่า นันแนพี่อ้นมาโน้นแล้วแล้วตาออดก็เอามือมาแตะเบาๆที่แขนพลอยและนำตัวพลอยไปที่หน้าลุกกรงตาอ้นศบหน้าลงกราบพลอยโดยไม่พูดจาว่ากระไรพลอยจะเอ่ยปากทักตาอ้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าคอหอยนั้นตีบและก็ตื้นตันไปสิ้นด้วยความสงสาร ความรักและความดีใจที่ได้พบหน้ากันตาอ้นซูปผอมไปจนผิดรูปร่างผมเผ่ารุงรังหนวดเคราก็มีได้โกนสะอาดเรียบร้อยเหมือนแต่ก่อนตรวนที่ใส่อยู่ก็ดูจะเป็นขนาดใหญ่และก็หนักกว่าของนักโทษคน อ, อนอื่นๆอีกหลายคนที่พลอยได้เห็นต่อันพูดถูกภาพตาอ้นที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าในขณะนี้ เป็นภาพที่พลอยไม่เคยคิดฝันว่าจะประสบพบเห็นแล้วก็ไม่อยากที่จะพบเห็นเลยเมื่อได้เห็นแล้วก็อยากจะเอามือปิดหน้าหลับตาแล้วก็วิ่งหนีไปเสียให้ไกลหรืออยากจะร้องไห้ออกมาดังๆให้สมกับความรู้สึกในใจแต่พลอยก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ได้แต่ข่มสติฝืนใจยิ้มกับตาอน้น อน้นแม่คิดถึงเหลือเกินอ้นเป็นอย่างไรบ้างผมไม่เป็นอะไรหรอกคุณแม่ไม่เป็นไรดีใจเหลือเกินที่คุณแม่มาเยี่ยมแต่อน้นก็ตอบมาด้วยอารมณ์เดียวกันแล้วหันหน้าไปยิ้มกับตาออส ออดสบายดีเหรอขอบใจมากนะที่จัดเรื่องปิ่นโตให้ปิ่นโตอะไรแม่ไม่เห็นรู้เรื่องออดก็จัดเรื่องว่าจ้างทำปิ่นโตส่งเข้ามาให้ผมในนี้ อ, อ้อพรอยพูดอย่างโล่งใจนึกขอบใจตะออดที่อุสานึกถึงเรื่องอาหารการกินของพี่ชายในคุกออดไี่เห็นบอกแม่สักที แล้วก็ททำบินโตส่งพอกินได้หรืออน้นไม่ขาดเหลืออะไรหรือพอกินได้ทีเดียวคุณแม่ไม่ขาดเหลืออะไรเลยวันนี้แม่เอาของกินมาฝากอีกหลายอย่างเอามามากๆอ้นจะได้แบ่งให้เพื่อนฝูงกินบ้างพลอยพูดต่อไปแล้วก็พยายามที่จะข่มสติกลั้นน้ําตาไว้อย่างเต็มความสามารถ ข้างฝ่ายตะอ้นก็ยกมือไหว้ผมดีใจจริงๆในนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับของกินแล้วผมจะบอกพวกพ้องว่าคุณแม่ส่งมาให้พรอยรู้ดีว่าทั้งตนและแตะอ้นเนี่ยต่างพยายามคมความรู้สึกในใจอย่างสุดแรงเกิด ต่างพยายามตีหน้าชื่นเข้าหากันเหมือนกับพูดคุยกันเป็นปกติทั้งที่จริงๆต่างซ่อนความรู้สึกมีให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้ดีว่าอีกคนรู้สึกอย่างไรคำพูดที่ใช้ก็เป็นคำพูดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข์ทั่วไปไม่มีความหมายอะไรเกินไปกว่านั้นแต่คาพูดทุกๆคา ก็มีความสำคัญยิ่งยวดเพราะเป็นถ้อยคําที่ออกมาจากหัวใจของคนที่รักกันและห่วงใยกันมากที่สุดตาอ้อยเข้ามายืนอยู่ข้างๆพลอยแล้วก็คุยกับตาอ้นเบาๆในทำนองถามทุกสุขเช่นเดียวกันพลอยชำเรืองดูตามขอบลูกกรงเหล็กโดยทั่วๆไป ก็เห็นทุกคนที่มาเยี่ยมต่างพากันเข้าไปชิดลูกกรงเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้คนที่ตนรักให้มากที่สุดหญิงสาวหน้าตาสะอาดสะอ้านคนหนึ่งหยุดถัดจากพลอยออกไปกำลังเอามือเกาะลูกกรงแล้วก็ซบหน้าร้องไห้อย่างหมดอับอายมีชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ภายใน แล้วก็มองดูหน้าหญิงสาวคนนั้นด้วยแววตาอันละห้อยอโนงอย่าร้องไห้พี่ไม่เป็นอะไรขอให้อโนงรักษาตัวให้ดีเลี้ยงลูกให้ดีพรอยเบือนหน้ากลับด้วยความสังเวชสลดใจขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าความทุกข์ของตนนั้นมีได้มีอยู่แต่ตัวผู้เดียวมีคนอีกมากมายหลายร้อยพัน ที่ร่วมทุกข์อันใหญ่หลวงนี้แล้วก็มีคนอีกมากมายที่อยู่ในฐานะลำบากกว่าพลอยหรือว่าอยู่ในวัยที่ไม่สามารถจะอดทนต่อความทุกข์ได้เท่ากับพลอยหัวใจของพลอยซึ่งจดจ่ออยู่ที่ตาอ้นและที่ความทุกข์ของตนเองนั้นเริ่มคลี่คลายแผ่กว้างออกไปจนถึงคนจำนวนมากที่เรียงรายอยู่ในขณะนั้น ความเมตตาและความเห็นใจคนอื่นที่ร่วมทุกข์ช่วยให้พลอยดำรงความรู้สึกของตนไว้ได้ในระดับอันควรไม่แสดงความทุกข์โทมานัตออกมาต่อหน้าตะอน้นเวลาที่กาหนดเอาไว้ให้เยี่ยมผ่านไปอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ได้มอบของให้แก่เจ้าพนักงานเรือนจำแล้วพลอยก็ยืนมองดูตะอ้อนจนลับตาแล้วก็ปล่อยตัวให้ตะออดพาไปลงเรือกลับบ้านอย่างสงบขณะที่เดินกลับนั้นก็รู้ตัวว่าได้ทิ้งเอาส่วนหนึ่งอันสำคัญของหัวใจไว้ในเรือนจำ ขณะที่เรือแล่นกลับมาตามลำแม่น้ำตาออสก็ยกมือขึ้นตบแขนพลอยเบาๆก่อนจะบอกว่าวันนี้แม่ดีมากขอชมเชยพลอยก็ถามว่าทำไมออสที่ลูกว่าดีเพราะแม่ใจแข็งไม่ร้องไห้อา้าวแล้วกันตาออสรองขึ้นก่อนที่จะพูดจบ เพราะว่าทันทีที่ตาออดพูดพลอยก็รีบดึงผ้าชน้าออกจากกระเป๋าซึ่งคือรีบเปิดกระเป๋าแล้วก็ดึงผ้าชนะาปิดหน้าอย่างรวดเรลวจากนั้นก็ก้มตัวหลงร้องไห้เหมือนกับว่าสายตัวจะขาดความหวังหรือความฝันของตัวเองที่พลอยเคยนึกว่าเลื่อนลอยนั้นยิ่งนานวันก็ยิ่งจะดูเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาทุกที ความหวังนั้นก็คือตาอ้านอาจไม่ถูกประหารตามคำพิพากษาเพราะในหลวงไม่ทรงยอมลงพระประมาภิไธยในพระบรมราชโองการให้ประหารชีวิตข่าวคร า, าวที่พลอยได้ยินจากปากคนหลายคนนั้นก็ดูจะสนับสนุนความหวังหรือความฝันนั้นให้แน่นแฟร์ยิ่งขึ้นทุกทีจนในที่สุดพลอยถึงกับหมดกังวลในข้อนั้นแล้วก็ทําใจเสียได้ว่ามีลูกอีกคนหนึ่ง ที่เคราะกรรมบันดาลให้ต้องติดคุกและตนมีหน้าที่ที่จะต้องคอยส่งเสียเพื่อให้ลูกมีความสุขสบายตามสมควรเท่าที่สภาพในคุกจะอำนวยให้จนกว่าจะสิ้นกรรมซึ่งพลอยเองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ ในระยะนั้นข่าวเรื่องพระเจ้าอยู่หัวจะสละราชสมบัติก็หนาหูขึ้นทุกวันพอเพิ่มเป็นคนที่สนใจมากกว่าคนอื่นนะคะเพราะได้เคยทำนายภายทักเอาไว้แต่แรกว่าในหลวงคงจะไม่ได้เสด็จกลับทีนี้พอมีข่าวลือพอเพิ่มก็มาคุยกับพลอยบอกว่าฉันเคยว่ า, าไว้แต่แรกแล้วแม่พลอยจาได้ไหมว่าอะไรหรือคุณหลวง คุณหลวงเคยว่าอะไรต่ออะไรไว้มากมายเต็มทีฉันไม่มีปัญญาจะไปจดจำได้หมดก็เรื่องที่ในหลวงท่านจะไม่เสด็จกลับนั่นเปรไรคุณหลวงไปได้ข่าวอะไรมาอีกละ่ะใครๆเขาก็รู้กันทั่วไปแล้วว่าท่านไม่เสด็จกลับแน่ถ้ารัฐบาลยังอยู่อย่างนี้ฉันว่าท่านไม่กลับเหมือนกันเพราะคงไม่มีทางที่จะตกลงกันได้แล้วจะทาอย่างไรกันเล่า ถ้าท่านไม่สเสด็จกลับฉันว่าท่านก็คงจะสละราชสมบัติพอยตกใจเมื่อได้ยินความคิดของพ่อเพิ่มนะคะตายจริงคุณหลวงเอาอะไรมาพูดตั้งแต่ฉันเกิดมาเป็นตัวเป็นตนฉันยังไม่เคยได้ยินว่าในหลวงสละราชสมบัติสักทีจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นชีวหรือสมัยนี้อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแม่พร้อย เมื่อนในหลวงท่ารงมีความเห็นอย่างไรแล้วสภากับรัฐบาลก็มีความเห็นไปอีกอย่างหนึ่งก็อยู่ต่อไปด้วยกันไม่ได้ถึงคราวที่จะต้องแยกกันแล้บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปฉันนึกไม่ถึงจริงๆฟังดูเหมือนบ้านแตกสลาขาดถ้าในหลวงองค์นี้สละราชสมบัติแล้วใครจะได้เป็นในหลวงองต่อไปฉันเองก็ยังไม่รู้ เจ้านายก็ยังมีอีกหลายองค์ทางสายสมเด็จพระพันปีก็มาสิ้นสุดลงที่รัชกาลนี้เพราะไม่มีพระเจ้าลูกเธอถ้าจะกลับไปทางสายสมเด็จพระพันปส า, ากระมังแต่ฉันคิดเอาเองนะแม่พลอยเอาจริงเข้าองค์ไหนจะได้เป็นฉันก็ยังไม่รู้เลยในใจจริงของพลอยนั้นไม่อยากให้ความคาดหมายของพธอเพิ่มกลเป็นจริง เพราะโชคชะตาของตาอ้นดูจะผูกพันอยู่กับพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นถ้าหากว่าพระองค์สละราชสมบัติจริงและผลัดแผ่นดินใหม่จริงตาอ้นจะเป็นอย่างไรพลอยก็สุดที่จะคาดเดาและพลอยก็ดูจักชีวิตดีเกินไปที่จะไม่มองอะไรแต่ในด้านดีรู้ว่าทางที่ดีที่สุดนั้นควรจะมองทางเสียหรือว่าแง่ร้ายเอาไว้ก่อน แต่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นดูเหมือนจะอยู่นอกเหนือการกระทําของบุคคลใดทั้งสิน้นแต่อั้นเองก็เคยมาเล่าให้พลอยฟังว่ารัฐบาลก็พยายามทุกทางที่จะมีให้พระเจ้าอยู่หัวต้องสละราชสมบัติในขณะที่ตาอั้นมาเล่าให้ฟังตาออสก็ถามอย่างยิ้มยิมว่าทุกทางแล้วเหรอพี่อัน้นทุกทางแล้วออสเท่าที่จะทําได้ออสเห็นว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะป้องกันมีให้ท่านออก ทางไหนกันแต่อันหันขวับไปถามน้องชายก็เราบอกอยู่ยกหยกว่าพยายามทุกทางแล้วลองตามพระไทยท่านดูบ้างเป็นไรออสก็พูดเป็นเล่นไปเสียทุกพีแาอันพูดแล้วก็ลุกขึ้นเดินหายไปปล่อยให้ตาออสนั่งหัวเราะเบาๆอยู่คนเดียวต่อจากนั้นมาก็มีข่าวที่สับสนอันละเวงเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวจนพลอยเองก็หมดปัญญาที่จะจับต้นชนปลายที่ไหนถูก จนกระทั่งวันหนึ่งตอนสายของฤ ด, ดูร้อนแต่ออสก็เดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าในหลวงสละราชสมบัติอย่างแน่นอนแล้วแม่พ่อยพูดขึ้นมาได้คำเดียวว่าโทรแต่ออสก็เลยรับว่าก็นั่นนะสิลูกก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนี่ถ้าไม่ใช่ออสเป็นคนมาบอกแม่ก็แทบไม่เชื่อลูกเองก็ไม่อยากเชื่อ รู้สึกเสียดายเหลือเกินทั้งที่ไม่ใช่เรื่องราวอะไรของลูกเลยแม่ก็เสียดายเหมือนกันออไม่อยากเห็นบ้านเมืองเป็นไปถึงเพียงนี้รู้สึกว่าผิดแบบแผนประเพณีหรือแม่จะเป็นคนโบราณอยู่คนเดียวก็ไม่รู้ลูกเสียยิ่งกว่านั้นอีกเมืองไทยเราเพิ่งจะเปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยยังไม่ทันไรเรายังต้องมาเสียคนสำคัญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดไปคนหนึ่ง แล้วตาออดก็ถอนใจใหญ่อย่างมีทุกข์ซึ่งพลอยไม่เคยเห็นตาออดทาบ่อยนักและนี่ก็คือจุดสิ้นสุดของแผ่นดินที่สามในชีวิตของพลอย